ท่านสาธารณชนพุทธบารสังผู้ฝ่ายรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะมาสนทนาธรรมอีกรับงใครมีคำถามอะไรก็สามารถเข้ามาถามได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาได้ดีงาม เองตามลําดับของการใครเข้ามาก่อนๆๆมาหลังวันนี้คนแรกคือคนเกิดพันธุ์เด็กนะาหายไปแล้วจำแม่ก่อนแม่กันชัดที่โอเคอ่ะคุณจำเม็ดครับจำแม่กันชัดที่ครับกลับมาสักการพระอาจารย์ครั บ, รบวันนี้น <ๆ S 1> ก็จะมีคาม<ๆ>ําถามมาถามพระอาจารย์ครับ ถามเลยก็คือเวลาที่เราเล่นเกมอะครับมันไม่รู้สึกง่วงนอะครับแต่ทําไมถึงเวลาที่เรานั่งสมาธิมันจะรู้สึกง่วงอะครับเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าใจมันง่วงหรือว่ากายมันง่วงครับแล้ว ม, มีวิธีจัดการยังไงครับคือเรื่องราของเกมมันมันตื่นเต้นมันก็เลยทําให้เราไม่ง่วงมันมีแอคชั่นเยอะใช่ไหม แต่เวาเรื่องราวของของธรรมะนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ไม่มีแอคชั่นมันต้องเป็นเรื่องของความคิดนี่ถ้าเราคิดคิดไม่เป็นแล้วคิดแล้วมันไม่เข้าใจมันก็ทําให้เราง่วงไม่สนใจมันเรียนหนังสือใช่ไหมเวลาเรียนในห้องเรียนนี่ง่วงไม่ลงเทออาจารย์สอนเรื่องบางเรื่องนี้ไม่เข้าใจง่วง นั่นแหละเพราะว่าต้องใช้ความคิดมากต้องได้ต้องใช้ความตั้งใจให้สติแล้วก็เราใช้ความคิดด้วยให้เกิดความเข้าใจถึงจงไม่มง่วงถ้าเกิดความเข้าใจแล้วมันจะมันจะมีความรู้มีความตลาดมันก็จะทำให้ถึงเต้นได้ก็เป็นเรื่องปกตินะที่ถ้าดูเกมดูหนังมันจะไม่ม่วง ว่ามันมีเรื่องมาคอยกระตุ้นให้เราเติอนเต้นอยู่เตือนตัวอยู่ตลอเวลาแต่เตืนแบบนี้ไม่ดีหรเพราะมันไปนเกิดกับเรื่องบ้าบอคอแต่ที่ไม่มีสาระประโยชน์กับใจของว่าน่าจะทําให้เราเป็นบ้าได้ถ้าเราไม่เราถ้าเราไปดูแล้วเราไปหลงดูไปเชื่อในสิ่งที่เราเล่น เดี๋ยวเวลาไปใช้กับชีวิตจริงนี่ก็อาจจะทำให้เกินโ ท, โทษกับดดเราก็โทษกับผู้อื่นได้ฉะนั้นเราเข้าใจว่าการเล่นเกมนี่ก็าจะเป็นการถอนคลายความเครียดที่เราได้จากการเรียนหนังสือจากเรื่องราวต่างๆแต่ก็อย่าอย่าใช้มันมากเกินไปเพราะวิธีที่แก้ความเค ร, รที่ดีก็คือการมาศึกษา ธรรมะธรสอยงพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเลาปฏิบัติธรรมกันเป็นวิธีที่แก้คอาเคียที่ดีที่สุดเพราะว่าเป็นวิธีที่ไม่มีไม่มีโทษมีแต่คุณประโยชน์ต่อจิตใจท่้นของเราเองกับของเราและกลับูดเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจครับใีทอนนี้แล้ววันนี้ มีมีคําถามค่ะพระอาจารย์เวลาคําสอนของพระอาจารย์นะคะที่สอนบอกว่าอย่าอย่าฝัน ท, ทั้งที่ลืมตาตื่นนะคะก็นํามาใช้ในชีวิตประจะําวันทีนี้คือทําอะไรก็ให้อยู่กับสิ่งนั้นล้างจานก็ให้อยู่กับการล้างจานแต่ทีนี้มันก็จะมีความคิดนะคะที่มันเกิดขึ้นมาในหัวแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาละมันเริ่มสร้างเรื่องแล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะเราก็จะพยายามดึงตัวเองกลับมา ให้เห็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าไม่ไปกับความคิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะแบบพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยอย่าไปอย่าไปกลับมาอย่างเงี้ยค่ะคือมันเลยกลายเป็นเหมือนกับเราคุยกับตัวเองค่ะพระอาจารย์แบบเนี้ยมันเรียกว่าวิปัสสนาดไหมคะไม่หรอกเป็นการคุยดึงใจน้าให้ไปในทางที่ถูกคือแล้วเราคุยกับเราสอนใจแล้วว่าไปท่า น, นี้ไม่ดีไปแล้วมเพราะฝันยก็เชื่อค่ะใช่ให้มาทำนี้ให้ตื่น ให้รู้สึกตัวตลอดเลา ว, ว่าเราพยายามทำอะไรอยู่ค่ะเพราะในหัวมันจะสร้างเรื่องสร้างราวไป<ช>เรื่องยเลยอะมันเป็นนิสัยมาตัๆๆ้งแต่ตั้งเด็กเราไม่เคยฝึกสติมาก่อนว่าจะคิดของมันไปเรื่อยไปเพราะเะนนตอนที่เรามาสร้างสติกันเมอะไร่ต้องเจออุปสรรคเัอเจ้าเจ้าเจ้าถิ่นบ้างนยความคิดนี้มันเป็นเจ้าถิน่นมันเคยเขาจิตใจเรามานานแล้ว เราเป็นเหมือนคู่นิวคิดอินเทลพันยังมใ่ใช่เราก็ต้องพยายามต่อสู้กับเจ้าถิ่นให้ได้ชนนเจ้าถิ่นด้วยการมีอะไรคอยยึดเดนี่ยวจิตใจของเราให้เราคิดอยู่กับเรื่องที่เรากาลังทำอยู่งานที่เรากำลังทํอยู่แทนค่ะคิดกับพุทโธพุทโธไปก็ได้ค่ะเราฝึกไปเรื่อยๆตอนนี้เรายังมีกำลังน้อย สติเรา ย, ยังน้อยอยหนึ่งยังไม่สามารถที่จะอ่าเบียดมันให้ออกไปจากใจเราได้มันยังเป็นเรื่องของใจเราอยแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆสร้างกำลังให้มากเป็น ม, มากเป็นไเรื่อยๆมันก็จะถูกเบียดออกไปจากใจเราต่อไปก็จะไม่มีความคิดมาล็อกหัใจเราเราก็สามารถคิดตามที่เราต้องาการที่จะคิดได้ นันต้องฝึกต้องอดทนนะทะั้งไปยากคุยกัตัวเองไม่วิปลาสอควยกับตัวเองถ้าควยในเรื่องที่ถูกที่ควรไม่ไม่วิปนาคว้เรื่องธรรมะได้อย่าไปคุยเรื่องดีเลกทีคุยว่าตัวเองใหญ่ตัวเองเก่งด้วย อ, อะไรทั้งนั้เนี้ยอันนี้ที่จะทำายหลงตัวเองได้นคนทั้งวันเนี้หลงตัวเอง ทีว่ตัวเองเก่งที่ว่าตัวเองรวยทีว่ตัวเองสวยตัวเงดีแต่คนอื่นที่เลวไปหมดสมัยนี้ทำเนี่ยวิปลาดกันเลยลองคนอื่นกลายเป็นคนเลวไปหมดแต่ลองตัวเองนี่เป็นคนพิเศษอย่างราไรก็ไม่ไม่ไม่มีมาตรฐานว่าการดูว่าตัวเองว่าดีชั่วอยู่ตรงไหนอะไรเ ป, เป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ว่าอยู่ที่ของปลอมอยู่ที่เงินทองอยู่ ท, ที่ความสามารถในการกระโดดโน้นเต้นในทำไรต่างๆแต่ก็ไม่คนที่จะไปดูคนนื่นนะศาสนาผู้สอนให้เราดูใจเราดูตัวเราหรือว่าใจเรานี่ไปในทางศีลธรรมนี่ไปในทางที่ เป็นไม่ไม่เป็นศีลธรรมแต่มันไปใ น, นปทางไม่ศีลแล้วไปทําไม่ไม่ใช่เป็นศีลธรรมก็พยายามเดบักมาเล่นเกมนี่ก็พยายามเดบ<ช>ักมาเลันได้ต้องมีเวลาต้องเสมอเวลาเอาครึ่งชั่วโมงอะไรทำนองนี้เราคบเวลาก็เลิกคําว่าทําสิ่งที่มีประโยชน์ในบา้าการงานอ่านหนังสือ ช่วยแมาทำงานบ้านไปเลยนะช่วยปาบบ้านถึงบ้านช่วยทำงานอะไแต่พอเล่นมากมากคะ่ะพระอาจารย์แล้วมันเหมือนสัญญามันติดมาในหัวไหมคะมันก็อนพอเล่ น, นมันมันก็สอนเราไปในตัวค<ะ>่ะมีไม่มีมันก็ยังเป็นตัวที่จะทําให้เราไปทำอะไรต่างๆต่อไปตามที่เราที่เล่นในเกมได้ค่ะค่ะมัต้องระวัง มันก็เป็นการเรียนเนี่ยเล่นเก ม, มนี่ก็เป็นการเรียนเราทำธทําก็เป็นการเรียนเกมก็เป็นเล่นเกมที่มันมีการฆ่าฟังมันจะสอนให้เราเป็นคนโหดไร้ธรรมขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวพอมีเหตุการณ์จริงในชีวิตก็จะทําให้เราเป็นคนกลายเป็นคนโหดไร้ธรามขึ้นมาได้มันก็ต้องระวังอย่าอย่าไปเล่นเกมที่มัน ส่งเสริมความรุนแรง v i o l e n c น น, นเกมที่ส่งเสริมปัญญาดีกวบา c r a b l e ลอะไรเงี้ยเล่นเล่นสแครมบ้เล่นูโอเคเ่นเด ล, เลนลอยู่ครับทีใชใ้ให้กระตุ้นปัญญาตืนความคิดที่ดีขึ้นมาทุกสิ่งทดอย่างที่เราดูเราเห็นเราได้ยินได้ความนี้เป็นเหมือนะ เนเหมือนการเรียนทุกอย่างถ้าเราไปดูสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะอ b s o r b เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในในใจเราถ้าเราไปดูในสิ่งที่ดี <Okay. S 1> เราก็จะอับ o r สิ่งที่ดีเข้ามาในใจ <Okay. S 1> เราพระเจ้าเบอกให้ให้ให้คบคนดีเราจะได้ดูจากตัวอย่างเขาว่าเขาทำตัวยังไง <Okay. S 1> เราก็จะเอาเข้ามาเป็นโมเดลเรามาเป็นไอดอล ถ้าไปดูคนที่ไม่ดีเราก็จะเอาเข้ามาเกินไอ้ท้องมี้ท่องนี้อาจารย์เดี๋ยวมีคนอื่นรออยู่คพยายามพยายามสลุกใจพยายามใช้สติพยายามรุ่งตอนที่พยายามหยุดความคิดให้ได้ควบคุมความคิดให้ได้แล้วมันจะไม่มีอะไรมาคอยจุดล้างเราให้ไปทำนู่นทํานี่ ความคิดของเรานี่หละเป็นตัวชุดล่าให้เราไปทํานั่งทํานี่ขึ้นมาเพราะคิดถึงเกมไม่อยากจะเล่นเกมมากบางครั้งไม่คิดอ่านหนังสือเลยทำการมากอ่านหนังสืออะไรอย่าไม่อยากคิดมาทำนี้วพราเราไม่เราไม่ชอบว่ราะมันทําให้เราไม่ไม่เตื่นเต้นไม่ชอบของตื่นเต้นแต่เขางตื่นเต้นนี่มันบางทีมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร นะครับครับโอเคนะพยายามที่ได้ศึกษามานี่ทำไปนะบงคลสามสิแปดนี่ยังจำได้หรือเปล่าจำได้ค่ะพยายามเวลากบเพื่อนคนคนดีคนไม่ดีไปคบเขาคนเกเรคนชอบนั่งแก่คนหนึ่งคนที่ไม่มีความเมตตา คนที่ไม่มีมา า, ยยาอะไรอย่างเงี้ยคนที่อยากคายมันไม่ดีนะันขอบคุณอรัขอบคสราจรั์คุณศาสตราเชิดต่อชัยนาทวันนี้มาฟังธรรมคับอาจารย์ปฏิบัติต่อเ น, นื่องทุกวันค่ะคาธุบนบนยอดนู่นยดกตอตมใช่ไหมบนยอดอญญนู ค่ะพระอาจารย์รู้อยู่กทมอค่ะ hmm. ค่ะลูกเข้ามากราบพระอาจารย์แล้วขอบพระคุณนะคะมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนะคะพระอาจารย์เวลาที่เราไปทํางานช่วงที่เราพอจะคุมใจได้มันก็ยังพอจะพุทโธแต่พอเราเครียดหรือเราเหนื่อยกับงานเนะยคะ่ะจิตเราก็จะลากไปสุดท้ายเราก็กลับมาจุดเดิมคือความคิดทําให้เราเนี่ยได้แบบเหมือนกับเพอพูดเพอพูดในสิ่งที่ อาจจะมีการตำหนิคนอื่นหรือสีหน้าท่าทางแล้วเราก็จะมากับมาโทษตัวเองว่าเราควบคุมจิตไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ลูกก็ต้องกลับมาฟังธรรมะหลายหลายเทปถึงจะทำให้ใจลูกสงบอะค่ะพระอาจารย์ปัะยงเดเร่ง ว, ว่าเรารื่องว่าเราต้องทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาค่ะแต่บางทีลากไปแบบไปใหญ่เลยค่ะความคิดไปใหญ่โตจนแบบจนเรารู้สึกหมดแรงอะค่ะ ลูกก็ต้องมาเปิดเสียงพระอาจารย์เนี่ยกล่อมใจหลายๆเทค่ะบางทีใช้วิธีการนอนไปเลยค่ะพระอาจารย์ถึงจะเอามันอยู่อะค่ะอพราะเราไม่ฝึกพูดโทนฝึกพูดทนพูดโทนนี่เร า, เราดได้ใช้พูดทนได้เลยค่ะลูกจะพยายามทําให้ได้มากที่สุดนะค่ะพระอาจารย์แต่มันจะหลุดตอนที่เราไปทํางานแล้วมีความเหนื่อยความเครียดนะคะนั้นเราเอามันไม่อยู่จริงๆเราต้องฝึกพูดโทนก่อนสามวัน ค่ะไม่ซ้ามไปก่อนถึงเวลาก็ไม่มีกำลังที่จะพุทโธมาได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะลูกจะตั้งใจเริ่มต้นพุทโธให้ได้มากที่สุดก่อนค่ะค่ะพยายามพุทโธวิ่เรื่อยถ้าไม่เปนั้นได้กล่าวอยู่ในใจแล้วพุทโธค่ะได้ไหมค่ะพระอาจารย์ค่ะลูกกลับขอบพระคุณนะคะนะค่ะค่ะคุณวริีพนวารีพนปอเชยรุ่นเข้ามาใหม่ครั้งแรกคุณ ก่อ น, นัมาศการคําพรอาจารย์เคยเข้ามาแล้วค่ะเราใช้ชื่ออะไรอ๋อใช้ชื่อเดิมครับเป็นน้ำมันใช่ไหาจารย์เป็นน้ ำ, ม, นำมัโอเคต่อเชมีอะไรวันนี้มีคําถามมาถามพรอาจารย์ ว, ว่าเวลาเราอยู่กับเพื่อนเนี่ยของบางครั้งเราจะหลุดปากพูดไปแบบสิ่งทีมแบบว่าเพื่อนหรือว่าทําให้กระทบจิตใจเพื่อ น, นะอะครั บางครั้งอะครับแล้ว เ, เมืนบางครั้งห้ามไม่ได้อะเพราะว่าเราไม่มีสติเนี่ยค่ะในเที่ยงวันฝึกสติอยู่เรื่อยๆแล้วตอบในใจรู้ว่าเรากำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกากำกำกำกำกำกำกำกำกำกกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกกำกำกำกำกำกกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำา ทำพุโทพโุทโธในใจหรือเปล่าทำฝึกพุพโทโธอ่ะนั่งสมาธิหรือเปล่าอืมส่วนมากบางครั้งจะนั่งแต่ว่านั่งเล่นเกมมากไปใช่ไหมเวลาเล่นเกมจิตก็คิดไปตามกับเกมที่เราเลน่นก็ไม่อยู่ มันเข้ามาพาพาฝึกหยุดหยุดความคิดห ย, ยุดจิตมันทําพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าอยากจะควบคุมคามคิดของเราควบคุมการพูดถึงว่าควบคุมกายกะทำของเราต้องมีสตินะถ้าเรามีสติเราจะรู้ตัวว่าเราควจะพูดอะไรเราจะทําอะไรแล้เราก็จะรู้ว่านควรจะพูดแล้วควจะทําไม่โอเคนะ มีอะไรไหมวันนี้อะเขามีจะถามอีกอย่างหนึ่งว่าวันนี้มันมีซอกหนึ่งในบ้านอะครับที่มีสัตว์มาแบบอยู่อะครับก็เราขอไขออยู่ด้วย้็ถ้าเราไม่เดือดร้อนเรให้มันอยู่ไปคือเขาเป็นหนูอะครับ ก็หาคำดังว่าจับในคำกองันที่เป็นดังนัีนอยากรู้ว่าเขามามีเหตุผลอะไรไหมอ่ะเขาก็อยาก ห, หาที่ปลอดภัยเหมือนเราอยู่ทำไมเราไม่ไปนอนข้างถนนนะครับใช่ไหมเขาก็ไม่อยากจะนอนข้างถนนเพราะเขากลัวจะถูกทํำลายก็ เ, เห็นบ้านเราโอยบ้านเราใหญ่โตมีที่หลบที่ซ่อนดีเขาก็เลยขอมาอาศัยอยู่ด้วย ถ้าเราไม่อยากจะให้เขาอยู่บ้านเราเราต้อจับเขาไปแล้วไปปล่อยเขาในป่าก็ได้ในทีน่ที่เขาอยู่แล้ปวปลอดภัยก็มีพาเขาไปตรงที่มีแบบทุ่งหญ้านี่เราเรียกเขามีมีที่หลบที่ซ่อนได้สัตว์ต้องมีที่หลบที่ซ่อนหรือถ้าคิดว่ามันเป็นกระแตกระลาบ ก, ก็เรีเยงมันไปเลยก็ได้ <Okay. S 2> ถ้ามันต้องไปรับเปลียน ม, มันก็เหมือนกับกระแตมอนกับกระรอกถ้าเราเลียงกระรอกกันเล้ยงกระแตกันเลีมห ม, า เ, มาเลียงแมวได้แตเลี้ยงเลยหนูไม่ได้นะมีอะไรไหมอ๋มไม่มีละ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ครไปที่เพื่อนต่อน้าโมต่อหน้โมนะ เป็เี่ยนทรงผมยังไงหน้าม้วนหรือหน้าตาแตกไ ป, ปนะพอดีว่าไปตัดผมมาครับพระอาจารย์เพราะว่าผมมันปิดหูปิดหน้าปิดตาไปหมดเลยครับพระอาจารย์อแม่บอกไปตัดเถอะก็ไม่ได้อยากตัดหรอกครับแต่ว่าพอคุณแม่บอกว่าต้องไปตัดครับข<อ>ัดคุณแมไม่ได้นี่เช่ยวชาญบุรุษกุยอย่างนี้ครับอพระอาจารย์ครับผมก็ได้ไปฝึกตามที่พระอาจารย์สอนแล้วครับแล้วก็ วันเมื่อวันพระใหญ่ครับวันวิสาขบูชาถ้าจะไม่ผิดที่ผ่านมาครับผมก็เปิดธรรมะของพระอาจารย์ฟังผ่านทางช่องของหมอวีครับแล้วก็พอฟังจบก็ฟังธรรมะหลวงปู่หลวงพ่อท่านอื่นๆครับแล้วก็พอถึงประมาณสักสี่ทุ่มครับอาจารย์ผมเริ่มง่วงครับ ก็เลยเอนตัวนอนนอนบนเสือครับอาจารย์แล้วก็พอผมนอนบนเสือสักพักก็พุดโทตามที่อาจารย์สอนนะครับปรากฏว่าผ่านไปประมาณสักพักหนึ่งนะครับคำคำบริการพุทธโทมันหายครับอาจารย์มันก็อยู่เหลือแต่ลมหายใจก็ก็นึกถึงที่พรอาจารย์เคยสอนไว้แล้วก็คือให้เปลี่ยนเป็นอานาปานาสติแทนจากพุทธานุสติครับก็เปลี่ยนเป็นอานาปานาสติแทนแล้วก็สักพักหลังจากนั้นมัน อยู่ๆอะครับปิดตาอยู่นะครับแล้วก็เอนอนอเหมือนเองกายกำลังฝึกสติอยู่อะครับท่านอาจารย์มันอยู่ๆมันก็เกิดความรู้สึกเหมือนที่เคยเรียนพระอาจารย์นะครับว่ามันเหมือนตกลงมาจากที่สูงนะครับท่านอาจารย์มันมันเหมือนแ่บหล่นลงมาจากเหวเลยอะครับหล่นลงไปอย่างนี้เลยอะครับแล้วผมตกใจมากคือรักษาสภาวะนั้นได้ประมาณห้าวินาทีครับอาจารย์แล้วก็ตกใจอะครับพระอาจารย์ก็เลย ลืมตาขึ้นก็ไม่สามารถรักษาสภาวะนั้นได้นานนะครับพระอาจารย์ก็เลยอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าสภาวะนั้นมันคือสภาวะอะไรครับอาจารย์ก็จิตกําลังจะเข้าสู่ภาวะสงบก็เลยในอากาศต่อไปก็ไม่จาเป็นสนใจมนะันดูงงต่อไปไม่พูดถกไปเรื่อนๆครับต่อไปถ้ามันเป็นก็ไม่จำเปสนใจ ตอนแรกกังวลว่าตกจากเตียงหรือเปล่าความคิดแทรกเข้ามานึกขึ้นได้ไทีหลังว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าเรานอนบนเสื่อตกไม่ได้<ม>อยู่ที่พื้นแล้ว ต, ต, ต, ตว้องักษาสติไว้เรื่อยๆให้รู้เฉยๆไปดูดูวงไปพุดโทไปจนกว่ามันจะนิ่งจะสงบแั้นมันหยุดดูวมหยุดพุดโทไปเอง ครับอาจารย์แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลใช่ไหมครับถ้าคําบริกรรมมันจะหายไปอะครับมันจะว่าแปรไม่แปรก็อยู่ว่าเราหยุดบริกรรมมันก็หายไปได้ถ้ามันขายไปแล้วก็บริกรรมแล้วก็เดื่อมันกลับขึ้นมาใหม่ได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปดูมันก็ได้ถ้าใช้คําบริกรรมพูดทอลก็อยู่บอกั้นพูดทอลไปอย่างเดียวอะไรก็ได้ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนอ่ะดูลองแล้วมันมันก็ถับต่อได้ก็ก็ใช้ได้ ได้ครับเดี๋ยวจะต้องกลับไปฝึกต่อครับเวลาจิตมันแสดงอ า, าการอะไรก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจให้รู้นะว่ามันเป็นาอาการของจิต น, นะสองครั้งแล้วครับท่านอาจารย์นี้มันเกิดออาการนี้ขึ้นนะครับแล้วมันตกใจแล้วมันตื่นแล้ว ม, มันแบบว่าเปิดตาครับอย่าไปตกใจแต่ให้มีสติให้ให้รู้เฉยๆแล้มันจะได้เน้จนจิตจะได้สงบได้ เกิดไม่สงบเราไปตกใจมันก็เลยไม่สงบได้ครับต้องเฉยๆกันมันค่ะเฉยๆให้ดูให้ให้ดูลองตอบไปไม่พูดโต้ตอบไปได้ครับต้องกลับไปฝึกปฏิบัติครับอ่ะแล้วก็เรื่องของปฏิบัติมามันก็จะได้ประสบการณ์มันจะได้รู้ผิดรู้ถูกรู้ว่าทําอย่างไรถูกทําอย่างไรไม่ถูกครับท่านอาจารย์ แล้วก็เรื่องของการพิจารณากระดูกนะครับก็ได้ลองบ้างครับท่านอาจารย์แต่ส่วนใหญ่ะครับก็จะใช้เวลาที่มันมีการมตัญหาแต่ด้วยความที่ยังเด็กอยู่ะครับมันก็จะไม่ไม่มีเรื่องพวกนี้มาครับท่านอาจารย์มันก็เลยจะไม่ค่อยได้พิจารณาเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เน้นพวกพุทธานุสติอย่างเดียวครับท่านอาจารย์ mm hmm. อันนี้ได้อยู่ใช่ไหมครับหรือว่า mm hmm. ต้องวควบคู่กันไปด้วย ได้ทั้งนั้นน่ยจะเอาควบคู่ด้วยก็ได้หรือจะทุกขานสติไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเห็นความประหลุดด่นนั่นก็ดีเมันก็มันเป็นขั้นที่มันสูงกว่าขั้นปัญญาไปเลยครับได้ครับจะต้องลองปฏิบัติครับท่านอาจารย์วันนี้นะเวันนี้มีคําถามสองข้อครับท่านอาจารย์ แล้วก็คำถามข้อแรกคือผมได้ไปฟังที่หลวงปู่ชาสอนเรื่องแอปเปิลนะครับก็คือท่านสอนถึงเรื่องของว่ามีแอปเปิลอยู่ผล เ, เหมือนแบบว่าสองผลนะครับมีอันหนึ่งใหญ่อันหนึ่งเล็กแล้วก็ปกติอ่ะตัวเราอ่ะจะชอบเก็บอันใหญ่คืออยากให้อยากให้คนเพื่อนเราอ่ะอันใหญ่แต่ว่า กิเลสเรามันก็อยากเก็บอันใหญ่ไว้เองครับท่านอาจารย์ย้อนกลับมาดูตัวเราก็เราก็เป็นอย่างนั้นผมก็แบบอยากอยากจะให้คนก็อยากให้แต่ว่ามันก็ไม่รู้จะทําไงครับท่านอาจารย์ก็เลยเดี๋ยวนี้เวลาที่เ อ, อจะให้ของคนนะครับก็สุ่มใส่ในมือครับแล้วก็ให้เขาเลือกคือให้ได้โดยไม่แบบไม่สามารถให้ได้โดยแบบ เต็มใจให้อะฮะก็คือให้เขาสุ่มเลือกเลยอยากจะถามพระอาจารย์ว่ามันมีวิธีอะไรไหมครับที่เราจะสามารถให้ได้โดยที่ไม่ต้องแบบแบบมีแบบกิเลสอย า, ากได้อะครับท่านอาจารย์ก็ต้องฝืนใจนะครับ ม, มันได้ทําในสิ่งที่มันไม่ชอบทํามันไม่ชอบให้ของใหญ่ ม, มันไม่ชอบให้ของของที่ดีกว่าจะเก็บของที่ดีกว่าไว้ก็ต้องดันวิสัย ครต้องมาคับใจทุนใจมันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นโอเคครบ 1, ับท่านอาจารย์อีกคําถามหนึ่งซ้ำอันเดิมครับท่านอาจารย์วันนี้หมดคําถามแล้วครับกาขอบคุณท่านอาจารย์ครับทุกอย่างมันเราต้องฝืนนั่งสมาธิก็ต้องฝืนนักษาศีกก็ต้องฝืนทําบุญทำทานก็ต้องฝืนถ้าปล่อยให้ทำตามกิเลสกิเลสไม่จะชอบอา ของอยากเข้าตัวหรือเอาประโยชน์เข้าตัวแล้วแต่ประโยชน์ที่เราเข้ามาให้มันเป็นทุกข์ทั้นนะั้ให้มาว่ามันเป็นทุกข์ถ้าแอปเปิลูกใหญ่ก็ทุกข์มาทุกข์กกมากกว่าก็อปเปิลูกเล็กคิดอย่างนี้ได้ครับท่านอาจารย์จะลองไปพิจารณาดูครับถ้าเวลาคุณเสียของอะไรไปคุณก็จะคุณก็จะเสียใจถ้ามันของเล็กๆน้อๆคุณเสียไปคุณก็ หายไปคุณก็ไม่ไปทุกเท่าไหร่ถ้าเป็นของใหญ่ๆที่คนรักคุณชอบมันหายไปคุณก็ทุกามากงั้นเจ้าบอกให้หว่ามั น, ม, นมันของเป็นทุกข์ก็แล้วแต่ยิ่งของดียิ่งของที่เราชอบเนี่ยยิ่งที่มันยิ่งจะทำให้เราทุกแต่ของที่เราไม่ชอบนี่แหมมันเวลามันหายไปนี่เราไม่เดือดร้อ อาจารย์ได้ครับจะลองกลับไปพิจารณาดูครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ ค, รค่ะเชิญคุณวิลายพรยอมหญิงผู้ธรรมน์ตอนสายสองอกล่าวนรรมธิการพระอาจารย์เจ้าค่ะอะพระอาจารย์ขาต้องขอกล่าวอนุโมทนากับเอผู้ที่จัดตั้งที่พักที่เขาชีโอ้นะคะพระอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะเป็นธรรมชาติมากแล้วก็เวลายมไปยอมมีความรู้สึกว่าตัวเองเืินไปกับธรรมชาติเลยค่ะพระอาจารย์ อขอาจรยะขออนุญาตส่งอารมณ์ส่งอารมณ์กับพระอาจารย์ที่นี่ได้ไหมคะค่ะมันก็ยยยยอะสั้นๆก็ได้ yeah, yeah. คือโยมไม่รู้ว่าโยมทำผิดหรือเปล่าในขณะที่ช่วงช่วงเช้าโยมนั่งแล้วโยมก็ดูดูลมใช่ไ้มคะก็ช่วงเวลาแป๊บเดียวคะ่ะสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงโยมก็มีความรู้สึกว่า ตัวโยมอะคะ่ะค่อยๆเอน็นโยมอะจะเอ็ก็ปล่อยก็ปล่อยให้เอไปดูที่จะเอ็นไปแค่ไหนเาก็ค่อยๆเอน็นเอน็เอ น, เอนจนไปแบบถึงสุดที่สุดแล้วอะคะ่ะโยมก็ดูไปเรื่อยๆพอโยมดูสักพักหนึ่งโยมก็เห็นว่าใจโยมอะคะ่ะเต้นเป็นกองตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊แล้วก็ตาตาโยมอะคะ่ะมันจะเป็นเหมือนกับว่ามีแสงแสงฟ้า แ, ะะแลบอะหา้วตาก็สั่นทุปุ๊บก็รับอยู่กันนะคะโยมโยมก็มองมองอาการสภาวะที่เกิดตรง มองไปเรื่อยๆไม่ไม่ไม่ควรไม่ควรมองนะทกลับมาที่พุทโธแล้วกลับมาที่ลงอย่าไปสนใจคับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ค่ะยอมยมพลาดไปแล้วสักพักยมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราเองอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเมื่อยยมก็เลยลืมตาทุกอย่างก็เลยหมดเลยควาจานแล้วล้มเหลวไปใช่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมันจะรู้สึกยังไงให้อยู่ต่ำลงไปอย่าพุทโธไปคือเราพลาดตรงที่เราเราไปดูตัวเองเราไม่ได้ดูลมใช่ไหม ใช่ค่ะแล้วก็อีกสมาที่ยทดูลมอย่างเดียวก็มีทุกอ่างมันเถอค่ะเพราะอาจารย์พอรู้ว่าตัวเองปุ๊บความรู้สึกเราไปอยู่ที่ตัวค่อยๆเองค่อยๆดูตัวเองทั้งที่สติเราก็ยังมีอยู่แล้วก็อีกสภาวะหนึ่งค่ะตอนกลางคืนอะประมาณสักเอ่อห้าโมงนิดๆนต่นะค่ะพระอาจารย์จนยมก็ไปนั่งอยู่ข้างนอกใช้ใช้มงค์คอ่ะค่ะยมก็นั่งดูลมก็ดูลมไปสักพักหนึ่งโยมก็มีความรู้สึกว่าเอ่อมันมืดไปหมดแล้วโยมก็จับสภาวะได้ถึงแค่แค่แค่สองอย่างพระอาจารย์แค่ลมหายใจกับ การเต้นของหัวใจตอนแรกลมก็ยาวแล้วก็แ ล, วกแล้วก็ค่อยๆเบาหดสั้นหดสั้นมันจะสอดคล้องกับหัวใจของเราะค่ะพระอาจารย์มันก็จะค่อยเบาๆเบาๆเบๆบา ๆ, ๆ, ๆ, ๆจนมันหายไปเลยคะ่ะพระอาจารย์แล้วแบบพอมันหายไปโยมก็อยู่กับความหายแต่ตอนนั้นคือเมื่อปวดเลยนะคะแต่ในในตอนนั้นความรู้คือมีรู้แค่ลมกับรู้แค่การเต้นของหัวใจเราไม่มีความคิดอะไรอื่นเข้ามาเลยคะ่ะพระอาจารย์เราก็นิ่งอยู่สักพักหนึ่งแต่น่าจะเป็นกิเลสนะคะพระอาจารย์พอเรานี่งสักพักหนึ่งความคิดก็แทรกเข้ามาบอกว่า โอมันมืดแล้วนะ ม, น ม, นมันมันมันมืดแล้วนะแค่นั้นเองค่ะพระเจ้าเราก็ถอนขึ้นมาแล้วโยมก็เปิดมงูงครบแล้วชมว่าเข้าไปข้างในพอดูเวลาว่าประมาณทุ่มครึ่งเองค่ะอันนี้คือเราควรจะถ้าถ้าคิดว่ามืดแล้วนะเราเราเราต้องกลับมาที่พุโทโธอีกใช่ไหมคะเราอย่าใช่ต้องอย่างเวลานั่งอมาที่ให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวถ้าเราใช้พุโทโธ ถ้าเราใช้ลมก็ให้ลมไปอย่างอื่นไม่ต้องไปตามไม่ตม้องไปลมลมอย่างเดียวเลยค่ะพระาาอาจารย์แต่มันลมไปไม่ตม้องไปสนใจการเรื่องค่ะมันจะมีอยู่แค่สองสงภาวะที่เรารู้คือลมกับหัวใจแล้วมันก็สอดคล้องกันพระอาจารย์มันจากแรงก็ค่อยเบาแล้วหัวใจก็เบาตามตา ม, ตามลมแล้วทุกอย่างมันก็นิ่งสงบไปเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าผูโยมยังได้ยินเสียงจักรจันข้าง น, นอกจืดจดจืดอยู่ๆๆๆแต่ว่าข้างในเราเราสงบเราไม่มีความคิดอะไรแต่ไม่สนใจ เราก็ต้องนั่งต่อใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่คิดว่าอมึดแล้วแล้วก็ถอนออกมาเองใช่ไหมคะใช่เมื่อเราไปสนใจกับการเวลาแล้วรั่งสมาธิสนใจแต่ควาสมสงบฝนน้อยที่จะเกิดคือควาสมสงบเท่านั้นถ้ายัางไม่เกิดก็ให้ดูลงไปเรื่อยๆตอค่ะสงบ ม, มากครับแล้วแล้วก็โยมก็เดินจงกรมเยอะมากเดินจงกรมจนเท้าเท้าระบมเลยคะ่ะพระอาจารย์เพื่อเพื่อที่จะแยกรูปแยกนามแต่ก็ยังทําไม่ได้เพราะโยมยังยัง ยังทําไม่เป็นค่ะพ่อจันพยายามเลยพอยมอ่านสติปัฏฐานสี่อะค่ะจนจบเล่มแล้วยมก็เลยเขาบอกว่ารูปกระนาวยมก็พยายามจะให้เห็นรูปกระนามก็ไม่เห็นค่ะพะ่อจันเอายังเหรอมันยังไกลไหมตอนนี้ให้มีสติให้เห็นลมไปเรื่อยๆก่อ น, นค่ะพระอาจาย์อ่านจบเล่มเลยค่ะมันก็เลยทําให้เราเราพยายามเดินจงกรมจงกรมเดินเดิ น, นเดินเดินตลอดเป็นปหลนนักสุดทั้งหมดตอนนี้เราอยู่แค่ปีแรกเราเรียนจากทา่าน ขัแรกก่อนขั้นแรกก่อน ค, คือสติคบังคับจิตให้มันอยู่กับเรื่องเดียวไปก่อนอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องอื่นค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะกลับสาการกลับสาธุการขอบคุณพระอาจารย์มากมากค่ะโดปฏิบัติขอค่ะมป็นรอ้อยพิเชษเชนขอธรรมนองกลับรำพศการพระอาจารย์ครับวันนี้ก็ไม่มีคําถามครับเข้ามาร่วมฟังธรรมะพระอาจารย์ครับ สาธุเห็นไปที่ท่านต่อไปคุณนันทภัทรคุณนันทภัทจากบนหน้าชทานี้ค่ะครับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคําถามเข้ามาร่วมรับฟังและกล่าวพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคเห็นไปที่อาจารย์พพวิไลจากคอตมว์เป็ยังไงสบายดีนะครับพระอาจารย์สบายดีนะค ะ, ะกรรมนรมัสการค่ะ อยากเรียกว่าสุนทรภัจจานครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยววันเสาร์นี้จะไปตักบาตรค่ะอาจารย์ทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ค่ะอรับทุกท่านวันนี้ไม่ไปตีเก้ากันแล้วหรอไม่จะพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันนี้ดีจะงดค่ะทีนี้จะไปตักบาตรค่ะก็หวังว่าคงจะไปทันนะคะช่วงนี้ก็เร็วมากบตั้งแต่ตีห้าสิบห้าค่ะเพราะว่าจอกจากบ้านสัก เอก่อนตีห้าสีสี่สุบสี่สห้าน่าจะทันครับสี่สี่สห้าไม่ทนันนะช่วโมงมาถึงใ น, นจังเท็นก็น่าจะถึงประมาณหกโมงสิบห้าค <5. S 2> ่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงวันสามไปด้เสร็จก็เกือบเจ็ดมเกอจะเสร็จมิดบาร์กำลันใายตอนปลายแถวห้งสามแยกไปแดงห้ง คงไปใส่ตรงที่เดิมนะคะแต่จะซิ่งไปค่ะเดี <c oughs> <ต>๋ยวคนนี้ขับไปค่ะวนี้ลำ <c oughs> ากเพราะเขาทำถนอนอย่งว่าาเปิดแอวิ่งได้เลเดียวช่องทางไป่ อ, อมันจะติดช่วงนั้นใช่ไหช่ว ง, ง, งอนอกจากทางเดินน้องขับบนทางเดินมาลงที่โชียนมารีน่าถค่ะไม่เป็นไรคะ่ะคุจะไปเร็วอีกนิดหนึ่งค่ะค่ะเดีเวลาไม่ดีจะได้ไม่ต้องรีบร้อน ออกเร็วหน่อยค่ะตื่นตื่นเร็วอีกนิดออกเร็วอีกหน่อยระดับสบายสบายรดับไม่แบบเครียดไม่เครียดผู้ขับ okay ผู <s <S ้ขับไม่ค่อยเครียดสิ่งอย่างเดียวผมผมตีสีก็ตื่นแล้วนะทุกวันตีสี่โอเคครับน้องมาสกาค่ะทูตนะคุณออมคุณออมคุณออมออมออมน้ามาการ์ค่ะบอลอินทูเบรี ค่ะไม่มีคำถามค่ะไปได้ไปอยู่หรืยังผู้มีค่ะพานี่แหละดีได้เป็นพิสูจว่ายังกลัวอยู่หรือเปล่านะค่ะค่ะโอเคอยู่ทำงานต่อเอ๊ะก่ศึกษามานาล้หรือไม่ได้สังเกต ก้นศีรษะมาโดยตลอดเจ้าคะ่ะ oh. <Okay. S 2> อยู่ที่ว่ามันจะยาวช่วงไหนแล้วก็เอ mm hmm. ใกล้วันพระช่วงไหนเราใกล้ z o o หรือเปล่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่แต่กวนเองเจ้าค่ะอ่ดีครับเอได้ ด, ด, ดีจะได้ไม่ไปอาศัยคนอื่นแล้วคะ่ะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าคะ่ะเข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าคะ่ะสาธุมดเอกจักรเชียงร กับนักศกษาพระอาจารย์ครับมามามีอะไรก็ก <aries> <àn> ับเรียนพระอาจารย์ในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาผมได้เปฏิบัติบูชาโดยการถือเนสันชิกครับอาจารย์นอนทั้งคืนเลยนะครับไปนอนทั้งคืนครับก็หลังจากปฏิบัติมาก็รู้สึกว่านั่งสมาธิจะเข้าง่ายประเดิมอีกครับอาจารย์ ก็รู้สึกดีครับเนจะทําบ่อยๆก็ผมกทุก้ันพ้าไว้้เอาทุกวันพระไว้นหมครับผมผมก็ตั้งเป้าไว้ทุกวันพระครับอาจารย์มันต้องต้องมีลายโดหัวมันจะมันจะก้าวหน้าเราปฏิบัติก็สบายสบายมันก็ไม่ก้าวหน้าครับผมผมก็วางแผนไว้ทุกวันพระอ่ะครับก็เราดูถ้าเกิด ถ้าเกิดว่ามีพลังเยอะขึ้นก็อาจจะเป็นสงวันนะครับเราต้องพยายามผลักดันตัวเองดนการปฏิบัติให้มันมากขึ้นให้มันยากขึ้นครับผมครับเพราะว่าช่วงเช้าก็ตื่นอยู่แล้วตีสามเพ่งก็ตื่นขึ้นมาก็ปฏิบัติจนถึงกโมงเยอะนะครับก็ปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์ไม่ได้ขาดนะครับครับ รู้สึกจิต ใ, ใจดีขึ้นไหมข้าวหนานขึ้นไหมก็ทางด้านใจิตใจก็ก็รู้สึกว่ามีแบบว่ามันก็เบาลงนะครับอาจารย์หมายถึงว่าเวลามีความโมโห ม, มีอะไรขึ้นมาแล้วจะรู้ตัวรู้ตัวเร็วเร็วขึ้นนะครับพอาจารย์บางทีอารมณ์ดีขึ้นครับพาทีาาามีสิ่งมากระทบที่แบบว่ามันโดนใจก็ก็จะลึกถึงคำผงพระอาจารย์นะครับ ก็พูดโทรไปฮะไม่งั้นก็สวดมนต์มาเลยฮะอแต่ก็สวดมหาจักระพัดไปเลยก็ไปเลยนะโมพุทธายะไเลยคุมไว้คุมไว้อย่าปล่อยให้มันครับก็ตัดมันไปเลยอ่าดีถูกต้องมรับทางไม่รู้จะใช้อะไรก็ใช้พูดโทรใช้การสวดมนต์ไปก็ได้ครับท่านันเียจิตก็กลับ่าสุขครับท่าน่อครับผมเพราะว่าทุกวันก็ก็จะฝึกสติไป ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ทําสมาธิก็จะถูกสติแปครับก็ระลึกอยู่เสมอว่าเอ่อตอนเราทําอะไรก็มันคือการปฏิบัติธรรมครับ<ไ>กทุกทุกอย่างนะฮะถ้ามีสติมีเทว่าเป็นการปฏิบัติธรรมตลอดนะทำอ<ร>ะไรก็มีสติครับแต่ถื อ, น, อน้ำกินข้าวน้าน้ำประธานอาหารแต่งเมื่อแต่งตัวทับรถทับ ทำงานทำนั้นเป็นเป็นการปฏิบัติทั้งนั้นถ้ า, ถ า, ถาปิถ้ามีสติทำกลับใจครับผมเพราะว่าเหมือนเหมือนกับตอนอาบน้ําเนี่ยมันมันจะเป็นอโตโมัติเลยถ้ามือถือขันก็มันก็จะจะสวดมนต์ไปเลยคนระับอาจารยา์อย่าอย่าปล่อยให้มันหลงไปเลยอย่าปล่อยให้จิตมันหนีไปที่ให้มันอยู่กับการอาบน้ำอย่างเดียวครับเวลาแปรงฟันก็มันก็สวดสวดนต์ไปเลยอย่าเงี้ยครับอาจารย์ครับ ก็ป <g> ฏิบัติอยู่คนะรับอาจารย์เพราะ <c oughs> ในใจครับผมเพราะในใจลึกๆมันมันจะมันจะมีแบบว่ามันจะย้อนออกมาถามในใจอยู่เสมอว่าเออเราเออนอนมากี่พวกี่ชาติแล้วตายมากี่พวกี่ชาติแล้วมันจะสนใจเราตลอดว่าพอายามทำอย่าเงี้ยแล้วมันจะนอนไปอีกกี่พวกี่ชาติมันจะเติมไม่กลับมานอนองเงี้ยมันจะมีในใจอยู่ตลอดครับอาจารย์ต้องนึกถึงภาพว่าว่า เรากำลังเรียนร่ายตายเกิดนี่ประมาณการปฏิบัตินี่เพื่อตัดการเรียนรายตายเกิดเราที่เกลียดเราก็จะติดอยู่ในการเรียนรายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีสํปดาห์ก่อนเราเห็นมีมีท่านหนึ่งที่ที่พูดว่าเออได้ได้ดูภาพอสุภกรรมฐานใ น, ในเว็บอ่ะพอดีผมก็เซิร์ชเข้าไปดูใน Google นะก็เห็นภาพ ภาพอสุภะภาพศพภา พ, ภาพอะไรก็ดูก็ธรรมดาอาจารย์มันก็ไม่ไม่กลัวไม่อะไรไม่สันไม่อะไรอาจารย์ก็คือก็เฉยเฉยฮะดูคนที่ก็เปลีคิดย้อนเข้ามาเหมือนกับเอ่อย้อนเข้ามาดูตัวโอปาร์นโก้ปะที่มาดูแบบเราก็เหมือนกั น, กนหัวกระโหลกไส้ปงอะไรพวกเนี้ค ร, รับอาจารย์ดูทั้งเราดูทั้งคนอื่นโดยเฉพาะเพศ ต, ต, ตรงข้ามหรือเวลาเราเกิด อารมณ์ขึ้นมาเจะได้นะครับมหนได้ครับผมก็ก็เคยเคยทดลองอยู่เหมือนกันครับเวลานอนกับแฟนเวลานอนก็เออเวลามีก็ก็คิดถึงภาพอสุภะมันมันก็ลงเลยนะครับอาจารย์แล้วก็เฉยไปเลยครับอาจารย์ก็แปลว่าเออนิ่งนิ่งเลยมองเพราคงกระดูกมันก็แค่ผิวหนังแค่อะไรนี้มีอะไรดังฮุ้มังฮ้มมันดีดีดังเลือดดังเลําดฮุ้มกระดูกผ่าฮุ้มผ่ากระดูกไว้ มันก็คิดว่าก็บางทีมันก็แบบยังไงครับมันก็ไม่มีอะไรสวยงามร่างการไม่มีอะไรสวยงามบางทีก็ต้องทําแบบหรือที่ที่ที่ท่านเรียกว่าเอ่อหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อหน้าที่อะไรประมาณนี้ก็ทําทําไปอย่างเงี้ยนะครับหน้าหน้าที่แบบหน้าหน้าที่แบบนี้ไม่ควรจะทําถ้าเลิกได้ควรจะเลิกหน้าหน้าที่แบบนี้มันทําให้เราติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิด ครับใช่ครับครับก็ก็ก็เ mm ดี hmm. ๋ยวก็ผมว่าก็เหมือนพระอาจารย์ที่ให้ให้ให้รดแแบบไว้ครับก็ดูเป็นสั้นเป็นสั้นไปถ้าเกิดเอ่อถ้าถึงสั้นที่ต้องลาว่าก็คงก็คงต้องตามที่ต้องลาคร่อาจารย์ใเวลามันเอ่อมันกต้องตัดเองนะมันอยู่ด้วยกันไปตลอดไม่ได้ครับผมเพราะว่าก็ตอนนี้ก็ ทำหน้าที่ตรงนี้ไปก่อนครับรถไม่ถึงเวลาทํานียไม่ถึงเวลาแต่ก็เติมตัวไว้ก่อนครับผมครับผมครับก็กลับขอบคุณพระอาจารย์นะครับที่ได้ชี้แนะและให้คำแนะนําที่ตลอดนะครับคงคงหาไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าจะมีพระอาจารย์ที่มาเล่าคุยแล้วก็สอบอารมณ์ของลูกศิษย์ลูกหายเนี่ยครับต้องกลับขอบอกวคุณพระอาจารย์เป็นอยสูงนะครับและสุดท้ายก็ขอถ้าขันพระอาจารย์แข็งแรงนะครับครับผม คุณ ป, ประวิทย์จาจากดลัสเท็กซัสอเป็นยังไงหายหน้าคอนที่เข้ามาแลก็หายไปอทิ้งที่ได้อ๋อพอดีต้องออกวัชุรา ค, ครับพอาจารย์ก็วันนี้ก็ที่แรกจะมาเข้าฟังก็พอดีก่อนที่จะเปิดพอาจารย์ก็เอาอาหารไปให้นกแล้วก็ทำโทษไว้แล้วโทษมันก็ดับแล้วก็กด ยังไงมันก็ไม่เกิดไม่ค้างเอเราก็บอกเอ๊ะทำไมมันเรามันทุสเราก็ยังอุ่นๆอยู่ก็นึกถึงว่าเออมันตายนะก็ไปเช็คไฟไฟมันก็สวิตไฟมันก็ดับแล้วพอเปิดสวิตไฟเสร็จแล้วโทษมันก็ยังตายอยู่อ๋อนี่ไงมันตายได้ทุกเวลามันก็เลยมันนึกถึงว่าเออชีวิตเราก็เหมือนกันนะกำลังทําอยู่ดีๆมันก็ดับบูปไปเลยอย่าเงี้ยมันก็เหมือนเราว่าเราตายได้ทุกเวลาเราไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะ ตอรองไม่มีต่อรองเลยนะมันดับได้แบบปุบไปเลยนะขณะที่โทษผมก็ยังไม่สุขพอก็บอกเออนี่ไงชีวิตเราก็เหมือนกันมันนึกได้ตอนนี้บอกก็ยังบอกปัญาว่าโอ้มันมันดับไปแล้วมันถึงเวลาของมันก็มันก็นึกถึงเราว่าเออเราไปได้ทุกเวลาเช่นเดียวกันนะมันมันมันมันภูมิใจในตัวเองตรงนี้ครับว่าเออนะชีวิตคนเราก็ง่ายเหมือนกับไอ้โทษอันนี้ นี่นั่ะถ้ากล้าคิดอย่างนี้ได้มันจะทําให้เรามีมรณานัสติอยู่เรื่อยๆคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆมันมันนเห็นเลยว่าเราเราก็เหมือนกันกไอ้โทษตัวเนี้นะมันได้ทุกเวลาทุกนาทีเลยหรือเห็นรายตายก็เหมือนกันย้อนเข้ามาที่ตัวเราทันทีอืเห็นหมาตายเห็นคนตายเห็นอะไรตายก็ย้อนเข้ามา อืมในตอนไปเขาจะมีข่าวเพื่อมันนั้นตายเพื่อนคนนตายมันมันเข้ามาหาตัวเองว่าเออเนี่มันมันมันมาเปนอย่างนี้เองมาเป็อยงี้ตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กตอนที่อายุสักสิบสองขวบมีเพื่อนหนึ่มันเป็นจมน้ําตายแล้วไปดูศพเขาในในโบสที่ทําพิธีเพแล้วเราก็เชื่อว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขา ออกไปปุญ่าตายายพี่ตาหน้าอาเป็นฝ่กันหมดก็ก็รับฟังพระอาจารย์มาแล้วก็พอเปิดฟังก็ได้บุญมาตั้งแต่เช้าแล้วครับเวก็พอเราทําสมาธิตั้งาตีห้าห้าหทุกครั้งก็มันก็ทุกตีห้าห้าแล้วก็ตื่นมาทําปฏิบัติทำไหว้พระแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเสร็จก็นึกถึงพระอาจารย์ออืมาฟังพระอาจารย์รับฟังทุกจาก คนทั่วโลกแล้วก็มีธาตุขันที่ทนเพราะว่าก็ได้อยู่กับพระอาจารย์หลวงพ่อหลายๆองค์มาก็เห็นความเมตตาของท่านรับฟังแล้วก็ช่วยเหลือมนุษย์โลกก็เหมือนพระอาจารย์ทุกๆอย่างครับคือการรับฟังก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมต้องศึกษาจากพระอาจารย์เพราะว่าความอดทนในที่จะ รับฟังความทุกข์ของคนอื่นแล้วก็ช่วยแก้ไขนะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องปฏิบัติให้ดีขึ้นครับนะพยายามคิดอยู่ บ, บ่อยๆนะเวลาน้อยนลงไปเรื่อยๆนะอย่าชราลใจนีบทำเสียนะมันจะมันมือนเคื่องโทษมันจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้นะจริงครับผม ข, ขอบคุณค ร, รับพระอาจารย์อาจารย์สายทิพต่อ ยังอยู่ขอนแก่นใชด้วยกลับไปซาลังงานกลับนวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้อยู่ขอนแก่นค่ะมีอะไรไหมวันนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ก็เหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์วัน ร, รังคารก็งดทานทานอาหารค่ะแล้วก็วันอื่นนี้ทานมื้อเดียวค่ะพระอาจารย์ เ, นะเพิ่มเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็พอผมว่าวันวันจันทร์ ทานมือเดียววันอังคารองดไปทั้งวันใช่ไหมคะกลางคืนมันหิวหิวนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอพอเรานอนปกติหนูจะนอนไม่ค่อยดึกมากทีนี้นอนห้าทุ่มปรากฏว่าตื่นตีสี่ก็สดชื่นค่ะก็เออมั น, ม, นมันตื่นเพราะว่าหิวด้วยมั้งคพระอาจารย์แล้วก็พื้นมันแข็งค่ะแล้วก็ในระหว่างค่ะระหว่างวันนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์แล้วก็เดินทงกลมมันจะหมดแรงตอนประมาณหกโมงเย็นค่ะพระอาจารย์เหมือนว่าแบบ มันไม่อยากจะจะนั่งต่อแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากจะเดินต่อก็เลยเป็นอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็ฟังธรรมเอาค่ะไม่ก็เลยคิดในใจว่าเอ๊ะปกติถ้าถ้าปฏิบัติมันน่าจะได้พลังหรือเปล่าคะพระอาจารย์แต่ทําไมหกโมงเราไม่เอาแล้วมันก็หมดแรงนั่งเหมือนกันก็เลยเอ๊ะหรือว่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะบบหกหกโมงเราไม่เอาแล้วไม่นั่งต่อแล้วมันก็ไปทําอย่างอื่นหาวิธีก็คือ ฟังธรรมหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะอะไรเงี้ยค่ะในช่วง น, นี้เราตอนเรายังยังไม่ไม่มากพอที่จะปฏิบัติต่อไปได้ไมันก็เลยอยากจะพักถอยนั่นไม่เป็นไรแ ต, ต่ถ้าใครเราไม่ไปดูหนังฟังเพลงเรื่องอะไรน้องๆนะมาฟังเทศฟังธรรมต่อก็ไม่เสียหาย <c oughs> ตรงนี้จะฟังทำเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ไปดูพวกไ อ, อ้เรื่องอ่าของกรรมราคะว่าจะแก้ไข ย, ยังไงอะไรยังไงเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วเวลาเดินตรงกลมก็พยายามมองให้ตัวเองเดินเห็นเป็นกระดูกเดินคงกระดูกเดินค่ะพร ะ, าะอาจารย์แล้วก็แล้วก็ถ้าจะเห็นชัดๆก็คือตั้งแต่กระดูกอา่าตรงแถวสะโพกลงไปถึงฝาเท้าค่ะแล้วก็เวลาที่เหยียบพื้นก็ให้เห็นเป็นเหมือนกระดูกแปะไปที่พื้น ค่ะอาจารย์ก kind of ็ก็ทําทําได้แต่ว่า um, ก็ไม่ค่อยอแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็ก็มันไม่ค่อยไม่ค่อยคงอยู่กับการมองเห็นกระดูกเท่าไหร่ค่ะอาจารย์แล้วก็ถ้าเป็นคนกเลไม่ชอบมันเด้งเราไปแค่ะดูเราจะไม่อินกับกระดูกทีนี้อ uh, ่พอคิดถึงคนอื่นแล้วก็พยายามคิดเป็นโครงกระดูกก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ไม่ค่อย no ไม่ค่อยรู้สึกกลังเกียจอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเอาใหม่มาคิดเป็นเริ่มมองตั้งแต่หัวหรือผมลงมาแล้วก็ให้เห็นเป็นรังแคอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มองเห็นตาให้เป็นลูกตากลมๆแล้วก็มีเลือดมีขี้ตามีขี้มูกขี้หูขี้ฟันอะไรเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบอันนี้ก็จ ะ, ะก็จะคิดถึงที่แบบมันดูแล้วเหมือ น, มนไม่สวยไม่งามอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ แล้วก็ถ้าเป็นอมองไปกระดูกไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยรังเกียจแต่ว่าเราจะมองเห็นแต่แลแรกพยายามมองเห็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อสีแดงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แลก็ยังก็คิดถึงตอนถ้าเราซื้อเนื้อหมูาทําอาหารแล้วก็ไม่รังเกียจก็เลยเอาใหม่คิดถึงเนื้อที่เขาแขวนไว้ค่ะพระอาจารย์เป็นแบบขาวัวที่แบบเขาขายแล้วเรารู้สึกว่ามันมันน่ากลัวมันแบบมันมันมันไม่สวยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็มองคนเป็นแบบนั้นค่ะพระอาจารย์ก็มองลไส้มองลําไส้พวกนันอาจารอ่าจะมองเป็นลำไส้ใช่ได้มองลาไส้กลเป็นไส้กรอบไปอลําไส้ลำไส้เราก็ด้วยความที่เราเรียนมาทางทางด้านเป็นเพสก็เราจเฉยๆค่ะพระอาจารย์อาจจะต้องมองไม่เห็นเป็น อุจจระหรืออะไรที่หรือให้มันมีกลิ่นอะไรเนี้ยค่ะอันนั้นน่าจะน่าจะรังน่าจะลังเกียจค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ก็ถือว่ามีการวิภากษ์มีการค่ะค่อยค่อยอันไรมองแล้วดึงมาเอาไส้เราก็เออไส้มันก็เป็นเหมือนที่เรียนมาก็ไม่ลังเกียจก็เลยต้องหาอะไรที่แบบที่มันน่าเกลียดที่เราที่มันน่าเกลียดค่ะกลิ่นเหม็นอะไรอะไรนี้ค่ะ แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ที่เพอรเอร์ฟังฟังธรรมะพอดีของครูบาอาจารย์ค่ะก็คือเราคิดถึงว่าเวลาที่คนกินอาหาร <c oughs> เคี้ยวเข้าไปก่อนแล้วก็ลองคายออกมาจะกล้ากืนเข้าไปใหม่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเราลองคิดถึงแบบถ้าเป็นอ่าแล้วถ้าเป็นคนเอ่อที่เราตัวคนที่เราจะชอบอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มองให้เห็นไล่ให้เป็นความแก่แล้วก็เป็นเหมือนแบบคนตายอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอย่างหนูเคย เคยอาบน้ําตบอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่นะที่เคยเสียก็จะเป็นซีดๆแล้วก็พยายามคิดอย่างนั้นคะ่ะก็เลยพยายามให้เห็นเขาแก่แล้วก็นอนติดเตียงเห็นความทุกข์ทรมานว่าเอ้ยถ้าสมมติถ้าเรามีคู่จริงเราต้องมาดูแลกันแก่ดูแลแกละะ่อะไรเงี้ยค่ะมันคงจะมันคงจะคงจะเป็นภาระซึ่งกันและกันเนาะ ง, งั้นเราก็อยู่คนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ดีแล้วแหละเก่งมากนักพิจารณาเรื่องราวเ่านี้ได้ก็ถือว่ า, า, าโอเค ค่ะส่วนนั่งสมาธิมีนั่งสองสองที่ค่ะพระอาจารย์นั่งบนโซฟาแล้วก็นั่งที่พื้นถ้านั่งโซฟาจะได้สมาธิแต่ว่าน่าจะลงไม่ไม่ถึงกับลึกมากค่ะพระอาจารย์แค่พุดโธหายไปแต่ว่าอยู่กับมันได้เป็นชั่วโมงค่ะมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นไปได้เรื่อยๆแต่ว่าไ ม, ไม่ไม่ไม่ลงลึกมาก ค, ะ ค, ะคะ<ม>่ะพระอาจารย์ส่วนถ้านั่งพื้นจะได้เวทนาคะ<ม>่ะก็ก็ก็ยังก<ด>็เจ็จอยูญญ่มากพระอาจารย์ ค่ะก็ดังนั้นรูปแบบแล้วเปรียบเทียบกันใช่ไห้ค่ะถ้าถ้านั่งพืนจะได้เวทนาว่าเราจะสู้กับเวทนาค่ะพระอาจารย์แต่ท่านต้องต้องการลองผิดลองถูกอยู่นะค่ะพระอาจารย์แต่จริงๆเราก็ต้องเอาทั้งสองแบบใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็เปรียบเทียบดู ว, ว่าไหนมันได้ประโยชน์มากกว่าค่ะกันถ้า ถ้าเวทนาก็อาจจะน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่าถ้าต่อไปเราจะต้องเจ็บไขยได้ป่วยให้เราได้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องเราจะได้อยู่กับอาการเจ็บไายได้ป่วยได้อย่างสบายถ้าเราไม่ซ้อมหรือว่าฝึกซ้อมไม่ก่อนเราจะอยู่กับทุกข์ทรมใช่ค่ะโซฟาน่าจะเป็นกิเลสมาล่อให้หนีให้หนีจากการเจ็บอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปโซฟาบ่อยๆมานั่งพื้นน้อยๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะสู้เวทนาไหมท่นท่านอารคะทีนี้ท่านนั่งแล้วค่ะข า, ขามันชาจนแบบ พอพอเราเลิกนั่งขามันเราไม่สามารถใช้สมองสั่งให้มันกลับขึ้นมาได้ค่ะพ่อามันแบบมันแบบเป็นนี้ไปเลยพักใหญ่เลยค่ะพ่อตาราพอถึงจะค่อยๆมาแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะถ้าเป็นก็ะั้นานึ่งันได้อ่ะาคือมันชาจนจแบบเป็นนี้ได้ค่ะแบบว่าเอาเอากระดกขึ้นมาซิแบบมันจะยังค่ะมันเหมือนเลือดจะต้องค่อยๆมาค่อยๆมาที แล้วเราให้มันหลายเวรเป็นปกติไม่ค่อยขยับมันก็ขึ้นอยู่ว่านั่งสงบแล้วไม่สงบก็ได้นะถ้าสงบนี่เวลาออกมานี่มันจะไม่รู้สึกอะไรร่างกายมันก็ไม่ไม่ชาไม่เจ็บเลยลุกขึ้นได้แต่ถ้านั่งแบบไม่สงบเนี่ยบางทีมันมันจะรู้สึกว่ามันชามันแข็งต้องรอให้มันคลายก็ได้ทั้งนั้นไมนเรื่องของร่างกายไม่ต้องไปกังวล ดอตามความเป็นจริงถ้ายัางขยับไม่ได้่าขยับทุกบิดร้องตลอดเลครับนี่ภาพหายไปไหนแล้วหลุดไปแล้วหลุดหลุดหลแล้วครับอาจารย์โอเคเนื่ไปที่ท่านต่อไปคุณหมอสุทธันเสนงแพทย์ทุมการศัตวแพทย์ธรรมศารท่า น, น, น, าาาานอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกมีคําถามเจ้าค่ะอ่า เมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าเช่นมีคนทําให้เราโกรธเจ้าค่ ะ, ะเรามีสติรู้ทันอารมณ์ความโกรธแล้วลูกก็จะใช้อแล้วแต่เหตุการณ์เจ้าค่ ะ, ะใช้เมตตาสามารถที่จะดับความโกรธได้ในบางครั้งเจ้าค่ะอย่างนี้จะถือเป็นภาวนามาย์ปัญญาไหมเจ้าค ะ, ะบางครั้งก็จะใช้เจ้าค่ะก็อย่าไปนสนใจว่าชื่ออะไรขอให้มันสนใจว่าเป็นวิธีไหนที่เราดับความโกรธได้ก็ใช่ไป ตัวชื่อมันไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่ามันเป็นประโยชน์เรามาใช้ทําให้เรากำจัดกิเลสคือความโกรธได้หรือเปั่าเาะาเมันมันก็ยังไม่ใช่เป็นปัญญาอย่างเต็มที่มันเป็นเมตตาถ้าเป็นปัญญามันต้องบอกว่าเอากโกรธของเราเกิดจากความอยากของเราเราไปอยากให้เขาทำรู่นทํานี่ให้เราพอเขาไม่ทําให้เราเราก็เลยโกรธทำอันนี้น่าจะน่าจะเป็น ภาวนาไมยะปัญญามันก็มีสาวิธีละภากรใช้พุทโธพุทโธใช้สตินะครับหรือใช้ความเมตตาให้อภัยเขาไปยกทั่วอะไรเข้าไปหรือใช้ปัญญาว่าเนี่ยพอเราไประห ย, ยัดให้เขาทํำนี้ทำนี้พอเขาไม่ทําเราก็เลยโกรธเขาตอบแล้ก็อยากไประหยัดเลยใช่ไหมไหวก็ตามเรื่องต้องเาอยากจะทําอะไรอยากจะเป็นอะไรก็เรื่องของเราไปเราก็จะไม่มีมันโกรธอันนี้จะเป็นภาวนาไมยะปัญญาอย่างแท้จริง เจ้าค่ะมันจะฝึกเอาไปใช้เจ้าค่ะอาจารย์ดีบงังแล้นรู้สึก ด, ดีใจที่ทุกคนเริ่มก้าวหน้ารู้จักใช้ทำมาให้เป็นประโยชน์กับจิตใจมากขึ้นเกิดขึ้นวันนี้เราได้ใช้วันนี้เลยเจ้าค่ะอ่ดาดีพอระวังอารมณ์ได้มันก็สบายเลยเจ้าค่ะใช้อัไหนก็ได้บางทีมันมันไม่ได้ไปของตายตัวบางที<า>ไม่ตายไม่ออกก็พูดทอพูดทอไปก็ได้ให้เกรดเบรขาให้วางเฉยไปก็ได้ค่ะ ได้ประโยชน์มากเลยเจ้าค่ะเอาไปใช้ชีวิตประจาวันได้จริงค่ะแต่ต้องพยายามฝึก้วยเรื่อยๆปฏิบัติอย่เรื่อยๆแล้วค่ะลูกจะพยายามละทุกวันนะคะเมื่อไหร่ที่เกิดความโกรธก็จะพยายามหาหาสาเหตุแล้วก็จะพยายามดับมันให้ได้เจ้าค่ะโอเคหมดคาถามเจ้าค่ะบ่ายเป็นไปด้คุณหมอท่านหมอาทวิบายงานเพิ่งกลับมาจากทำงานเอครับครับผม ทำเด็ดไงเน้นทำมือททั้วันเลยก็ช่วงชวงนี้ปรดีช่วงก่อนหน้าไปไปรับลูกที่ตคตากลับมางานจะเยอะนิดนึงครับก็ลเลยก็เลยมาเข้าฟังทำช่วงก่อนหน้าเขาไปอ่านทางยูทูครับวันนี้เลยเนื้อาจได้เข้ามาฟังครับมีอะไรไหยผมไม่มีคําถามครับก็พยายามปฏิบัติอยู่ครับแล้วก็ยังยังขาดอ่า ทางรู้สึกมันจะไม่ผิดทางก็เลยทําก็เลยยังไม่ใช่การม้ำก็อยู่ก็อยู่แถวๆนี้มันะคิดว่าสวเวทนาที่มันผ่ า, านไปก็นนะควก็คงใจว็คงความคิดให้มันอยู่อยู่ภายใต้การควบคุมองเราได้ได้มาพเพราะที่เห็นฟังที่ท่านอที่ท่านเอกถามที่ท่านคุยกับท่านจอว่าําถ้ามีามสติอยู่ก็เหมือนปฏิบัติทำตลอดใช่ไหมครับอใช่ครับิดว่าต้องงานมัน พอตอนทํางานมันก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติได้เยอะๆเหมือนกันอีกนได้มีสติใน ก, การทำงานไปนะครับมนะเราให้คิดให้น้อยให้คิดท่าที่ยจกเป็นคิดเกี่ยคิดเกี่ยวว่าเรื่องงานอย่างเดียวครับนะอย่างนั้นครับน่าจะไม่นะน่าจะได้มาถ้ายังอยู่ในการทํางานแล้วก็ใช้ความคิดแต่ให้มันคิดอยู่กับเรื่องงานอย่างเดียวอยคิดเรื่องอื่นคันอันนั้นอันนั้นถ้าทาอย่างนั้นทําได้ ไปอย่างวันก่อนผมก็เหมือนกับไอยูเวนแล้วก็อดนอนแต่ก็มาใช้สมาธิในการพักอะไรนอนแต่กลางคืนนอนไปชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยท่าอกก็เลยมาว่างอยู่ครึ่งชั่วโมงก็นั่งสมาธิไอครับมันก็มันจะออกมามันก็สดชื่นดีครับมาทํางานต่ออะไรกลางวันนั่งสมาธิดีกว่า น, นอนเพราะเวลานอนางทีจิตมันยังไม่ได้พักก็มีมันก็ยังคิดต่อแต่วันนั่งสมาธิ น, นี่จิตมันได้พักด้วย ใช่ครับกรณีทำมาเรื่อยๆนะหมอนะครับคบขอบพระคุณครับที่คุณยินดีอยู่ USA, South Carolina นาเป็นยังไงเดวิดสบายดีเดวิดส่งความคิดถึงมาให้ใช่มั้ยค่ะเหมือนเดิมค่ะและก็สุขภาพแข็งแรงค่ะเขาบอกก่อนไปอะครับเป็นมาสตารประหลาดเสกับอลสองที่กับอาจารย์นะค่ะท่านอาจารย์ แล้วทํางนานนี่เขามีวัน ห, หยุดหไหไมเจ็ดเสาร์อาทิตย์จะหยุดวันไหนนั้นไม่แน่เจ็ดสาร์อาทิตย์ค่ะท่านอาจารย์ค่ะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตอนนี้ก็กําลังก็เรื่องย้ายงานก็ตกลงก็ไม่ได้ไปที่ประเทศอื่นก็อยู่ก็คงจะอยู่ที่เดิมไม่ที่เดิมค่ะย้ายรัดค่ะยไปทางไหนไปทาง California แคลิฟอร์เนียหรือไปทาไหนไปทาง ยังยังไม่แน่นอนคะ่ะว่าจะจะจะตั้งอยู่ที่ไหนเพราะว่าเออบริษัทเขาบริษัทของมิชลินนะคะเขาซื้อต่ะคะอค่ะเขาซื้อบริษัทเอ่อเอ่อเกี่ยวกับเรื่องไ อ, อ้มันมันมั น, ม, นมันตัวที่ทําแคตเตอร์ที่มันเป็นแพดเดิลอะค่ะเขาก็เลยซื้อต่อแล้วเขาก็เลยจะไปจุดนี้ค่ะถ้าจะก็เลยย้ายอีกหลายเดือนนี้มันขยันย้าย ก็ตอนนี้กําลังที่นี่อยู่อ่ะคะ่ะท่านอาจารย์คือขอวีซ่าที่กําลังขอวีซ่าเข้าเ อ, อ่อขอวีซ่าอเมริกาะคะ่ะที่จะทําเรื่องอยู่ต่อ<ม>แต่คือจะต้องกลับไปทาที่ อ, อ่อกลับที่ที่ฝรั่งเศสคะ่ะ<ม>ทําที่นี่ไม่ได้อะคะ่ะ<ม>ก็ตอนนี้กําลังเ อ, อ่อออนไลน์ก็รอคิวอยู่ะคะ่ะคิวยังไม่คิวยังไม่มาก็คิวยังทำมาเจ็ดวันแล้วค่ะยังออนไลน์ไม่ได้เลยใจเย็นๆ ค่ะท่านอาจารย์ก็เนี่ยค่ะทุกอย่างสถานการณ์ตอนนี้เป็นเวลาอันไหนต้องรอก็ต้องรอไปอันไหนทําได้ก็ทําไปค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็ตอนนี้เป็นช่วงเนี้ยเป็นอย่างเนี้ย <Okay. S 2> ลูกก็ปฏิบัติเรื่อยๆค่ะก็ที่เคยรายงานท่านอ <Yeah. S 2> าจารย์ค่ะ <Yeah. S 2> ขอบพระคุณ่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะสาธุแอมมี่น้องเอ็มกับน้องโอมอยู่ไหม ไปนอน้เหร อ, อกลับมาแล้ว ก, ลกดอันนี้หรอไอครับพระอาจารย์อ่าเป็นไง<ค>บ้างมีคถามครับมีคถามหรอไม่มีครับเอไม่มีคำถามแล้หนูทกนาการบ้านเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเป็นเด็กดีนะเีนยนหนังสือเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่จีิงใ ครับนะขอบคุณครับโอเคไม่มีอะไรก็มาทักทายกันแค่นี้ใช่ไหมขอใหู้ม้นิคาสุขมากนะขอบคุณครับโอเคเอาเที่ยงก่อนนะค่ะครับถูกแล้ววันเสาร์อาทิตย์ไปใส่บาหรือเปล่าอืมอาจจะใส่ครับไปนะไปใส่บาบกันไปทำบุญกัน โอเคนะมาทักที่ก่นนะไปครับไปนะคะไปที่คุณหมอดาวตอนเป็นหมอที่เข้าหาทำมากันเยอะนะ <c oughs> มีมีแต่หนูอะค่ะที่เข้าช้าที่สุดค่ะการนวดสการพระอาจารย์นะคะ <c oughs> คือวันนี้หนูจะรายงานสภาวะธรรมก่อนแต่ว่าเนื่องจากหนูรู้ว่าในเขจของพระอาจารย์เนี่ยมีลูกเขตของหนู เยอะเลยที่ติดตามแล้วหนูจริงๆหนูพยายามเลี่ยงที่จะเขียนสภาวะธรรมตัวเองเพราะว่าหนูกลัวว่าคนที่ฟังเนี่ยจะติดสัญญาแล้วจะเป็นกําลัคในการปฏิบัติเพราะว่าจริงๆมันเป็นปัจจุตังหนูก็เลยขอให้ทุกคนฟังแบบผ่านๆ น, นะคะแล้วก็อย่ายึดติดในสภาวะธรรมที่หนูมีเดี๋ยวหนูจะบาป <c oughs> คือตอนเนี้ค่ะพระอาจารย์หาพอดีว่าจากที่หนูเคยเคยเค ย, เคยปรึกษาพระอาจารย์แต่ว่าเวลาหนูพิจารณากายไปถึงปาช้าเก้าแล้วมันจะกระโดด เข้าชั้นสี่โดยอัตโนมัติซึ่งหนูมีความกังวลว่ามันจะมีเวลาในการพิจารณาเพราะมันแช่ในสมาธิค่อนข้างนานมากมันจะทำให้หนูไม่มีเวลาในการพิจารณาเดินปัญญาเยอะเท่าไหร่หนูก็เลยพยายามเรี่ยงหนูก็เลยมามากรรมาฐานห้าแล้วก็อาการสามสิบสองวนไปวนมาแต่ว่าจิตมันก็เข้าสมาธิแต่ว่ามันไม่เกิดการเห็นไปรักหรืออะไรเพราะว่ามันเป็นในระดับสมถะนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้พิปัญนาไปด้วยมันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง หนูก็เลยลองเข้ามาที่ป่าชาเก้าอีกรอบหนึ่งซึ่งหนูรู้สึกว่าจริตหนูน่าจะถูกกับป่าชาเก้ามากที่สุดเพราะว่าเวลาหนูพิจรารณาไปแต่ตอนนี้หนูสามารถคุมสติคุมคุมการเข้าฌานได้แหละ ว, ว่าพอมันพอหนูพิจรารณาป่าชาเก้าไปจนถึงระยะที่จนกระทั่งเป็นกระดูกสลายไปหมดนะคะมันก็มันพอหนูย้อนกลับมาหนูก็เอาสร้างโครงกระดูกขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาเนื้อเข้ามาใหม่ค่อยค่อยค่อยค่อยต่อมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิม แล้วก็เริ่มตั้งแต่ลมดับลมดับแล้วก็ไฟดับแล้วก็น้ําเริ่มเน่าแล้วก็ค่อยๆมาที่ดินสลายค่อยๆไปเรื่อยๆไปคำถามของหนูก็คือว่าพอพอไปสักครักหนึ่งมันก็เริ่มคิดอะไรไม่ออกเพราะว่ามันก็เริ่มเข้าฌานอีกแล้วแต่ว่าเป็นเป็นฌานที่หนูสามารถควบคุมการเข้าของมันได้ดีขึ้นแล้วก็มันละเอียดขึ้นนะคะหนูก็เลยมีคําถามว่าแล้วถ้าแบบเนี้ยถ้าจติริศหนูมันถูกกับการพิจารณาป่าช้าก้าอย่างเนี้ย หนูจะสามารถเห็นกายเป็นธาตุได้ยังไงะคะก็เวลาหนูออกมาจากสมาธิหนูมาทําต่อเห็นหน้ากายอ <จะ S 2> องกายก็ทำท่าไม่ต้องทําในสมาธิวิปัสสนาไม่ต้องทําในสมาธิค่ะทํานอกสมาธิค <c ười> ือพอพอหนูออกมาอีกรอบหนึง่งหนูก็เริ่มพิจารณาปา่าชาก้าเหมือนเหมือนเดิมเหรอค ะ, คะอเวลาออกมาจากสมาธิเวลามาทํางานมาทําอะไรเห็นควรเห็นอะไรก็พิจารณาให้เป็นป่าชาไปเป็าบสกไป แต่มันจะมันจะเห็นเป็นธาตด้วยตัวของมันเองก็ได้เห็นแบบไหนก็ได้เท่านั้นเห็นเป็นธาตุก็ได้เห็นเป็นธาตุสองกได้เพราะนั่นคือความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนค่ะเราจะไม่ไปติดกับสมมติว่าเป็นนายกรนายขอเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเหมือนกันหมดเพอาะเาเราจะเห็นร่างกายของทุกคนเหมือนกันหมดเป็แค่ธาตสิ่เป็นแค่ธาตุสองก็ได้ อ๋อหนูเข้าใจแล้วเพราะหนูเข้าใจว่าการการเดินปัญญาทําได้เฉพาะตอนที่จิตถอนออกมาที่อุปจาระไม่ใช่มไม่เกี่ยวมันจะ<ม>คือออกมาตอนที่กลับมาเป็นจิตป ก, ะกะติเนี่ยเดินจงกรมนั่งเดิน<อ>จงกรมทำธุระอะไรนี่พิจารณาได้ตลอดเวลาโอเคค่ะยกเ<ม>ว้ น, นเวลานั่งสมาธิเนี่ยไม่ให้คิดไม่ให้พิจารณาเอามันเข้าสู่ความสงบแล้วก็พยายามดึงให้มันอยู่ในครับสงบไปนานๆอย่าอย่าไปดึงไปออกมาพิจารณา พอมันเข้าชาญไปเรื่อเรื่อมันขี้อะไรไม่ออกเลยค่ะไม่ต้องมันถ้าไม่เข้าชาญมันก็ไม่คิดอ่ะสิค่ะอย่างอย่าอย่าไปดึงมันออกมาให้<ะ>แช่แช่อยู่ในชาญนานๆ<ะ>พอมันจะให้เรามีความมีความอิ่มความมีกําลังที่อยามาเจริญวิปัสสนาต่อไปค่ะแล้วคราวนี้คําถามหนึ่งก็คือเวลาเราพิจารณากายเนี่ยเป้าหมายเพื่อให้มันเบื่อหน่ายแล้วก็ละวางในกายนี้แล้วให้เห็นว่าเราไม่ใช่กายนี้แต่ว่าปัญหาคือ หนูเห็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตัวหนูเองหรือคนอื่นๆเนี่ยมันจะมีจิตปรุงแต่งค่อนข้างเยอะอะค่ะอาจารย์แล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าเราเห็นตามความเป็นจริงจริงๆหรือจริงๆจิตเราปรุงแต่งว่าเออเราเห็นเป็นโครงกระดูกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันก็ต้องเอามาใช้ตามที่เราต้องการใช้มันเวลาเราเกิดกา ร, ราอารมณ์ขึ้นมาเที่เวลาเราเห็นใครน่ารัก น, น, น่าทำให้เราเกิดความอยากล่วงเพลิดกับเขาเนี่ย แล้วก็ลองเลื่อนถึง ส, สัร้างศพของเขาดูคือหมายถึงว่าถ้าเป็นจิตวงแต่งเองจะคิดขึ้นมาไม่ได้ได้ก็เราเป็นคนปูงแต่งขอนให้มันคิดอย่างแต่เราเราเราเผลอเราจะไปคิดว่ามันสวนยนีงย่างามนี่ที่ร่างกายอืมเพราะกิเลสมันจะดึนให้ไปทางนั้นกิหลสมันจะให้เรามองสุภาพความสวยคามงามพอเราล่วงไปทางนั้นเราก็ต้องรีบเ อ, า ส, า, อาสุภาพเข้ามาสวมทางนั้นทนทีอืม แล้วคนีำ ถ, ถ้าเราทํทาทันออารมณ์ที่เกิดก็อารมณ์ที่อยากจะร่วมเพลินกปจะหายไปไคืออย่างเช่นถ้าสมมติเราดูซีรีส์อย่างเงี้เราเห็นผู้ชายวุ่นหล่อจังอย่างเงี้แล้วก็เอาเลยเอาเราสุภาพทั้งหมดเลยแล้วก็อีกการหนึ่งคือคือตอนนี้หนูเรียนกรรมฐานส่วนหนึ่งกับอพระอาจารย์มหาพิชัยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บัวเกตนะคะท่านท่านให้หนู ท่านให้หนูก้าวเข้าสู่ปรมัตดทำฐานกายก็คือการดูเหมือนดูกายละเอียดเงี้ยค่ะโดยการใช้การวางจิตเข้าไปตำแหน่งต่างๆแล้วสังเกตสภาวะที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องปรุงแล้วก็ให้แก้อนุสัยถ้าเรามีแบบยินดีหรือไม่ยินดีเราก็เห็นแล้วก็ดับมนันอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูเนี่ยมันมันจะค้านกับที่หนูเรียนสายหลวงปู่มั่นมาหนูก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่าหนูควรจะดูกายอย่าง ไม่ไม่กนบัญญาติฝึกจิตให้มันเป็นอุเบกขาแล้วมันก็จะละอนุสัยไวในตัวถ้นมีถ้ามีอุเบกขาแล้วมันก็จะไม่มีลักไมในีชาอือก็คือเราสามารถดูกายหาบนี่แหละแต่ว่า อ, อันนี้นะคะเวลาเกิดเกิดความรกขึ้นมาก็เราใช้อสุภะเอามาถึงไหนเวลาเกิดความชัตขึ้นมาก็อาจจะใช้ธาตุมาถึงหอือค่ะ แล้วคราวนี้เนี่ยจากประสบการณ์ของหนูเองเนี่ยจริงๆแล้วหนูเพิ่งเพิ่งปฏิบัติธรรมมาปีหนึ่งอะค่ะแต่ว่าในช่วงแปดเดือนแรกเนี่ยหนูแบบฝึกไปทางมิจฉาสมาธิเพราะว่าหนูแบบมุบ่งเน้นเข้าชานเพื่อเอาอิทธิฤทธิ์เพื่อเอาขินยาค่ะแต่ว่าคราวนี้พอพอตั้งแต่มกรามาเนี่ยเดือนมกราปีนี้มาหนูฝึกสติเพื่อให้มันเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็บางทีเวลาคนเขามาถามหนูว่าแล้วสัมมาสมาธิกับ วิชาสมาธิมันต่างกันยังไงหนูก็ได้จะบอกเข้าไปว่าถ้าเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยมันจะเป็นสมาธิที่ทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดว่ามีสติคุมคุมสมาธิแน่นแน่นคุมไปกับจิตเราแต่ว่าถ้าเมื่อก่อนที่หนูทําเนี่ยหนูให้สมาธินําไปเลยแล้วก็ให้มันเข้าชั้นลึกขนาดไหนก็เข้าเข้าไประดับลึกมากค่ะก็ไปได้เพราะนั้นหนูก็เลยอยากจะแบบให้อาจารย์ เคลียให้คนที่ยังสับสนระหว่างสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิอะค่ะอยากให้เขามาทางสัมมาสมาธิเนี่ยเขาต้องทําอย่างไรบ้างคะก็ให้มีสติก็คุมจิตให้มันนิ่งไม่ให้มันไม่ให้มันออกไปไปเที่ยวโลกทิศอย่างเนี้ข้าออไปโลกทิศเนี่ย <c oughs> ไปคุยกับเทวดาไปเห็นผีเห็นสวรรค์เห็นนรกเนี่ยเรียกว่าเห็นมิจฉาสมาธินะใจ่น้า <c oughs> ถ้าเป็น สัมมาสมาธิต้องอยู่กับความว่างจิตต้องเลีงสงบแล้วเพราะว่าแต่ในความสุดมิวเบคหายก็หนูก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัมมาสมาธิมันมันดีมากๆเลยค่ะเมื่อเมื่อก่อนหนูมุ่งไปแต่อิทธิฤทธิ์เกินไปก็เลยไม่อยากให้ทุกคนหลงนะคะ แ, แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแต่ในอย่างคนส่วนใหญ่เขาเขาไปไปถึงขั้นนั้นอยู่แล้ว <c oughs> มันเป็นมันเป็นนิสัยของชาวว่าคนบางคนนันีอ คนส่วนให ญ, ญ่จะไม่มีไม่มีความสามารถไปนะครอ๋อค่ะเอางี้อีกคําถามหนึ่งค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หนูเพิ่งเพิ่งเจอมาแล้วรู้สึกสับสนมากคือการศรัทธาด้วยปัญญากับกาลาณมสูตรเนี่ยมันมันจะสูมเสียงกับการปรามาสไหมคะยกตัวยอย่างเช่นหนูหนูเจอคารวะคนนึงซึ่งแบบค ใ, คใครก็บอกว่าเทพมากเลยเป็นอริยบุคคลขั้นสูงแล้วนะอะไรเงี้ยหนูก็ไป เขาใครพาไปหนูก็ไปเชื่อเขาหมดเหมือนทัวร์พ่อทหารนะคะแต่นี่เป็นคลาวาธรรมดาหนูก็พอไปถึงแล้วหนูก็เห็นเขาเขามีความชอบแสดงอิทธิฤทธิ์แล้วก็เอาอิทธิฤทธินะ์น่ะมามาใช้เพื่อเพื่อทําร้ายคนที่ไม่เชื่อถือเขาหรือดูถูกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็ถามว่าเอาทําไมถึงใช้ฤทธิ์ทาร้ายคนหล่ะอะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างแล้วกันนะคะเนื้อเรื่องอาจจะไม่ใช่ประมาณนี้ทําไมเอาอิทธิฤทธิ์ไปใช้ทําร้ายผู้คน มันไม่ตรงกับคำสอนพุทธองค์เลยเขาก็บอกว่าเออมันเป็นวิธีการสอนซึ่งวิธีการสอนคนไม่เหมือนกันย่างก็ไม่จริงเขาเขาพูดไปเขาพูดไปตามภาษาของเขาเอการสอนนี่มันไม่ไม่ได้เกี่ยวกบารไปทำรายพูไม่ค่ะเพราพคราวนี้หนูก็เลยบอกเพื่อนว่า เฮ้ยเราไม่เชื่อนะว่าอย่างนี้คืออริยบุคคลเพื่อนก็บอกแกปามากแกปามากเขามันบาปมากนะบาปปา마ศผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือเขาเขาแบบนี้ถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ควรจะพูดไม่ต้องบอกใครให้รู้อยู่ในใจเราเพรวไม่เห็นเพื่อนแบบเชื่อมากเลยค่ะเราบอกวาไม่ใช่นะเนียเชื่อแบบน้องมองไงเขามีเชื่อแบบปัญญาเขานีคือเขาเชื่อแบบใครแตะไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นศรัทธาที่แบบใครไม่เชื่ออะไรเงี้ก็ด่า าศาสา อ, อนะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอหนูมาเจอเรื่องราวแบบเนี้ทําให้หนูรู้สึกว่าศรัทธามันต้องประกอบด้วยปัญญาแล้วเราต้องมีกำลังมาสูตรแต่คราวนี้หนูสับสนว่าแบบนี้ถ้าหนูไม่เชื่อเนี่ยแต่หนูไม่พูดก็ได้นะคะแต่ถ้าหนูไม่เชื่อหนูปรามาดไหมคะไม่เหรอเพือไม่เชื่อแต่อย่ากไปปฏิเสธให้ทําใจเฉยๆกันก่นคือเรายังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแล้วก็ปฏิเสธก็ไม่ได้อถ้าไปปฏิเสธของจริงแล้เราก็เราก็ผิดใช่ไหม แต่ถ้าไปเชื่อของของไม่จริงแล้วก็ผิดเมื่อเราไม่รู้มันจริงหรือไม่จริงเราก็อย่าไปปฏิเสธแล้วอย่าไปเชื่ออขอสมวนท่าทีไว้ก่อนพูดง่ายคือขอสมวนคําตอบไว้ก่อนไม่ปรัใจไม่ปรับใจแล้วก็เขาอีกอล้วถ้าหนูจะแบะเราก็ต้ทำพิสูจน์ไงเราทำทำที่เขามาที่สารมาพิสูจน์ว่าเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าพระเจ้าหลอดเอามาดับทุกได้แล้วป่า อันนี้สำคัญท่านนั้นทำทั้งหมดนี้มีไว้ดับทุก น, นั้นดูซิว่าเอามาดับความทุกข์ในใจเราได้หรือเปล่าถ้าดับได้ก็เป็นของจริงถ้าดับไม่ได้ก็ไม่ใช่เป็นของ จ, งจริงอืแสดงว่าพอมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่เราควรทําคือวางใจเฉยเฉยไม่ต้องเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ต้องตัดสินใช่ใชถ้าเรายังไม่ถ้าเรายังไม่มีปัญญาที่จะวิเคราะห์ได้แล้วก็คอนไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินดังนั้นกว่าเราจะมีปัญญาแล้ว พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่ า, าเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้เราผ่เชือ่อไหมคำว่าปัญญาที่จะพิสูจน์ได้หมายถึงถ้าเราปฏิบัติถึงระดับหนึง่งเราจะรู้ว่าใครจริงไม่จริงใช่ไหมใช่ค่ะคราวนี้อหนูสงสัยว่าหนูปฏิบัติสายวัดป่าวัดป่าชอบให้เน้นทํางานวัดนะคะพระอาจารย์ทํางานวัดทํางานทํางานเอโดยที่ว่าหนูเข้าใจว่านี่คือการทําให้สติอยู่กับกายอยู่กับฐานกายต่อเนื่องแต่ว่า หนูกำลังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะต่างยังไงกับคนทํางานก่อสร้างที่ต้องทํางานก็ถ้าเน้นมากเกินไปก็ไม่ไม่ถูกให้เน้นแต่เฉพาะเวลามันมีความจำเป็นจะต้องทําก็ทําแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ให้ไปเดนจะผมนั่งสมาธิอ๋อก็แสดงว่าได้อยู่แต่ว่าต้องมีขอบเขตที่มีขอบเขตเช่นทํากับข้าวทําอะไรล้างถ้วยล้างชามปัดกว่า ซ่อมสาลาซ่อมกุฏิอะไราที่ต้องทํากันเองมาทำเองสมัยก่อนก็ไม่มีเงินเลยมันไม่มีเงินที่จะไปจ้างช่างก่อสร้างมาทำนู่นทํานี่ญาติเอ ง, เองกับญาติโยมคนี้ก็ช่วยกันทำไป mm hmm. แต่ทำเท่าที่จําเป็นทําเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่เป<า>็นแบบกแตไม่ใช่มาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างาว่าไทยมันสวยงามอะไรนี่นนลอยเถิดนะ อ๋อแต่ถ้าเ อ, อเรื่องสร้างเจดีนี่แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนลงมือเองแต่ละถ้าเราเราป ร, ประชาสัมพันธ์รวบรวมปัจจัยก็ไม่น่าจะผิดใช่ไหมคะก็ไม่ผิดครับก็ทำได้เพียงแต่ว่าเราอย่าไปเสียเวลาทำงานมากเกินไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วคะ่ะพระอาจารย์อันนี้อันนี้หนูเป็นสภาวะธรรมของคนคนนึงแต่ว่าเป็นคนใกล้ชิดกับหนูนะคะซึ่งเขาไม่กล้ามาถามหนูก็เลยมาถามให้ ว่าด้วยว่าเขา่เป็นคนปฏิบัติธรรมมานานหลายหลายสิปีแล้วค่ะประมาณสี่สิบห้าสปีตอนนี้ก็อายุประมาณเกือบเจ็ดิบห้าเจบหแล้วแล้วก็ปฏิบัติแบบไม่มีครูบาอาจารย์แต่ว่าอันนี้คุณบีของลูกศิษย์หลวงพ่อลงกดเนี่ยก็คอนเฟิร์มแล้วว่าเขาได้ฌาปนสมบัติแปะเรียบร้อยแล้วเอาเนี้ยประเด็นคือหลังจากที่คุณบีเข้ามาแนะนําว่าพระอาอจารย์รู้จักคุณบีนะคะ ไม่รจักชื่อต้องต้องไปใครเป็นิ์ของอาจารย์มาลองตรวจใครมาคนผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายซึ่งเขา<ม>แบบอ ม, มีอภิญญ์ยาทช่างแต่ะค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าคราวนี้พอพอพ อ, พอคนนั้นเนี่ยเขาได้รับคำแนะนำจากคุณบีเขาก็เรื่องวิปัสสนาจนสภาวะล่าสุดที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจริงๆเขาไม่ยามอย่างรู้อะไรหมดทุกอย่าง น, นะคะแต่ว่าสภาวะล่าสุดเขาบอกว่าขณะที่เขานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเขารู้สึกเหมือนจิตแตก ระเบิดเหมือนละเอียดแตกมากแล้วก็ทําทั้งหมดเชื่อมโยงกันแบบเครือข่ายทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอริยสัจสีปฏิจจสมุทบาทหรืออะไรเนี่ยเขาสามารถเชื่อมโยงได้ทุกอย่างจนมันรวมเป็นจุดเล็กๆแล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยเขาว่าไงนะคะเขาก็รู้สึกแปลกใจว่าสิ่งที่พอเขาคิดถึงเรื่องทำสิ่งใดขึ้นมามันจะเกิดการเชื่อมโยงมากมายซึ่งเขาอธิบาย ให้ฟังให้คนฟังไม่ได้ทั้งหมดแต่เขาบอกหนูประมาณนี้ว่าเวลาเขาคิดถึงทําสิ่งใดมันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยมันจะไม่ใช่ออกมาแค่ริยะสั้นๆแล้วมันจะเหมือนกับมันทําทั้งหลายมันโหดค่อยๆรวมกันมาหมดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเลยค่อย่างนี้เขาเรียกว่าทำมาว่าไม่ได้ทําอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกหนูก็พยายามเพราเป็นธรร้านี่มันถ้ามันธรรมานี่มันมันจะมันมันจะเฉลี่ยมันจะไม่อยากที่พูดอะไร บม่ไม่เขาก็ไม่บอกใครค่ะเขาบอกแต่หนูแต่ว่าก็เขาบอกกับหนูมิเชลก็บอกแล้วนะไม่บอกหนูแคือแบบอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรนะอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรเขาไม่ได้อะไรทุกสิ้นหลอกอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าเราอ่ะไม่ยินแล้วมันแปลกเปลาดเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้ว่าเป็นอย่างนี้คืออะไรเราคือเราก็รู้ว่าเขามีปฏิบัติระดับสูงนะคะแต่หนูไม่รู้ว่าเขาระดับไหนเรื่องของเขาไปเรื่องของเขาไปราไม่สนใจ อเ่าไปดูคนอื่นให้ดูตัวเองดูตัวเองดูใจของเขาเองกวันใจคนอื่นก็จะสูงจะต่าำก็เรื่องของเขาเรื่องความที่ว่าเราชอบยังมีความเผื่อค่ะพระอาจารย์ก็หมดคําถามแล้วเดี๋ยวเก่งใจคนอื่นเดี๋ไม่ห้เขาไปกล่าวพระอาจารย์เองดีกว่าค่ะไม่ต้องมาหรอกไม่ต้องมาถ้าก็ไม่มีอะไรน่าเขาจะมาทําไมค่ะค่ะโอเคกลับมาจัดการค่ะทุก คุณแปดสี่ศูนยสศูจะยิงไหมอยู่ที่ของน้องชายใช่ไหมโอเคครับพูดได้เลยอ๋อครับผมพระจังครับอ ะ, อ, ะอะไรนะเลยอุอบเบกขานี่มนมันไม่รักไม่ชังไม่กลัวอะไรเฉยๆเห็นอะไรก็เฉยๆ ไม่รักไม่ชังไม่กลัวอ่าบางทีอุเบกขานี้เราก็ดูจิตว่าเวลามันสุขทุกข์เราก็ดูว่ามันสลับไม่ใช่คนคนทำเรื่องกันอันนั้นไม่ใช่อุเบกขานี่ไม่เป็นเมทนาการกลางคือไม่สุขไม่ทุกข์แต่เขาไปใช้คําว่าอุเบกขาแทนอุเบกขาคือใจที่ปราศจากความรักชังกลัวหลงอ๋อ แล้วก็ดู ด, ดวลาใครอ่าเวลาใครด่า ก, ก็เฉยเวลาใครชมก็เฉยไม่ยินดียินได้ไปคเอ อ, อ, เอไม่ยะ<ม><ช>ดียินะด้ครับตรงตรงกลางเฉยๆมันไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เวทนาเวทนามีสุขมีทุกข์นัมีไม่สุขไม่ทุกข์นี้เลยคนคนละละอย่างกันนะละเรื่องนละร คอคุปตา ย, ยู่ตรงที่ว่าไม่ยินดียินไร้า่ที่เราปฏิบัติเนี่ยก็ไม่เราไปยินดียินไกับอะไรเนี่ยคนั่นเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรายินดีเราก็จะทุกข์เวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรายินดีไปแล้วก็คือถ้าเราทุกขดีกับคนมากนี่เรามันจะจะยากหน่อยถ้าต้องฝึกเนี่ยึไปต่อไปเราก็จะเฉยเฉยกับทุกทุกคนได้ ขันดีจะช่วยเขาเลแล้วขยันด่าจะช่วยเขาให้หลงก็ดูดูตัวเองไปเรื่อยๆเราดูใจเาว่าไปยินดีได้กับเราไหมต้องฝึกคเข้าสมาธิมันถึงจะได้ผูเบขาอย่างแท้จริงเรามาเรามาเสียแรงทาขึ้นมาเองไม่ได้แต่ว่าไม่ยินดีไา่กต่ใจนี่มันกระหึ่มกระหึ่ในใจนะ พอใ จ, จนะพอใ จ, จครับอาจารย์ไม่มีคันผ่นานแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วัโอเคนที่คุณหม อ, วอเวลา่านตอบหมอันนี้เคโบถูกต่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วถูกสั่งกัดไปมันเขาดครับจาวนวารการอาจารย์ครับบรรดาได้ข่าวว่าลิงเลยดึงเลยครับแต่ใอลิงเลยกระเล่ากระแตกระแล้มันมีสัตว์อะไรนิดด้วยกัน อันนี้มากกาศอาจารย์ครับผมไม่มีคําถามอะไรครับอาจาจรย์เพราะว่าวันอาทิตย์คงจะไม่มีโทรศรพท์นะไม่มีแล้วครับผม <c oughs> ในในใ น, นั้นแล้วก็มีวิธีแก้ก็ใช้ไลน์ก็แล้ว <c oughs> กันใช่ครับวันนั้นก็คนที่ฟังก็เยอะแล้วก็หลายคนก็บอกว่ า, ว, าว่าดีครับอาจาร <c oughs> ยนนค์ครับแล้วก็ต่อเนื่งกันได้ดีครับไม่มีช่วงจังหวะสะดุดเดยอะครับอาจารย์โอเคตกลงไปให้คุณหมอภาสนะต่อบชมรมหมอเนี่ยชมรมแพทย์รือ่าเนี่ย ค่ะกล่าวนามสการค่ะว่ามาคุณหมอว่าไงค่ะก็พระอาจารย์คะก็คราวนี้ยมันยังคงความสงบสุขแล้วก็ความนิ่งได้ตั้งแต่เรากลับมาจะไปใหม่ด้วยนะคะพระอาจารย์รู้สึกว่าต้องขอบคุณพระอาจารย์มากมนะคะมันต้องได้ตลอดเวลาต้องไตลอดเวลาค่ะก็พยายามทำให้ไวขึ้นพยายามคือให้อย่างที่พระอาจารย์แนะนําคือให้ไวขึ้นแล้วก็คิดในทาง ในทางธรรมตลอดพยายามคุมแล้วก็ใจก็ยังยึดไปทางไตรลักษณ์นคะยดไปทางไตรลักษณ์กัอริยสัจกัอริยสัจใช่ไมคะพระนึกพร้อมวิหารสิงก็ได้ค่ะได้ก็รู้สึกดีแล้วก็เดี๋ยวไปสองอาทิตย์นะคะพระอาจารย์จะหายไปสองพุทเพราะว่าที่บัดธรรมเต่าไม่มีสัญญาณก็ก็จะเตรียมแค่เอพระละห้าไปแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะพระอาจารย์จะตั้งใจเอาก็เอาความเพียรไปต้องทำความเพียรมีควาตั้งใจแล้วก็ต้องมีวิริยะจิตตานะคย ซะได้อสอสูไม่ถอยแล้วพระอาจารย์มีความเพียรแล้วก็หนังสือพระอาจารย์เปเล่มนึงเป็นเปนกำลังใจก็คือทุกย่อมมีแต่ผู้ไม่เกิดของพระอาจารย์นะเล่มนี้ชอบมากไว้ตลอดเป็นกาลังใจขอบคุณมากเลยค่ะพระอาจารย์คุณอะไรเจริญทองเจริญทองทำสนะ่วน ท, ไท่ไหนางนนานราชการคะ่ะ อจุาลารักษ์เจริญทองค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนจ้าอยู่ที่กรุงเทพค่ะมีอะไรไหมมีคําถามอะไรไหมวันนี้จะมาขอกราบเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ค่ะแล้วก็จะตั้งใจน้อมเอาคําสอนกับคำที่พระอาจารย์สั่งสอนเอาไปปฏิบัติค่ะขอให้ปฏิบัติให้มากๆนะอย่าขี้เกียจนะอาจารย์คะแล้วก็มีคําถามหนึ่งคำถามค่ะ ถ้าเราเป็นผู้มีทิฐิมากนี่เราจะต้องแก้อย่างไงคะคิฐิทาตัวสมมติว่าเราเป็นแจ๋วอะไรสมอว่าเราเป็ น, มมมป น, ปนคนทนรับใช้เจอใครก็คิดว่าเขาเป็นเจ้านายเราเราเป็นคนรับใช้เขาแก่เลยพระเจ้าเจ้าบอกให้ทําตัวเราเหมือนแผ่นดินหลักที่สุดคือแผ่นดินใครจะเหยียบใครจะทำอะไรแผ่นดินแผ่นดินก็รับได้ ค่ะทำตัวให้เราเป็นเหมือนแผ่นดินเนี่ยเป็นเหมือนแจวเป็นเหมือนคนรับใช้ใครจะด่าเราก็ถือว่าเป็นเจ้านายด่าเราเราิงก็ไม่ได้ใครเขาจะอะไรกับเรารู้ถูกเราแล้วก็ไปแล้วก็ไปโกรธเขาไม่ได้เพราะเราก็เป็นเจ้านายเราค่ะ ไ, ได้ไหมค่ะทำตัวเราเป็น <alloc Mort. S 1> เอนแจวนะเป็นคนใช้คนรับใช้คนหนึ <ภา S 2> ่งนะค่ะหรือเป็นเหมือนขอทานอะไรเงี้ย ดีไหมทำได้ัหยได้ค่ะพระอาจารย์จะพยายามปฏิบัติค่ะครัค่ะครับุณใครตอบคุณจอยจอยจากอทิยากาบคะวันนี้เข้าเร็วเลยวันนี้มาเร็วเลยเลนเนอนเมื่อไรอ้าสุขอ้คนเล็กไปโรงเรียนมาวันนี้ค่ะก็หลับตื่นมาแล้วแล้วก็เล่นคนโตไปอาทิตย์หน้า ยังไม่นอนกันยังเล่นกันอยู่ค่ะย้ายย้ายกลับมาในที่ด okay. ีกันหมดเลยใช่ค่ะย้ายกลับมาอยู่เมืองสิบเ็หมดเลยอยู่เมืองสิบเอ็ดเออแล้วค่ะมีคําถามที่ว่าลูกสาวเขาถามแม่ว่าแม่เรารู้ได้ยังไงว่าพระพระแบบคือตอนวันนี้ข่าวพระเยอะแล้วเด็กมันสงสัยว่าพระที่ดีคือยังไงแล้วเราก็เราก็เราก็บอกไม่ถูกค่ะเราบอกเหมือนกับคนอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีใช่แล้วเขาก็บอกว่า แล้วการที่เราเหมือนปาม่าพักก็คือไม่สมควรใช่ไหมคะเหมือนแบบเหมือนฟังข่าวแล้วแบบคือเราก็ให้เครดิตเข้าไปก่อนนะง่ายเพื่อนเราที่เราจะไปดูเขาดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้มันดีขึ้นดีก็อาจจะทำร้ายเราก็ได้ค่ะก็คือจะให้ให้เราระวังตลอดทันคือระวังแล้วก็อย่าไปแบบว่าจมแบบพวกกลบเผื่อไว้ว่าเออแต่ว่าคนคนที่เราคิดว่าดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะที่อย่างนี้ คืออย่างอย่างย่งหนูก็ฟังบ่อยหนูก็พอข้อแต่แต่ว่าอย่างเด็กๆอ่ะเขายังแยกไม่ค่อยได้เขาก็จะเหมือนแบบไม่อยาก้เาไปอย่าไปอย่าไปถ้าเราไม่รู้ว่าเ้าดีหรือชั่วก็ก็ให้ให้ให้รู้ตามที่เราเห็นก็แล้วกันตอนที่เราเห็นเ้าดีอยู่ก็ก็ให้เครดิตเขาไปส่วนส่วนก็จะไม่ดีซ่อนอยูข้างในนี้เราก็ไม่รู้ว่าต้องรอจนกว่าเขาบ่อยมันออกมาเราก็จะรู้เอง ดูธาตแทนถ้าเหมือนแทนเราเนี่ยเวลาเจอกันใหม่ๆน่ารักไหมอ่แล้วเวลาไปอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงฮะไม่น่ารักเลยอ่านั่นแหละเป็นบเดียวนั่นแหละแต่แต่ตอนนี้เขาเขาเริ่มเปลี่ยนเขาพราะพูดเหมือนก็ว่าเขาเขาบอกว่าเขาเขาเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเขาอยู่กับบัณฑิตหนูก็เลยถามว่าหนูเป็นบัณฑิตเหรอเหมือนว่าหนูพาเขาสมบูรณ์ใส่บาตรตลอดอะไรเงี้ยแบบถ้ามีโอกาสก็พาไปเขาก็เหมือนแบบ เหมันดีขึ้นดีขึ้นนะคะก็อย่าตามใจบางทีก็าหลอกเราก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ก็ด่าให้น้อยลงก็ไม่ไม่ค่อยเถียงกันแต่ว่าก็รู้ตัวว่าสมมติว่าตอนนี้เขากำลังด่าเราให้เราโมโหแต่เราก็จะแบบรู้นะว่าโมโหแต่บางทีก็เถียงกลับแต่บางทีก็ก็สู้กับสู้กับความสูงเตัวว่าเรารู้ว่าเราโมโหเราเราจะชัางมันจะเงียบไปอะไรอย่างนี้ค่ะคือคนเราเนี่ยโบราณท่านบอกว่า เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มาอระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนเวลาเจอกันใหม่ๆนี่ก็ดีไปหมดใช่ไหมที<ช>ม่อยู่ไปนานๆนั่นเดีก็จะเห็นธาตุแท้ออกมาเองนะถ้าองนั้นก็เหมือนกันมองเห็นธาตมองเห็นใครก็ตอนต้นมันก็มองมก็ดีเข้มามาในสถานการเสียหายแล้วก็เราก็อยากไปปรามากจนกว่าเขาจะแสดงอาการไม่ดีออกมาให้เราเห็นแล้วก็ เราก็จะได้ับทุนท่านนก็เป็นอย่างนี้ค่ะก็คือดูให้ยาวๆแล้วเราจะรู้เองใช่ไหมดูไปเรื่อยๆพอเรามันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมใช่กด้วยกันก็ต้องเว้นดูนิสายใจคอกันไปเรื่อยๆทำไมก่อนเขาไม่ให้แต่งงานกันทันทีหรือเปล่าไม่ให้มั่นกันไว้ก่อนตอนนี้ไม่ได้ไม่ให้ม่นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ บางทีก็มีต้องนอนขอนแต่งแล้วใช่เหมือนมีลูกแล้วก็ค่อยแต่งอะไรอะค่ะข่าว ต, <า>ต้องไปนั่นก็มาอยากกันในใ น, ในไทยหลังคือแบบคือหนูยังแบบหนูยังคิดว่าเสด็ดาที่หนูรู้ทำมาชาไปไม่งั้นหนูคงไม่มีลูกไม่มีอะไระไม่ทันแล้วก็เลยต้องแบบรับใช้กรรมเก่าให้หมดก่อนแล้วที่ฉันจะบอกลูกเขาว่าถ้าเรายังไม่เห็นความชื่อของเขาเราก็อยัดขึ้นไปอยากไปอยากไปชคิดว่าเขาชื่อ ดูไปตามภาพเป็นจินแต่ก็ต้องระวังอย่าไปอย่าไปมาว่าเขาจะดีไปเสมอเขาอาจจะไม่ดีในภายหลังก็ได้ค่ะะค่เอาไว้ต่อลูเพราะว่าเห็นหน้ารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจนมีคําพูดอย่างนี้ใชใช่ค่ะจริงค่ะแล้วไม่รู้ว่ามันเข้าดีหรือช่วยอย่างไรมื่าทีตยที่แล้วคนเยอะเลยนะคะมันมสองพันสองร้อยคนคือแบบหนูรอหนูรอแบบ รอจนลูกลองในรถรอรอหลวงพ่อแบบมาไม่ถึง <loo. S 2> เด็กๆมันแบบตื่นเช้ากันไปเออไม่เป็นไรหรากทำมันเด็กก็ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เปหรอก ใ, <ช>ใช่เอ่อข้าวสวยเอคนโตก็ถามแม่แม่เราจําเป็นไหมที่ต้องใส่วันนี้แล้วคนเยอะเด็กๆกันหนูก็ตอบไม่ได้ว่าเออจําเป็นไหมแต่ว่าจำเป็นบอกว่าไม่จำเป็นเ ข, า, ขาเขาก็พูดอย่างเขาบอกว่าแม่แล้วมามันอื่นไม่ได้หรอวันที่แบบคนน้อยๆเราใส่สบายอะไรเงี้ยเขาก็พูดแต่เราก็แบบ เราอยากจะเราอยากจะบูชาถวายเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบอกขาเองใช่ค่ะอ๋อถ้าคือเราคิดอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมได้ได้เราเราต้องการที่จะตอบแทนคุณพระพุทธเจ้าเราก็เลยมาในวันเกิดพุทธเจ้าใช่ค่ะอ๋ออ๋อได้ใช่ไหมคะหนูก็หนูก็คิดคำตอบว่าจะตอบรูกว่าอลไความจริงมันก็เหมือนที่เขาพูดมันก็มันก็ใช่นะแต่บูชาวันไหนก็ได้เท่ากันทําบุญน้อยมากวันนี้ทําบุญวันน้อยวันวิสาข์ก็ได้บุญเท่ากันอ๋อ แต่ว่าที่เราทำออคือเราบูชาพระพุทธเจ้าบชาพระคุณของพระพุทธเจ้าในวันสําคัญอ้อ๋อได้ได้ความรู้เลยค่ะค่ะเหมือนบางทีเราทําไมทำบุญทาบุญ e, yani <ca> <า> uteur, วันเกิดเราแหละทำไมไม่ทําบุญวันอื่นใช่ก็เราอยากให้วันเกิดเราแบบทำมาเต็มที่ใช่บูชาตัวเราเองก็อยากให้แบบได้บุญเยอะๆในีมันแค่แบบเกิดให้แม่ให้อะไรอย่างเงี้ยให้พ่อที่เสียไปแล้วอะค่ะ แต่แม <F> ah. so ่ก็บอกถ้าสองมันเป็นสองอย่างทํำมาไหนก็ได้เงินเท่ากันเห็นไหมว่าบาทีเราเลือกทําเพราะามันเป็นโอกาสพิเศษเราอยากจะทำอะไรพิเศษกับวันนั้นใช่ค่ะวันนั้นเราวันนั้นเขาใส่แทบไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าแม่คนเยอะมากแทบมันเบียดกันแบบเต็มไปหมดเลยค่ะแล้เป็นรายาะเอียดต่อไปเขาโตขึ้นเขาจะควจะเข้าใจค่ะก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ค่ะก็กล่าวมีมีเท่านี้ค่ะโอเคทราบค่ะสาธุค่ะ คุณธรรมชาติจ่าธรรมชาติอยู่ที่ไหนสวัสดีครับกลับนบามัตการพระอาจารย์ครับผมผมอยู่สตูลครับพระาอาจารย์อยู่ใคร น, นะครับ<ม>ก็ผมผมมีคําถามครับคือผมผมนั่งสมาธิแล้วผมก็ผมก็คิดคิดไม่จบเลยครับเวลาที่มันมีปัญหาแล้วปัญหามันยังไม่ได้แก้ไข ผมผมพยายามผมพยายามจะดูลมหายใจผมพยายามจะนิ่งแต่มันมันก็นิ่งไม่ได้เลยครับมันมันก็สุดท้ายมันนิ่งแป๊บเดียวสุดท้ายมันก็วนกลับไปคิดผมจะหาอุบายยังไงให้มันให้มันให้มันมีสติอะครับมันอยู่กับเราต้องฝึกสติก่อนเราต้องฝึกสติก่อนมานั่งการฝึกสติที่เราฝึกได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับคือพอเราตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องพูดทัวพูดทัวไปอย่าปล่อยให้มันคิด แลือ ม, มันดูว่าเราทําอะไรอยู่ม่ได้กำลังอาบน้ำล้างหน้าแต่งัน้าก็ให้มันอยู่กับงานที่เราทําอยู่อยให้มันไปคิดเร้่มันถ้าต่อไปเวลามันนั่งสมาธิมันก็จะได้หยุดคิดได้แล้ว้องฝึกอยู่คิดก่อนที่เราจะมานั่งถ้าเรามานั่งแล้วค่อยมาหยุดคิดมันมก็หยุดไม่ได้เข้าใจครับมันฝึกสติก่อนที่จะมานั่ง ถ้านั่งแบบไม่มีสติแล้วมันเริ่มมาเริ่มฝึกสติตอนที่นั่งกันอย่างเนี้ยมันก็มันก็อาจจะสงบแป๊บเดียวพอก่อนจจะสงบ ก, ก็ต้องนานเหนื่อยไปแต่ถ้าเราฝึกสติไว้ก่อนที่พอท่านแป๊บเดียวห้านาทีแล้วก็สงบได้ครับอันนี้นะโอเคคุณจีบตาจีบได้ยินไหมกนลังทำ ง, งานอยู่แล้ว อยู่เมริแลนด์ U S A ได้ยินยหมได้ยินแต่เสียงไม่ค่อยดีนั่นเงผู้อีนดอร์โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอินเใช่ใชวันนี้สัญญาณแถวนี้ไม่ค่อยดีเลยค่ะอาจารย์ตรงนี้ดีแล้วตรงนี้ดีแล้วตอนนี้ดีขึ้นไหมคะดีแล้วโอเคค่ะอยมอดีมาข้างหน้าค่ะ ก้าว น, นี้ก็มีคําถามนะคะพระอาจารย์โยมอสุภะเนี่ยมันสามารถเอามาใช้กับคนที่เราไม่ชอบได้ไหมคะไม่ได้น<อ>เนาะยั่งไม่เกียจเข้าใหญ่คนที่เราไม่ชอบเราไม่ใช้ให้ตาไม่ใช้ใชติสุภะเดียังนี้ไม่เกียจเข้าใหญ่ มันจะได้คิดว่าแบบเออมันก็คือร่างกายธรรมดามันไม่ได้อยากเอามาซีเรียสจะเอามาดินจังอะไรแบบนี้ไงคะมันไม่มันเออดูเป็นธาตุสี่ด้ดูว่าเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟไม่อ๋อเป็นส่วนผสมร่างกายนี้มันมันทำมาจากดินน้ำลมไฟอืมค่ะคือยมยมยมยมก็พยายามนะคะคือเหมือนกับเวลาเราไม่เห็นเขาเราจะรู้สึกเฉยเฉแล้วรู้สึกเัวจิตสงบ แต่เวลาที่เราเห็นเขาหรือเขาส่งข้อความมาอะไรแบบเนี้ยเราจะรู้สึกแบบมันจะมีตุดนวนขึ้นมานิดนึงอะค่ะแต่สุดท้ายเราก็จะแบบจับอารมณ์เอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะวางลงมันจะมีวิธีการไหนจัดการมันได้เร็วไหมคะเราเราก็คิดว่าเราต้องไปกดดินนะรหรือกดน้ำหรือกดลมหรอือกดไฟอืาหรือถ้าจะ อ, อาการฐ า, ารนที่สองนั่นแหละไปกดผมเขาเลยไปกดเล็บเขาเลย ไปโกรธฟันเขาเลยไปโกรธนังเขาเลยไปโกรธเนื้อเขาเค่ะไม่ถึงเอาขั้นจิตวิญญาณเราโกรธจิตวิญญาณเขาเลยมไม่เกี่ยวไม่ได้ใช่ไหม<อ>จิตวิญญาณเรามองไม่เห็นค่ะค่ะก็จะพยายามคือตอนนี้ยงก็โอเคค่ะโยงแค่แบบว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะตัด มันเรารู้สึกเหมือนมันมันดีขึ้นทุกครั้งนะคะแต่ว่ามันยังมีเหมือนกับมันยังมีจุดนิดๆที่มันยังแบบเออทําไมมันยังไม่ได้นะอะไรอย่างนี้คะก็ฝึกไปเรื่อยๆก็ได้พยายามฝึกไปเรื่อยๆคือเห็นหน้าเขาก็พูดโทพูดโทหรือเห็นคนที่เราไม่ชอบก็พูดโทพูดโทไปช่วยนึกว่าเป็นดินน้ําลมไฟอะไรกันนั้นดินน้ำลมไฟถ้าเราไม่ตอบเขาก็ถือว่าโอเคถ้าถ้าเราทําเฉยๆแต่เขากดเราเองเราไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเราเกี่ยวไม่เกี่ยว แล้วถ้าเราไม่ไปพูดเราไปทำอะไรให้เขาปวดแล้วเขาปวดขึ้นไหมนี่ก็เป็นเรื่องครับอ๋อเจ้าค่ะอาจารย์คะเราอีกคำถาม น, นะคะสมมติว่าถ้าโยมเชื่อว่าเออโยมจะปฏิบัติทําได้โยมสามารถเห็นตัวเองนั่งแบบแค่คิดให้มันเป็นบั๋วะค่ะว่าเราจะนั่งสมาธิได้ดีเราจะแบบวันหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้ว อันนี้มันคือความคิดที่เราเพ้อเจ้อไหมคะหรือว่ามันเป็นความคิดที่ดีแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ลองดูว่าเราทําได้ตามที่เราคิดได้แล้วเป่าค่ะแต่ถ้าเราคิดไว้ก่อนแบบว่าเออว่าเราตั้งใจจะไปในแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีแต่ว่าต้องต้องัำตามที่เราคิดได้เมื่คิดแล้วไม่ทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์เลยค่ะแต่ไม่ถึงสมมุติอย่างบางคนบอกว่าเออให้จินตนาการว่าเรา เป็นนี้มโนว่าเป็นนี้มันคือการโกหกตัวเองไหมคะพระอาจารย์ใช่ถ้าเราจินตนาการไม่ได้แต่ถ้าเราคิดถึงสิ่งที่เราต้องท<ม>ําคิดได้ว่าเราจะทำางนั้นท่านนี้คิดได้แต่เราจะนั่งคิดว่าเราเป็นพะระอรหันต์นี้ไม่ได้อันนั้นก็คือคิดผิดเป็นมิจฉาทิฐิไปใช่พราเราไม่เป็นใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรคะ่ ะ, คะที่ผู้ผ่านรับบปฏิัติ ปฏิบัติเยอะโยมก็ตามตามรอยพระอาจารย์เนี่ยค่ะวันนี้เข้ามาฟังก็เขียนได้ฟังท่านอื่นเลยรู้สึกว่าการปฏิบัตินี่มันสําคัญจริงๆค่ะโยมก็ตั้งเป้าว่าจะพปฏิบัติให้มากขึ้นบางทีก็แบบเหมือนนั่งนัอยู่แล้วมันก็วืดหลับไม่รู้พอยเพราะว่ามันเหนื่อยมากจริงๆหรือยังไงก็ไม่มันวืดไปเลยแล้วแบบตื่นกำลังน้อยตื่นกําลังน้อยอะไรแบโอเคนล้วย้ายไว้ มันจะรินทอนเราอยู่ข้างหน้าอ๋ชินทอนมาแล้วโอเคค่ะพระอาจารย์เดี๋ยววันเดี๋ยวเด๋วันอาทิตย์หน้ายงใคยเข้ามาใหม่ค่ะกับนรรจการธรอาจารย์สภาพแข่งเลค่ะวัดดีค่ะคุณมาเลอาจาร์มุทาการอธมอกายินด้อนรับห่ขม้าหลวงพ่อหลวงพ่อวันนี้หนูไม่ไ ม, ไม่มีคาถามค่ะหลวงพ่อเพียงแต่ว่า หลังจากที่ที่กลับออกมานะคะมันก็ยังปฏิบัติได้ดีแต่พอเรากลับมาทำงานเนี่ยมันเหมือนมันจะน้อยลงค่อยๆถอดอ่าค่อยๆน้อ ย, อ ย, อ ย, อยลงไปเดี๋ยวมากลับไปชา้นแบบใหม่แล้วหนูหนูตั้งใจว่าต้นเดือนมิถุนาที่หยุดประมาณสามวันหนูหนูจะไปอีกไปหาที่ที่ปฏิบัตินะคะเพราะว่าที่ไหนก็ได้ที่ไหนก<ช>็นดะ้สงบเราอยู่คนเดียวได้นะที่ไหนก็ได้ หนูจะไปที่อะไรนะเขาแสงทําอะไรของ พ, าพาอาจารย์โสภาค่ะเม่อเราไปดูเข า, าจะเป็นเหมือนมีเป็นกุดเดียเด่ยวๆอะไรอย่างเนี้ยค่ะหนูจะลองช่วนท่านถ้าเป็นว่าปฏิบัติเขาจะจัดให้คนเดียวค่ะหลวงพ่อห น, หนูหนูชอบแบบนี้มากกว่าค่ะชอบเหมือนที่เขาชียโอนนะคะแต่ว่าที่เขายังยังไม่ไม่ว่างไม่ว่างชจวงเหมือนเยอะค่ะเดี๋ยวหนูจะลองทำ สามปรปุกเร่อยๆว่ามีว่างช่วงไหนได้ไหลวงพ่อคะหนูหนูกลับมาทีนิดนึงนะคะหนูกลับมาแม่บอกว่าหนูอารมณ์เปลี่ยนไปค่ะหลวงพ่อมีความผิดวา่าเปลี่ยนเลยคราเปลี่ยนก็เปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนยังไงคือเขาบอกว่าเวลามีมีคนพูดแรงพูดไม่ดีใส่ใส่หนูซึ่งปกติหนูจะสวนสวนกลับหรือว่าไม่ยอมอะไรยเงี้ยค่ะ แต่หนูจะพูดออกมาพูดเหมือนคนไม่ได้มีเรื่องอะไรเงี้ยคือทุกคนเขาก็จะงงว่า<ม>เออทําไมเฉยได้ทําไมเริ่มเฉยได้เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มนิ่งได้อะไรเงี้ยค่ะมันเบรคขางเราไม่รู้เบรคขาเราคุมอารได้ค่ะหนูรู้สึกว่าไม่โกรธไม่กรธไม่นัดไม่กรธคือพูด ค่ะหลวงพ่อพยายามพูดด้วยเหตุผลแล้วมันก็เรื่องมันก็ไม่ได้ไปเลวร้วายอะไรงี้ยค่ ะ, ะก็จะเริ่มเริ่มแบบนูนึกถึงคำหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกว่าลองมาดูซิว่าเวลาเจอเหตุการณ์จริงอะ่ะใจของเรามันจะเป็นยังไงมันจะนิ่งมันจะเฉยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็พยายามทําอยู่ค่ะหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติต่อค่ะหลวงพ่อเพียงแต่ว่า กลับออกมาทําชิวประจาวันตอนนี้ก็กลับมาทํางานมันจะน้อยลงไปคก็ต้องไปเรื่อยๆกลับไปชั้นแบบนี้ใช่ไหมค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูมีรายงานเท่านี้ค่ะหลวงพ่อสาธุสาธุกลับขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะทำไปนะทำไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทํำมากทาน้อยก็ทําไปค่ะหลวงพ่อไม่ไม่ทิ้งค่ะทําปฏิบัติทุกวันค่ะทุกวันค่ะมันจะได้ไม่ไม่ไม่ไม่ถอยบ้างไป ขาหลวงพ่อถ้าอยู่ได้ถ้าอยู่เลยมันเป็นเหมือนกระต่ายกระต่ายเนี่วันวันขยันมันก็ทํามืนเขาวิ่งบางันขี้เกียจมันก็ไม่วิ่งมันต้องทําแบบต่าทําไปเรื่อยๆขานไปเรื่อยๆคือทำไม่หยุดเลยทไปอ่าไม่หยุดเลยขานหลวงพ่อหลวงพ่อเขาเวลาเวลาที่กลับออกมาเนี่ยค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนใจเราอ่ะอยากอยากจะวิ่งเวลามีช่วงเวลาอย่างเงี้ยเราอยากจะ ไปปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันใจอ่ะมันมันมันฝักใฝ่แบบ<ด>มันยินดีบบมันยินดีรถแห่งครรมมันได้สำหรับกัรรถแห่งครรมแล้ว<ฆ>มันชอบแต่ก<ฆ>็ต้องดูสภาความเป็นไปได้ถ้าอยากเราเป็นไปไม่ได้ก็ต้องรบรรลุความอยากและช่วยรับค่ะหลวงพ่อมันโมจะทําให้เราทุกได้เห็นไหมอยากปฏิบททัติธรรมแล้วไม่ได้ปฏิบททัติธรรมมันก็เป็นทีเด็ดได้ค่ะอย่างอย่างวันนี้หนูได้ได้ข่ามาว่าเขาจะให้พนักงานที่บริษัทนะคะไป ไปเหมือนไปอบลมไปกินไปนอนไปทำกิจก ร, รรมต้องเป็นอาทิ์โดยที่แบบหนูความคิดหนูมันสวนขึ้นมาเลยว่าโหเสียได้น้อยน่าจะเวลาเราหน้าควรน่าจะไปปฏิบัติธรรมเนี้ยมั น, น, ม, นมันก็เลยเริ่มขัดแย้งนะคะหลงพ่อแล้วก็้อเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาความเข้าใจของเราเป็นอย่างี้ค่าะานก็เลยก็เลยพอมันลึอกอีกทีว่าให้ทำใจยอมรับ สิ่งที่เขาจะให้ให้เราทําอะไรเนี้ยค่ะเราก็มันเยังอยู่อยู่กับเขาอยู่้ันร่วมร่วมมือกันไปนม่อถึงเวลาต้องทำอะไรก็ทําไปข้าหพ่อแต่แตุ่นูจะพยายามว่ามีโอกาสหนูจะรีบฟ้าค่ะหนูจะนึกถึงว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วก็เวลาผ่านไปเราทําอะไรจ่ายน่าเท่าไหรไปเตะไม่เว้นเลยะเด็กไม่เว้นดีที่สุดข้าหลวงพ่อ วันนี้ค <Okay, none. S 2> ่ะขอบคุณหลวงพ่อนะคะสาธุค่ะ USA, Dallas, Texas, กับอเมริกาเดลัสเท็กซัสับคุณสภัสต์กับนมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอะไร้นีเจ้าค่ะคือลูกอยากทราบว่าถ้าลูกไม่คิดว่าร่างกายเป็นธาตุหรือเป็นแบบมองเป็นอสุภัแต่มองว่าเป็นไตรลักษณ์อะค่ะว่ามัน เดมันเดี๋ยวมันก็มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วค่ะได้ไหมเจ้าคะได้กลายร่างเป็นอนิจจังไปมันคือร่างกายนี่เราต้องดูมันหลายหลายมิติไงอันนี้ก็มิติหนึมันมีกิเลสมันมีหลายมิติเจ้าค่ะถ้าเราไปมองว่ามันสวยงามนี่มันก็มันก็เป็นกิเลสอย่านีเจ้าค่ะเราใช้ใช้อสุภาษิตมาแก้ถ้าไปมองว่ามันเป็นตัวตน แล้วก็เอาเอาธาตุสีมาแก้หรือเร า, เอาการทาสิบสองมดแก้ตอนตอนนี้ลูกยังคือมันมองมองมอ ง, มองเห็นธาตุมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยยัง ม, มันไม่มันไม่ชัดคือไม่ถึงขั้นไม่เป็นไรละก็กคือดูความเปลี่ยนแปลงก่อนดูว่าไม่เจอค่ะเจ้าค่ะส่วนใหญ่จะเข้ามาลักษณะของไตลักษณะเจ้าค่ะพออะไรเกิดขึ้นอย่างเวทนาหรือมีอะไรเข้ามาก็จะแบบ อ๋อมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะมันไม่เที่ยงมันจะดีดมาลักษณะแบบเนี้เจ้าค่ ะ, ะได้ทั้นี้ส่วนนี้แต่ส่วนความรักมีมาต้องใช้แล้ว<ต>ถ้าถ้าถ้ารักแฟนในรักสามีาอย่างนี้ต้องมองอมองโค้งกระดูกเข้าไปมองดูว่าโค้งกระดูกเข้าไปนึกคิดเต็่นจลากทลักเข้าไปพยายามอยู่ค่ะเจ้าค่ะแต่ยังไม่เห็นจุกพราะเยังกินแต่ไม่ยังไม่มองไง มันต้องยกเข้านอนกันยากเสียอีกพยายามอยู่เจ้าค่ะแต่ยังไม่เห็นอสุภะของเขาเจ้าค่ะแต่ร่างกายตัวเองนี่เห็นเจ้าค่ะว่ามันมันเป็นไตรักแต่ของคนอื่นนี่ก็เหมือนกันแ่ละปัญญายังไม่ถึงเจ้าก็ต้องพยายามพยายามพิจารณาว่ามันเหมือนกันนะของเราเป็นยังไงของเขาก็เป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะสงสัยความรักยังบังตาอยู่เจ้าค่ะยังไม่ถึงความรักทำให้คนตามหลอดไย เงินเจ้าค่ะเจ้าค่ะเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเจ้าค่ะกลับก็เลยนะครัคุณพ่อไม่มีคําถามนะเจ้าค่ะกลับขึ้นจิตวิสัทน์จอแจมจิตวิสัชน์พน้องเนี่ยที่นี้มาปฏิบัติหรือเปล่าที่นี้ไม่ได้ไปครับพระอาจารย์น้มักการครับก็เข้ามานมัสการพระอาจารย์ครับก็ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันนะครับโอเคกลับไปที่พุทจเลนทอน ตอนนี้ยังทํางานอยู่ที่บ้านนยู่นะนกกามสกันค่ะพระเจ้ายังทํางานที่บ้านอยู่เลยค่ะช่วงนี้ก็สงสัยโยมต้องมองเพื่อนร่วม ง, งานเป็นทาสสีขนันหะเหมือนกันได้ไม่ไปกอดไปเกียครับไม่ได้น้ําลงไฟใช่ค่ะพอดีว่าโยมเหมือนเหมือนโยมขอเขากลับเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะกลับไปไทยแล้วเขาก็ เหมืนไม่ยอมเขาไม่ยอมให้เราไปเราเลยตัวเราตัว เ, เราก็รู้สึกว่าโอ้ทําไมทําไมต้องทําเรื่องยุ่งยากวุ่นวายเรื่องทําไมเราขอเขากลับเมืองไทยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องยากขนาดนี้คือเขาไม่อยากให้โยมลาผักปอค่ะเพราะว่าเสียประโยชน์เขาไหมรเราไปเราไม่ได้ทํางานให้เขาเต็มที่เราก็หงดหยิดอึดอัดขัดเขืองกับพระเจ้ากความอยากของเราอยากให้ครับำอยาให้ก็อนรมัน ว่าเขาแม่รู้มาให้เราเราก็โกรธเขาก็ใช่เขาที่ตอไปเราคิดว่าขอก็ได้แต่ถ้าเขาจะให้หรือไม่ให้มันเป็นเสรี่ของเขาเราไปโกรธเขาไม่ได้เวลาับของไม่ได้เราก็จะไม่หวังค่ะยังก็ก็พูดดีๆกับเขา่ค่ะต้องรอว่าเขาจะใจอ่อนว่าจะถ้าเรเฉยๆถ้าเราเยๆเ่าจะไม่ตายถ้าเราไปทายกีฬาเขาอาจจะยิ่ง มีทำให้เขาไม่พอใจแล้วยี่งลำบาค่ะพอฟังพระอาจารย์ว่าโอ้ต้องทําตัวให้เป็นดินต้องทําตัวให้เป็นเออเขาเป็นเจ้านายติดที่จะพ อ, อ, อ, อใจก็จหน่อยเดียพอใจก็หน่อยเดียวเขาก็โอเคขออะไรก็ได้ทํายังไงดีพ่ะอาจารย์ถามว่ามีงานอะไรพิเศษให้ทำไหมใหญ่ให้ด้วยปุ๊บ เ, เ, เขาจะรีบให้เลยเอ๋ออทําให้ก็ดูหน่อยเดีเดี๋ยวก็สงสารเราเอง มันต้องมีชีวิตมันต้องมีการแรกเปลี่ยน nothing is free No นอนฟ lunch นะค่ะแต่ตอนนี้ยอมมันขา่าวยอมก็ทำให้เขาตลอดละคะทำให้ได้มากที่สุดก็เดี๋ยวเขาจะเห็นใจเราเองเดี๋ยวยอมไปลองคุยใหม่กค <laughs> ่ะ <laughs> วันนี้ยอมก็ไม่มีคำถามค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้ลูกเป็นไงดีขึ้นไหม ก็ก็เพราะสาเหตุนี้แหะคะ่ะยมถึงอยากกลับเมืองไทยเพราะว่ายมไม่อยากให้เขาอยู่ที่นี่ช่วงปิดเทอมคนเดียวอะคะ่ะก็ไปให้เจ้านายฟังว่าขออนุญาตกลับเมืองไทยได้ไหมให้เราไปทํางานที่เมืองไทยเขาจะได้มีมีคนอยู่ข้างๆเขาแล้วเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเขาอยู่คนเดียวก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้คะ่ะพระอาจารย์ยมก็เขาก็เขาก็ดีขึ้นอะคะ่ะแต่ยมก็รู้สึกว่าเขาเริ่มทานยาค่ะพอทานย า, า, าแล้ว ก็ต้องถามดูเพาว่าเขาอยากจะไปหรือต่อเรับางคนเขาเขายินจะไม่อยากจะมาก็ได้เขาเขาอยากไปค่ะยมก็อยากไปใครไม่อยากให้ยมไปก็ประมาณนี้ละค่ะยมก็เดี๋ยวต้องคุยอีกรอบหนึ่งค่ะพระอาจารย์ยินดีต้อนอับท่านด้วยความดีใช่ค่ะยมผมก็จะใช้ธรรมะก็สูงกลับขอพรบคุณพระอาจารย์นะเจ้าค่ะค่ะเชิญ มีสัาาสามาทานนะบอกวินนะสัมาทานนกราบและมัการอาจารย์เจา้าค่ะวันนี้เข้ามาขอรับฟังเจา้าขาอาจารย์มีคำถามเจา้าค่ะปฏิบัติดีอยู่นะอ๋อปฏิบัติตลอดตลอดค่ะแต่ว่าเรื่องสติอาจจะมีพังเหิอบ้างแล้วก็ ในขณะทํางานก็ยังยังต้องใช้สติด้วยเจ้าพระพาสจะได้ทํางานได้ชัดขึ้นแล้วก็ครบถ้วนมากขึ้นก็ค่ะฝึกนะสติไปรเรื่อยเไม่ว่าจะทํางานก็เป็นการปฏิบัติทําไปได้ตัวนะตอนนี้ก็นะ <Okay. S 2> คือเป็นเรื่องที่เจ้าพระพารเนื่องจากมีสติเวลาทําอะไรก็จะไม่หลงไม่มือเจ้าพระพาสรสองคน okay. นักบวชอาจรย์ขอนมอคุณปาอยู่แบบอยู่กับนักมาศการกรับอาจารย์คุณปาก็อยู่ใกล้ๆ ค, ครับพอดีก็ยังเรียนอยู่แล้วแต่ว่าพรุ่งนี้คุณปาก็จะไปไปเจอกับเจ้ามิ้นนะครับที่เจริญหรือเจอเจ้ามิ้นเดียวน ะ, จะเจริญ น, นะครับอ่ามันมาจยจากจากเชียงใหม่เชียงน้ำเชียงรายไป ครับครับตอนนี้พอดีว่าเอพระอาจารย์พระอาจารย์ต้นท่านมาที่ที่อำนาจเจริญนะคะบินก็เลยตามไปครับส่วนวันของผมวันนี้มามากราบนะมัสการพระอาจารย์ครับนี่ครับอาจารย์สวัสดีเจ้าค่ะอ่าสดแนนะ่หน่อยคนนะึงอาจารย์สวัสดีเจ้าค่ะอ่ามาพรี อ, <c oughs> อะไรไหม ไม่มีครับของผมไม่มีคำถามครับวันนี้มามาฟังธรรมครับปฏิบัติไปนะตามสิ่งกลับแล้วยากลับกลับมาจะมากราบพระอาจารย์อีกทีค่ะได้บคุณครับนัารศกษดีค่ะขอบคุณใจขยันขยับกลับมากราบพระอาจารย์ครับอ่า มีคำถามถามพระอาจารย์น <consistency> ิดนึงครับเวลาเวลานั่งเคยได้ยินจากพระอาจารย์เอมันมีอาการตกหลุมตกบ่อเงี้ยนะครับผมนั่งแล้วมันมีเหมือนมันมันเหมือนจะจะโงกแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่หับอะไรเงี้ยครับพระอาจารย์มันบุบบูบมันมันเหมือนร่างกายมันบูกอะไรเงี้ยครับอาจารย์มันก็มันมจะถนัดงูกับฉลักได้หรื่องูกับฉลักได้น่าจะท๊อป ถ้ามีสตก็รูบเพิ่อสอแตัจะรูนอนกรรับค ร, รับครับ ค, บคบรอาจารย์สงสัยจะงูวูบแบบจะหลับมันครับอาจารย์มันมันป็นรูบแล้วมันตัวมันจะโยกอะไรเงี้ยครับอาจารย์ถ้ า, มถามถิมันจะไม่โยกจน่อ้ตัวจะนิ่งแล้วมันก<อ>็จะจะสงบใชครับอาจารย์๋อครับครับครับ ไม่ไม่ไม่เคยเป็นก็ก็เลยงง ง, งว่าเอ๊ะปกติไม่ไม่เคยโง่อะไรเงี้ยครับอาจารย์ครั บ, รรรบแล้วก็อีกครั บ, บอีกคําถามครับอาจารย์เออเคยคืออี ก, กิเลตเนี่ยมันมันไร้ากาดมากเลยครับอาจารย์กรณีที่เราแบบเหมือนพวกติดเหล้าติดบุหรี่ติดเอ่อเรื่องของออกามรมาลาคะเรื่องอะไรพวกเนี้ยครับอาจารย์คือ คือการจะชนะมันเนี่ยเราต้องมีแบบหลายๆวิธีอะไรประมาณนี้กับหรือเปล่ากับอาจารย์ครับถ้าเรามีสติมีสมาธินั่นคือปัญญาอืมครับครับพยายาสติให้มากๆฝึกสมาธิใหมากๆแล้วก็มันจะเจริปัญญาให้มากๆอ๋อก็ต้องใช้ทั้งทั้งสามอย่างเพื่อที่จะชนะมันได้ข้ามเรียนมากค้าม ถ้าขับปัญญามันไม่ฆ่ามันได้แบบรวดกันถ้าเป็นสมาธิมันจะหยุดมันได้เปบนชั้นๆแต่ถ้ามีปัญญาปัญญาทํางานมันได้อ่างถาครับ <c oughs> แล้วแล้วแล้วปัญญาเนี่ยก็คือว่าก็ต้องก็ต้องพิจารณาอย่างอย่างเช่นอสุภาษเนี้ยก็คือก็ต้องเอ่อแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าฆ่ามันได้อย่างถาวร น, นะครับระอาจารย์ครับ เราก็จะได้เป็นความอยากทำในสิงนั้นเป็นตอบอ๋อครับครับครับครับเกครับครับครับหมดแล้วครับกอบขอบขอบคุณครับอาจารย์ครับท่านฟนนะอาจารย์มัธการมาอาจารย์นะครับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่อยู่ที่กรุงเทพครับ พอดีว่าผมซึ่งเข้ามาฟังครั้งแรกเลยครับนะครับครับผมก็อยากจะสอบถามมีแบบประเด็นอยากจะสอบถามพระอาจารย์นะครับนะคือสงสัยว่าอย่างตัวผมเองครับคือผมเป็นคนที่เหมือนกับจริงๆสนใจเรื่องการปฏิบัตินะครับแต่ว่ายังไม่เคยได้ปฏิบัติแบบแบบว่าจริงจังเลยครับแล้วตัวโยมเองก็รู้สึกว่าเหมือนกับ คือโยมยังไม่สามารถตัดเล่นทางโลกได้ครับกับเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางโลกอนีน้โยมยังไม่สามารถตัดได้ก็เลยอยาก เ, าเรียนแบบสอบถามพระอาจารย์ครับว่าจะมีหลักการในการปฏิบัติอย่างไรบ้างะครับอ๋อเพื่อเราไปเข้าคอร์สอยู่เนี่ยคีอเราเนหลักให้หลีกการให้เราใช ป, ปฏิบัติสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างเพื่อให้ใช้ เ, เ, เรียนด้วยวิธีการปฏิบัติครับถ้าเราปฏิบัติไม่ได้เราก็ไปเข้า p o i คอร์บ คือคือเหมือนกับผมเคยแบบอย่างช่วงเด็กก็เคยสวดมนต์ครัแล้วก็เหมือนกับอย่างบางทีก็จะมีโอกาสก็ได้นั่งสมาธิบ้างแต่เหมือนกับผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้แบบเอ่อปฏิบัติแบบเป็นเรื่องเป็นราวสักทีนึ่งนะครับใชแล้วริ่มเรื่องเก็จะมีชอบเป็นสื่อเขาจะมีอารางเวลาให้ปฏิบัติถ้าแดดเต็มใจเลยคือควรเป็นลักษณะของการแบบหาอาจารย์ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์เรื่องภาษา น้่ที่จะเดนินลงไปในการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติในเร า, า จ, จะปฏบไม่ถูกแล็ปฏิบน้อยแต่ถ้าเราไปเข้าัสตที่ต้องมีจัดไปาว 3, 9, 0, 7, ันห้าวันเ็วันี่จะมีราะเมนใั้นหลักมันจ ะ, จ ะ, ะให้เราไปทตามัญญให้เราเดินนนั่งสมาธิสบายพักมือ ควาเจ็บความทำรับประานอาหารัดกอนอะไก็จะมีตาราใหราทำอดกัด็กครับครับแล้วก็อยากกระสอบถามอีกประเด็นนะครับพอดีเหมือนกับอย่างตั้งแต่เด็กๆนะครับเหมือนกับบางครั้งที่เราเหมือนกับก็มีปฏิบัติบ้างนะครับก็เหมือนกับระหว่างที่เรานั่งสมาธิเราไหว้พระเราสวดมนต์้ะครับมันจะชอบมีความคิดที่มันเหมือนกับเป็นความคิดที่มันไม่ดีแต่มันไม่ใช่ตัวเราเลยครับแบบเกขึ้นมาตลอดนี่ครับเราจะมีวิธีจัดการรับมือกับมันยังไงบ้างครับ ถ้าเราเข้าพิสูจน์ัวได้เราก็จะมานํามันได้ะครั้ที่ไนแล้วพิสูจน์ตัวพูจนันครับคือเหมือนกับบางทีมันขึ้นมาเราก็เหมือนเรากลัวบาสนี่ครับเหมือนเป็นความไม่สบายใจคิดเฉยๆยังไม่ได้ทายังไม่บาสนี่ไม่เป็นบาถ้ายังไมู่ยังไม่ทำัไม่เนคือเหมือนกัมันเป็นแค่ความคิดที่แบบขึ้นมาเราก็ต้องแบบกดมันไวใช่ไหมครั ก็ไม่ควรปล่อยให้มันนับระบออกมาทางกายทางัตหมนไฟอ่ะมัน่มั น, ม น, ม น, มนม่มันจะไหม่ถ้าเราเรียจดับไฟมันจะมันไม่ไม่ไม่ไม่หมบ้าไหมะไร็จะใช่แต่ไม้ตงจุด ท, ที่มันเริ่มเร่กันก็ขอบคุณพะอาจารย์มากนะครับแล้วก็ขออนุญาตก่าเอ่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์น่แะครับพอดีเพิ่ง รู้จักแล้วก็ได้เข้ามาฟังเพราะช่วงกนได้เข้ามานี้ก็ถือว่ามไม่รู้จักกันไม่คุ้นไม่เข้ามาครับอเคนะยินเลยินดีต้อนรนะับครับกับสมัสการท่านอาจารย์มากนะครับใช่คุณทายาทเลยทายาทไม่เกียวกั่ับเกียวกับักการครับ เออค่ครับครับอยู่ตอนนี้อยู่กรุงเทพครับเพิ่งกลับมาจากต่งางจังหวัดเอครับผมก็มีปัญหาที่จะสอบถามทางประการนะครับอ่าเรื่องแรกอ่านักสมาธินี่ควรจะขั้นต่ำสักกี่นาทีดีครับเพราะไม่ไม่ได้อยู่ที่เวลาอยู่ที่ว่ามีมสติหรือเปล่าถึงเปิดสติไปแล้วมันถ้ามีสติมนก็นั่งได้นะถ้าไม่เปมีสติมันนั่งได้เดียวเดียวมันไม่อยากจะเลิก อ๋อครับผมเพราอากับผมเนี่ยขั้นต่ําเนี่ยสักสีสิบห้านาทีอะครับ น, นั่งไปเลยนั่งไปเลยผ่านแล้วนั่งไม่ไหวครับผมครับผมคําถามที่สองอะนะครับอตอนเนี้ยผมพยายามฝึกลดตัวตนของผมโดยวิธีโดยผมคิดว่าเอ้ยถ้าลดตัวตนเนี่ยมันก็จะช่วยอะไรกับจิตใจให้ไป่ต้งยึดมัน่นถือมั่นไม่ต้องตั้งตัวเป็นใหญ่อะไรก็คือละทุกอย่างนะครับโดยการที่ผมไหวทุกคนเลย ที่ผมต้องสัมผัสหรือทํางานด้วยไม่ว่าจะเป็นสวัสดีอีเลเว่นแม่บ้านแ ม, ม่คุณแมค้าครับผมกินข้าวผมก็ยกมือไหว้แลวเพื่อลดตัวตนของผมอันนี้จะช่วยในการลดตัวตนได้ไหมครับไ ด, ได้ทําตัวเราเ ป, เป็นเหมือนคนนักใช้เนี่ยใช่ครับเหมื อ, อเนเนหมือนไปรับงานเซลล์นใครเข้ามาแล้วต้องต้ อ, ตอนรับเขาครับผมก็ยกมือไหวแล้วก็<ล>ทําจินใจให้แรกแรกแรกแรกก็รู้สึกขัดเขิน แต่ตอนนี้ก็รู้สึกดีเลยน่าจะสบายใจแต่เข<ต>้าผมได้ง่ายๆครับผมครับอ่าแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะฮะอ่าเวลาผมนั่งสมาธิเนี่ยก่อนหน้านเนี่ยอาการที่อาจารย์เคยพูดถึงตกวูบนฮะหรือบางคนร่างกายหายหรือขยายหรือลอยได้อะไรเนี่ยผมก็ประสบมาหมดละแต่มาช่วงหลังๆเนี่ยการนั่งสมาธิของผมเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยมันนิ่งไปหมดทุกอย่างเลยจะได้ก็ได้มันมันนิ่งสงครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นธมาธิแล้วใช่ไหมครับธรรมที่แต่ต้องมีความสูงด้วยต้องมีครับอ่าผมรู้สึกเฉยๆอะครับไม่มีความสุงแต่ผมรู้สึกว่ามันมาสะกันใจเลยไม่ครัเฉยหมดทุกอย่างเลยก็ได้มันเฉยก็ได้ครับถึงแม้ว่าออกมามันก็เฉย ผมก็เลยกลายเป็นเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนเฉยๆเห็นอะไรทุกอย่างก็เฉยไปหม ด, ดครับได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นสมาธิอย่างหนึ่ง น, นะครับครับผมก็คำถามสุดท้ายนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปรึกษาไม่รู้ว่าผมจะบ้าๆบอๆไปปรับอ่าผมนั่งทานอาหารเช้าเนี่ยเขาก็เอาไส้กรอกมาให้เอาไข่ดาวมาให้เอาขนมปังมาให้อยู่ดีๆในหัวสมองเนี่ยผมก็คิดขึ้นมาเฉยๆว่าเอ๊ะไส้กรอกเนี่ยก่อนหน้านี้มันคืออะไรอ๋อมันคือหมู อันแล้วแต่กอกนี่ไม่ใช่หมูเหรอผมก็ว่าเอมันก็ไม่ใช่หมูแล้วหมูเป็นแต่กอกได้ยังไงก่อนมาเป็นหมูไม่เป็นอะไรสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาเป็นคําตอบของผมเองอ๋อมันโลกสมมุติทั้งนั้นเองจริงจริงมันไม่มีอะไรเลยในโลกดี อ, อันนี้ถือว่าเป็นการใช้ปัญญาโดยอัตโนมัติหรือเปล่าครับก็เห็นเรามั น, ม, น, ม, นมันเป็นแค่คาดนะครั บ, ญญรบผมก็เลยไม่รู้สึกว่า มันคืออะไรเลยมันเป็นโลกสมมุติทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นตัวอย่างครับทำมาจาตข้าศึกมีน้ำลงไปครับอันนี้จะถือว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาที่เกิดขึ้นเองในทางที่ถูกต้องเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องบ่อบ่บที่คิดก็ยังเป็นส่วนหนึ่งมันเราต้องขยายความส่อไปว่าไอ้สายต่อมันเข้ามันในร่างกายแล้วมันเข้ามกลายเป็นของเป็นของในนั้นทันทันอ๋อคิดครับอันนั้นก็คิด เตลิดเปิดโปงไปเลยว่าเดี๋ยวมันก็กลายเป็นต้นไม้เดี๋ยวมันก็กลายเป็นลูกผมหรือมันก็กลายเป็นพ่อแม่ผมครับผมคิดเตลิดเปิดเปงไปบ้างเลยคุณท่านเป็นเหมือนเป็นเป็นเหมือนของที่เราเลิตขึ้นมาครับครับผมอันนี้ก็ถือเป็นปัญญาอย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่แล้ก็เรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีหลายเรื่องครับผมครับผมครับครับมีปัญหาจะรบกวนเพียงเท่านี้แหละครับกบขอบคุณครับ ไปที่คุณเอ็นเจก่อนเอ็นเจปวดไหมน่าไหม n อ็นการนั่งาชการภาษาอังกฤษค่ ะ, อ, ะอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมยอยู่ญี่ปุ่นค่ะสีะ่เซนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผ่านไปได้ด้วยดีค่ะพระอาจารย์ดีเมือ่อตั้งแต่วันวิสาขมาลองกลับมานั่งสมาธิใหม่หลังจากพยายามทำสตินะคะทีนี้มันมีอยู่คืนหนึ่งมันเข้า เขาเรียกว่าอะไรคะมีสมาธิหรือเปล่าไม่แน่ใจมันมันลูบไปแล้วก็นิ่งแล้วก็มันมืดไปหมดเลยไปได้สักพักใหญ่แล้วเกิดกลัวขึ้นมาก็เลยออกจากสมาธิคะ่ะ ท, ทางที่ท่องพุทโธอยู่ไม่ทราบว่าควรควรทำยังไงคะก็ควรนั่งต่อไปมันไม่ไดีนะนัง่งตัวเราคิดขึ้นมาเองนะถ้าไม่คิดมันเข้ม่ตัวใช่ไหมมันรู้สึกแบบขนลุกแล้วก็แบบ อะทายังไงดีเป็นธรรมดาล้จิตมันสมองมันกจะบรกาศควานสู้ขึ้นมาได้ไม่เให้เรานัง่งห้องทุตพุธโ ท, ทต่อไปห้องทุทตพุธตนค่ะไม่มีคาถามแล้วค่ะ ต, ต่อไคุยต่อได้ยังเป็นธัญพอนตอได้ยัง พ <า S 1> ระอาจารย์ได้ยินไหม น, นะครัได้ยินแล้พูดได้แล้พอดีเมื่อกี้นายเข้าในโทรศัพท์ค่ะพระอาจารย์แล้ว<อ>มันมีปัญหาคือกดแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ค่ะพระอาจารย์<อ>ก็เลยคราวนี้เปลี่ยนเป็น iPad แทนค่ะอ่าดูนะไม่ได้นะใช่ค่ะพระอาจารย์ทีนี้ก็คือจริงๆก็อันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ตั้งใจจะมากล่าวพระอาจารย์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจองสัวไปกราบพระอาจารย์แล้วค่ะได้วันแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วก็ถือโอกาสไปปฏิบัติได้ค่ะ ค่ะรอบนี้ก็จะไปสิบวันค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนเปิดค่ะพระอาจารย์ก็มีเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมน้อยลงแต่ว่าก็อาศัยว่าเวลาทำงานก็ฝึกสติเจริญสติเรื่อยค่ะพระอาจารย์ใช่ ใช่ค่ะใช้การท่องพุโบบ้างหรือว่าดูการทํางานของกายบ้างค่ะพระอาจารย์แต่แต่ก็ยังหลุดอยู่บ้างนะคะพระอาจารย์ยังไม่ได้ก็ลองต่อั่ร่วมรบคานไปก่อ่คะพระอาจารย์ค่ะที่นี้เมย์มีปัญหาหนึ่งก็คือว่าเหมือนเวลาทํางานบางทีมันเจอสภาวะความเครียดค่ะพระอาจารย์สิ่งที่พอเรารู้ตัวว่าเราเครียดเนย์ก็จะนึกถึงคําสอนที่พระอาจารย์บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้มีสติ บางทีถ้ามันจนปัญญาจริงๆก็นึกถึงว่าปัญหาทุกอย่างมันเป็นใจรักเหมือนที่พระอาจารย์เคยสอนนะคะแต่บางทีก็ยังหลุดอยู่ดีค่ะพระอาจารย์ก็ยังเครียดอยู่ว่าไม่เป็นไรก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะพ่ะอาจารย์เล า, าไปมันก็จะมันก็จะลดความเครียดลงไปได้มากขึ้นมากขึ้นแต่ไม่จังหวดไปทีเดยวมันไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ ความเครียดก็จะตามอย า, อากของเราให้ที่อย่างนี้ได้ใช่ค่ะพิจารณาอยู่แต่ก็ยังยังเหมือนไม่มีกําลังพอที่จะหยุดแต่สักหยุดเหมือนรู้ตัวค่ะพระอาจารย์ถ้าเราลดความอยากได้ครับเครียดมันจะออน้อยลงไหมค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็น่าจะไปเดือนกรกฎาคมค่ะพระอาจารย์โอเคได้ค่ะค่ะพระอาจารย์กับคำว่าคุณพระอาจารย์นะคะมีตัวหน้าไม่เข้ามาเลย ค็นนี้อยู่คนละบ้านกันค่ะอาจารย์เพราะว่าห น, นูมาอยู่ในเมืองค่ะต้องทางานก็เลยอยู่คนละบ้านกันค่ะค่ะอ า, า, าจารย์อ า, า, า, า, าจารย์ ก, กับารอาจารย์ค่ะต่ อ, อไปคุณาปานปาว่ า, า, าอะไรนะปานว่าอะไรไม่มีคำถามเจ้าค่ะไม่มีนะเนี่ยสวัสดีารนต้อน ค่าธรรมศาส ก, การค่ะอาจารย์วันนี้อยู่พัทยาลหรอคะอ๋อมาทำอะไรมาตั้งใจมาใส่บาตเลยค่ะครับไม่ได้ไม่ได้มาปฏิา บ, าบัติธรรมนะพอดีอ่าแฟนเขาช่วงตสงการไม่ได้ไปไม่ได้ออกอไม่ได้ออกมาข้างนอกค่ะเขาก็เลยถามว่าอยากไปไหนก็เลยอยากมาใส่บาตค่ะเขาก็เลยพามาใส่บาตรนะคะดเดี๋วพุทธพัทยาถึงเมื่อคืนตอนตีหนึ่งค่ะกรุงเทพฝนตกหนักมากเลยค่ะ ตว่าตอนนี้ถึงภัทยาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นไปใส่บาตรนะคะไ ด, ได้ต้องบอกมาลาใส่บาตรใส่แด้จะจำ ไ, ได้ต้องต้องบอกตัวหน่อยนะค่ะพองนูนันจะได้จำได้ค่ะสาธุค่ะคุณศิริการลองเปิดไมล์หน่อยดีอันนี้จ ะ, ะได้ไ้ม<า>่มุมซ้ายได้แล้วค่ะแล้วก็การมัชการค่ะแล้วก็ อยู่ที่ไหนหนูหนูเพิ่งหนูพยายามจะเข้าฟังหลายครั้งแต่หนูก็ติดตามหลวงพ่อตลอดทั้งจะเป็นติดตามในทางเฟซนะคะแล้วก็ในเฟซอะ่ะหนูจะอ่านคําพูดธรรมะ ข, ของหลวงพ่อตลอดเลยจะจะจ ะ, จะไม่ค่อยฟังซีดีนะคะ่ะหนูจะไม่ค่อยเป็นภาคเคลื่อ น, นไหวแต่หนูจะอ่านจะเร็วแล้วก็มันจะจํากว่าพูดแล้วมันจะเหมือนพอแล้วอ่านแล้วมันจะมันสามารถที่จะจดจำซ้าาําๆำึากๆอ่ะแล้วก็ การปฏิบัติธรรมของหนูอ่ะหนูก็เรียนเรียนมาหลายปีแล้วค่ะเรียนกับอจาจารย์ยุพาหลามคุณมาหลายเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะแต่ว่าแล้วก็หนูพยายามหนูหนูก็พยายามศึกษากับแนวสายวัดตาแบบลวกตาทั้งหลายที่เกจิทั้งหลายที่แนวปฏิบัติแล้วก็แล้วก็คือส่วนใหญ่นี่หนูจะใช้ทางด้านปัญญามากกว่าสมาธิหนูจะใช้ปัญญาเดินปัญญามากกว่าคือ มันจะคือการทําสมาธิหนูจะไม่ค่อยได้อะค่ะประมาณสักห้าสิบนาทีมันจะพุ่งละแต่ว่าการดัดปัญญาเนี่ยมันจะทันกว่าหนูจะรู้สึกว่าเออถ้าหนูรู้จะเอาใส่คือหนูหเรียนในพิธรมด้วยค่ะอาจารย์มันก็พอได้มาช่วยได้เยอะเหมือนกันคืออพิธรรมนี่จะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเออถ้าสภาวะละมองเห็นละมองเห็นภาพเห็นอะไรมันจะตัดผัสสะเออตามหูจะโบนี่กายใจเราจะมองอะไรอย่างหน้าบ้านใครเดินท่านอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ทําให้เราเรียนรู้ อะไรที่ที่จะเอามาใช้อย่างนี้ค่ะคือจะพยายามฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติแต่ว่ากิเลสเรานี่มันแรงมากค่ะหนูยอมแล้วว่าหนูพยายามทําตลอดแม้แต่กินข้าวอาบน้ําหนูก็ฝึกความรูตลอดฝึกยอมรับกล้าพูดด้วยสัจจะสจริงไ ด, ด, ด, ด้สาธุเลยค่ะว่าหนูทําแต่ว่ากิเลสมันแรงมากแล้วก็หนูพยายามไม่ทิ้งธรรมะเลยแม้แต่แม้แต่บับนหนึ่งจะต้องมีธรรมะเข้ามาตลอดเวลาแล้วก็พยายามปฏิบัติแต่ว่ามัน มันหนามากกิเล่มันลบยากมากค่ะพ่อจย์แล้วก็หนูหนูก็รู้พระอาจันหนูก็หนูก็พยายามดูประวัติพ่อาจารย์มาจากไหนพ่อจารย์ไปยังไงหนูก็พยายามดูแล้วหนูก็ชอบคบพูดพ่อจารย์มากเอออะไรก็มันก็มันก็ปฏิบัติอยู่แต่มันไม่ได้อะไรอะค่ะพ่อจารย์คือคือมันก็รู้ว่าบางครั้งมันก็จะเหมือนเราจิตเราเราลึกเราได้บางครั้งมันก็ทันนะเออเวลากินข้าวเนี่ยคือกำลังหิวหิวเนี่ย ผมก็รู้ว่าหนูกาลังอยู่ละหนูก็จะหนูจะต่อต้านกิเลสว่าเออต้องเคี่ยวให้ช้าลงต้องไม่ต้องรีบหนูจะนิ่งคือหนูจะเห็นกิเลสมันกําลังทํางานละแล้วตอนนี้อย่างเส่้อาบน้ําเนี่ยหนูก็จะไม่รีบไม่ว่าล้างจานหนูก็หนูก็เอาเอาการผัสสะคือการกระทบว่าเออเออเราก็รู้ว่าเออการการนอนก่อดนอนเนี่ยหนูก็จะกําหนดอสุภะอ่าสามสิบสองเอาเอาสามสิบสองพูดโทนนนี้จะไม่ค่อยอยู่หนูก็จะพิจารณา การสามสิสองอสุพะแล้วก็ธาตุสี่เออธาตุธาตุที่ธาตุเข้าไหลเข้าไหลออก น, นี่ค่ะพระอาจารย์ว่าหนูปฏิบัติแนวนี้เนี่ยหนูม่าบ้าเกินไปไหมหรือทําไมหนูยอมรับว่ากิเลสเนี่ยหรือว่าชาติที่แล้วมันมันไม่ได้หนูสะสมมาไม่ดีไม่รู้หนูก็ไม่ได้โทษอดีตหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหนูเดินปัญญาตลอดไม<ห>่พอปัญญาอยาอ่างเดียวไม่พอต้องมีเบรคขาเป็นพุทธศาสนา ต้องจารนิเวศการเข้าสมาธินั่งสมาธิะเจ้ากันสอนให้เข้าสมาธิก่อนต่านต่างๆเข้าสมาธิใช่ไหมคะในสมาธิร่วงห้นาทีม่ทีมพอไหมครับพระอาจารย์พอหลับตอนนั่งเป็นชั่วโมแต่ใหม่ๆก็อาจจะสั้นๆไปก่อนแต่ต่อไปก็ขยายเป็นชั่วโมเป็นชั่วโมง มันจะมีกำลัง้ามีกำลังมันหยุดกี่เดือ้โ้หชื่อโมงเลยเหรอคะถ้าท่านาท่านเป็นแล้วมันง่ายมันชั่วมองนี้เล้เสร็จงา่ายมากแต่ใหมๆมันจะรล้สร็จยากแต่ว่าสุขภาพหนูเนี่ยคือเขาคือจะไม่ค่อยดีถ้านั่งนานหนูจะรู้สึกปวดอตอนเวล า, านั่งก็กยีก็ได้ั่ไม่ได้ไม่รู้หนูผ่าตัดมากระดูกระดูทับเส้นนะ นั่นแ่ะ น, นั่งนั่งก๊อยอีกนั่ง ส, า ส, งกกสบายที่ไหนน่ะก๊อยอีกะครคือคือหนูขอโทษนะครับอาจารย์ไม่ใช่ว่าหนูนั่นนะหนูเอาตำราเนาะตำราจะบอกว่า เออเราเราสามารถที่จไปสองทางคือส ม, มถะแล้วก็วิปัสนาหนูก็เลยเลือกเอาไ ม, ไม่ไม่ไมจรงอไม่จริงว่าเจ้าถอนนาแต่ีนทั้งธรรมที่มีช่งปัญญาใช่มีพีเตอร์คู่แต่ว่าเราอาจจะเอาอสมาธินี้มากก็ได้ไม่ได้เราต้องต้องต้องสมาธิอย่างนั้นต้องก้าวชาติให้ได้สอบบรรดาสมบัค่ะ คือหนูเน้นเน้นปัญญาไม่ได้ใช่ไหมคะหนูเน้นปัญญาอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้เน้นปัญญาอย่างเดียวไมด้ยังไม่ยังไม่ได้เป็นพรานาไม่ได้ปัญญาเป็นแค่จิตาจมัญญาค่คะ อ, อเคขางเป็นภาวนา ไ, ได้ค่ ะ, คะอูพยานอูก็คงหมดคาพูดแล้วค่ะคือหนูห น, หนูหนูก็พยายามคือปฏิบัติตลอดแต่ว่ากิเลสที่มันมันมีกระทบเนี่ยมันก็ยังฟุ้งอยู่แล้วมันก็ยัง นั่นแหละเพราะไม่มีม่มีเดขามันลีเดขาจิตท่านไม่ดจิตท่นชืแต่พุโทโธถ้าพุโทโธถีถีก็ก็ก็ไม่มานะแม่หนูพุทโธที่ีก็ไม่มาแต่ว่าคือเรามันยังหลงมากอยู่อะค่ะมันพีมันอุปยาณหนูทำเยอะแต่มันมันมันได้ไแต่ว<ถ>่าทำไม่ถูทำไม่ดูค่ะทำไม่ถูทามากแต่ทำไม<ะ>่ดูค่ะอาจารย์ ไม่ทำสมาธิด้วยต้องทำสมาธิลอดเวลาใช่การสมาธิมีมีตัวไหนอีกคะือมีตัวเดียวใช่ไหมคือสมาธิใช่ไหมคะสติตัวเดียวสติก่อนต้อมีสติกนมีพทโธพทโวัดแล้วก็ม่นั่งสมาธิทุกวันอยู่ก็ทำตามรูปแบบนะรูปแบบคือเราจะทำเออคือมีสวดมนั่งสมาธิแล้วก็ก่อนนอนก็กำหนดสุขล้วหขณะใช้ีวิตอามรูแต่มันไม่ทำไม่ได้ผลมันทำต้องทำให้มันได้ผล จิตต้อรวมรวมเป็นเอกรวมเปนหัดแล้วรวมให้ได้ค่ะโอ้ทันงนั้นก็โอ้ขอ บ, บคุณพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ก็จะลองสมาธินะคะอันนี้ก็ปัญญาเยอะไปนะ<อ>ปัญญาเยอะไปขอให้ใกล้จารย์อายุยืนนะคะไม่เป็นผ่วลุมใจนะค ะ, ะไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้หลวงปู่แสงก็เป็นข่าวอย่างนี้แล้วก็สายวัดป่าก็เหลือน้อยลงหนูก็ ขอภาวนาให้พระอาจารย์อายุยืนแล้วก็สติปัญญาอย่าหลงอย่าลืมไม่สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหานะคะพระอาจารย์กราบสาะสาาทุกนกราบพระทุกท่านเิ่เกิเดปันเดชทีเกิดเห็นเข้ามาตอนต้นไม่เห็นอะรแล้วหายไปกับน้ำสกสารครับพอดีว่าอยู่บนรถครับพระอาจารย์ แล้วพอดีก็นอนเน็นไปฟังเทศกับทําบุญกับพระหลวงพ่อลงกดมาครับก็เลยกลับชาครับสุวนันบุธครับาวันนั้นเวันวิสาขะครับพอดีว่าได้ไปทําบุญกับหลวงพ่อใช่ไหมพระอาจารย์นะครับแล้วก็ได้ไปช่วยไปเป็นลูกศิษย์ด้วยครับก็แล้วเอวันจันทร์ก็ได้ไปใส่บาตรครับแล้วลูกศิษย์ท่านอื่นเขาบอกว่าพระอาจารย์นับเองเลยครับ คนที่ใส่บาทนะครับนไปเรื่อยๆเป็นสัแต่เป็บนบตรนนไ ป, ไป่อที่ดอือครับพรตอนที่ช่วยนี่คนเยอะมากครับผมก็อมคอยพี่เขาบอกคอยหยิบใส่กระมังกระมังไปเรื่อยๆคือตัวเองก็ได้แต่ภาวนาพุทโธครับแต่ว่านับอย่างนั้นก็คงไม่ไหวครับอาจารย์ครับนอนกน็อ ฝึกเลยใช่ไหมครับคือพรอาจารย์ฝึกพระอาจารย์ฝึกยังไงครับพระอาจารย์ทุกวันนี่นับหนึ่งกนับหนึ่งสองสามเม<ต>ื่อกี้นคนค น, ค น, คนใส่บาตไปก็นับไปมันนี้มันได้ไหนมันไี้สามันนด้สามันนับไปอังไครับผมก็พยายามนึกถึงที่อาจารย์สอนก็คือตอนที่ช่วยก็พูดโทตามไปครับแล้วก็เดิน <c oughs> ไปก็พยายามพุดโทพุดโธรตามเลยครับรู้สึกว่ามันมันมันเลอะลึก เลิกรู้ตัวบ่อยขึ้นครับอาจารย์ทีนี้ตอนขอถามคุณถามครับอย่างนี้ตอนที่ขับรถครับราอาจารย์มันก็มีสตินะครับแต่ว่ามันควรจะกำหนดยังไงเพื่อจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับเอนดูรถเสร็ไปดูยังคือไม่ต้องไปดูที่ปลายจมูกใช่ไมัม่ไม่ไม่ไม่ดูเราไม่ดูอะไรดูรดูเพรมันมีคถามที่มาดูดูทางดูเราไม่อยรวเรา ครับก็รู้สึกว่ า, ามันมันครับมีสตินะครับมองเห็นรอบรอบด้านเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขาวาเากังดูใช่ับรู้สึกว่าเราก็จะเกื้อกูนว่าเราพยายามดูว่าเราไม่เบียดซ้ายไปเบียดฝังใครโดนลดเลขโดนให้สัญญาณตอนนี้บางท่านจะเปลี่ยนเรือะไรทั้งนั้นนะถ้ามันจะติดตัการขับรถครับกลัวอย่างเดียวคือกลัวแบบมัวแต่แบบไป ลงไปดู่จมูไม่ได้หรอกมันโดน ไ, ไ, ไม่ได้เลยเวลาทํา ง, งานต้องโดนทางเลยใช่ไหมแต่มันครับก็ะจะพยายามคือคื อ, คอตอนขับก็นึกถึงอาจารย์ครับแล้วก็พยายามดูแล้วก็นึกถึงคําที่อาจารย์บอกว่าเออเหมือนร่างกายเราก็เหมือนกันขับรถก็คือมันแค่ทําเป็นอายตนะให้เราเองนะครับในความเร็ครับทุกวันหนึ่งเราก็ต้องมีก็ต้องจะละมันไป ใช่ครับก็ถือว่าโชคดีครับพอดีว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ที่วันวิสาข์พอดีว่าญาติเขาชวนเบรกทีหนึ่งครับแต่ว่าเออเราก็เห็นว่ามีโอกาสได้ไปอยู่แก่อาจารย์ได้ไปทําบุญก็ก็เลยไปด้วยครับมีโอกาสว่าจะไปทําบุญแบบอาจารย์อีกครับครับมีคําถามเท่านี้ครับอาจารย์ครับขอับครับคุณอีคุณดีก็ดีนะใช่ไหมคุณ <l> กระหับนวัสการพระอ า, าจารย์เจ้าค่ะเออไปบนฟางปาง ว, วันใดเนี่ยอยู่ด้วยกัอ่าใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์ <l> ตอนหนูยังไม่มีโอกาสได้ไปกประหับก็ฝากของไปเล็กเล็ ก, ลกน้อยนอยค่ะกระหับ <l> ตรง น, นี้ก็ได้ตรนนี้ก็ได้กระหับเ <l> จาา้าค่ะก็เออช่วงนี้เริ่มเริ่มหัดหัดนั่งสมาธิบ้างค่ะพระอาจารย์ แต่ว่ามันจะมันจะเจอว่าพอดีเป็นโลคอีกกล้ามเนื้อมันหนีบเส้นประสาท ต, ตรงบริเวณสะโพกนั่งได้สักยี่สิบนาทีย5ิบห้านาทีมันก็จะชาแต่ก็พยายามจะมจะไม่สนจ<ด>นะจนะนะไม่สนจราะฉะนั้นนั่งนั่ดูละคหังมันนั่งได้นาน ห, นะ <laughs> าหลังค่ะหลังๆนี่ก็ไม่ได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ดูแล้วค่ะอาจารย์ที <laughs> ก็พยายามจะเริ่มหยุดหยุดมันไปเป็นรวานั่งสมาธิแล้วร่างกายมันเจ็บตนนั้นนั่งสนมันไม่่เจมนไาม่สา่่ก็พยายามจะฝึกทำค่ะแมาจันเพิ่งเริ่มต้นค่ะาจารย์ค่อยๆเดินมันต้องมีจุดเริ่มต้นเราทำแล้ต่อไปมันน่เจ็บใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแค่มากาบแมาจยนค่ะสาธุค่ะ มีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมด1ิบสองคำถามค่ะคำถามแรกจากคุณนิดขอถามพระอาจารย์ค่ะเห็นคลิปหนึ่งที่เป็นคนสติไม่ดีทำร้ายเด็กจากคลิปที่เห็นรุนแรงมากตกใจมากจนรู้สึกร้อนวูบเมื่อก่อนตอนยังไม่ศึกษาธรรมจะโกรธจะกล่าววาจาที่ไม่ดี ตามความรู้สึกที่เห็นแต่ครั้งนี้ก็ตกใจมากแต่พยายามดึงสติให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นหยุดไม่ปรุงแต่งไม่ให้อารมณ์โกรธเดินหน้าต่อแต่ใจก็ยังเต้นแรงอยู่อยากถามพระอาจารย์ว่าพอหยุดอารมณ์แล้วต้องใช้ธรรมะข้อไหนมาสอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคะสอนว่ามันก่อรออรมใทกรรมไว้ก็้อรับผลขรนั้น คนเด็กก็ไปทำกรรมมาสอนใช่ไหมทำไมถึใช้กรรมไันที่ทําได้ต่อไปก็ต้องไปถือคนอื่นทำได้ต่อฉันนี่ต้องกดแข็งค่ะคำถามต่อไปจากคุณราชกราบเรียนถามพระอาจารย์ทําบุญใส่บาตรให้สัตว์ที่ตายเพราะรถชนพวกเขาจะได้รับส่วนบุญไหมคะสาธุคะ่ะก็าเขรอรับอยู่ก็ได้แต่สถานภาพของเขา ถ้าก็ไปดในนแล้วเาก็ไม่ต้องอแต่ถ้าก็ยังรอรอเงนยไม่พอาให้เขาไปิดเาไม่จรอร่างมนครับคถามต่อไปจากคุณสุ ธ, ธิพงศ์กลับนันมัสการพระอาจารย์ขอคาแนะนาการอยู่กับปัจจุบันขณะต้องทาอย่างไรครับห้องดูร่างกายนร่างกายเราไปัจจุบัน เดี๋ยววันนี้นั่งการเราทําอะไรทำนองเดิเนี้ทำนองยืนทำนังนั่งกําลังเหงนหนักทำ น, นองพักอาหารทำนองเสียงน้ำเสียงใ่้เศร้าดูร่างการตแล้วจิตเราก็จะไปอดีตแปลนักกไม่ได้คําถามต่อไปจากคุณกิติชัยกราบนมัสการพระอาจารย์ขอคําแนะนําการมีสติรู้เท่าทันตัวเองตลอดเวลาครับสาธุเลามาสร้างสเตจขึ้นมาต่อ ถยังไม่รู้จิก็ไม่มีวที่จะเีเท่า ท, ท, ทนานันต่เมีเท่าทันภที่องเราได้จัน้องวัปกจิต้องเรียนแบบที่บอกให้ปกจิตด้วยการทำจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้เทาดูร่างกายตลอดเวลาหือให้เทาพุดโธพโไปเรื่อยๆเพื่อหยุดภาพที่ต่าคำถามต่อไปจากน้องหลินพระอาจารย์คะการนั่งสมาธิหากมีเวลา จำเป็นต้องนั่งสมาธิระยะเวลานานหลายชั่วโมงหรือไม่เจ้าคะนั่งได้นานเท่าไหร่ได้เพราะว่าสมาธินี้เป็นเหมือนคำคำเวล า, าเรามีโอกาสได้ทํดทคำคำนี่เราก็ต้อการที่จพุดมีเวลานมากๆเราจะได้พุดทำคำในรเยะคำถามต่อไปจากคุณอมลาป่าช้าก้าคืออะไรคะสร้างศพชนิดต่างๆมันเป็นรัิ คำถามต่อไปจากคุณเอกวิทถือศีลแปสามารถกินน้ำอ้อยก้อนหลังเที่ยงได้ไหมครับได้ถ้าเป็นน้ำอ้อือว่าเป็นท้องเภสัตร์เภสัชพิพิจารณ์ญาณให้นาประทานยาคำถามต่อไปจากคุณสุขทุกอยู่ที่ใจทุกขังในไตร ล, ลักษณ์กับทุกในอริยสัจสีเหมือนกันไหมครับเหมือนกันตัวเดียวกัน คำถามต่อไปจากคุณโดราลูกขออุบายแก้การน้อยเนื้อต่ําใจทําอย่างไรไม่ให้น้ําตาไหลกลับสาธุค่ะนวลาน้ำตาไหลก็ให้เขา้ามือจ่มือจ่อมือจ่แล้วที่น้อยเนื้อตัำใจเพราะเราอยากจะให้เข า, เายกย่องเราให้ให้เห็นความสัมพัน์ของเราพอเขาไม่ได้ยกย่องเราไม่ได้ความสัมพันธ์กัเราเราเลน้อยเนื้อต่ำใจ เราก็ต้องอย่าไปหวังอะไรจากใครอย่าไปหวังให้เขายกย่ำเราอย่าไปหวังให้เขานื้ออถึงความสําคัญของเราคือพระเจ้ารอให้ทำเป็นเหมือนแผนเป็นเหมือนแผ่นแผ่นดินเป็นปัตตีใครจะดูถูกดูแย่ใครจะเยียบย่ำทำลายอะไรก็ได้ทั้งนั้นอย่าไปหวังให้เขาดีกับเราอย่าไปหวังให้เขาให้ความสําคัญกับเรา คำถามต่อไปจากคุณดีดีดีด15บห้าปีก่อนผมเคยบวชกับครูอาจารย์ไปอยู่วัดป่ากับหลวงปู่แบนวัดดอยธรรมเจดีภาวนาดีมากแต่ผมคิดถึงบ้านเลยลากลับมาไปต้องสังฆาทิเศษเข้าด้วยความขาดสติผมปิดไว้เกือบปีไปอยู่ปริวาสไม่ครบศึกเสียก่อน ถ้าผมจะบวชใหม่ต้องอยู่ปริวาสให้ครบไหมครับพระอาจารย์เรื่องนี้ติดข้องในใจมากตอนอยู่กับครูอาจารย์ภาวนาดีมากกลับบ้านไปเสียเลยครับก็ต้องทาตามกฎระเียใช่กฎระอบียบ่าต้องมปอยู่ปริวาสต่อเขต้องอยู่ต่อถัอาไม่จะให้เรายูะเบวชแล้วไม่รู้ต้องหาอุ ป, ปชาคนที่จะบวชให้นอาว่าเขาจะบวชให้นอนก่อน คำถามต่อไปจากคุณสุนันชยาพาทำเช่นไรเราจะทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติของตนเองและทางพัฒนาการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นเจ้าค ะ, ะก็เคี น, น, เ น, น้อยลงควาโกรธน้อยลงควาโลภน้อยลงควาหงนยลงไปใจมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นไปนแสดงว่าเราทำก้าวหน้า คำถามต่อไปจากคุณออราฝึกมันดูจิตแต่มองนานเกิดแน่นจุกกลางอกควรมองต่อหรือทําอย่างไรดีเจ้าคะก็ความจริงการดูจิตนี่มันต้องมีสติก่อนถึงจะดูจิตได้ถ้ายังไม่มีสติไม่ฝึกสติก่อนฝึกพุทโธพุทโธพุท่อสสติขึ้นมาก่อนถ้าจะดูจิตได้ดูจิตเพื่ออะไรดูจิตเพื่อหยุดกิเลยนั่นเอง ดูกิเลส ท, ที่มี่ในใจการดูจิตก็คืคอการดูกิเลสด ค, ความโลภความโกรธความหลงเวลามันโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องหยุดมันให้ได้มีคำถามใหม่เข้ามาอีกสองคำถามค่ะคำถามจากคุณพันษาผมมีคำถามครับถ้าเรากราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เรายังเคารพกราบไหว้ในองค์เทพเทวดา แบบในฐานะเด็กเคารพผู้ใหญ่แบบนี้โดยเราถือศีลห้าเป็นนิดและนั่งสมาธิเป็นประจำเราจะสามารถถึงขั้นโสดาบันได้ไหมครับสาธุครับคือการถือพระพุทธธรมว่าสองนี่เป็นการถือให้ท่านเป็นครูบาอาจารย์เรา็นทู้สังสอนเราโดยการกล่าวว่าบุคคลต่างๆเทวดาหรืออะไรที่กล่าวได้ในฐานะที่เรา ถือว่าเขาสูงกว่าเราที่เรากล่าบพอกล่าวมากกับอะไรนีก็กล่าได้แต่มันกลาวประยรย่นะกับาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือมอบตัวเป็นลูกศิษย์กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มนเชื่อคมแต่คำสั่งคาสอนองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็อย่างเดียวคาสอนของคนหนึ่งถ้าขาดจากคาสอนพระพุทธเจ้าก็จะไม่เชื่อหมดเลยคาถามสุดท้ายจากคุณอรณิชา น้อมกราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะช่วงที่โยมนำอาหารไปถวายพระสงฆ์และได้เขียนชื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องบุคคลที่รักที่ได้จากไปแล้วทุกท่านที่โยมเขียนเขาจะได้รับบุญกุศลและอาหารนี้ด้วยหม่เจ้าค่ะน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะคือการจะอุทิศบุญที่ต้องอุทิศในใจเราไม่ ใ, ใ, นะไมใช่จะเขียนใส่กระดาษ เราต้องระลึกไปในใจเ้วเขาทิศส่วนบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้เชื่อนั้นเชื่อนี้ไปเขาก็จะได้เขาก็จะได้เนาะแต่ถ้าเป็นการไปเขียนที่เชิญนมันยังยังไม่ยังไม่ได้อุดชิบเราที่นี้ต้องอธิษฐานจิตหมดแล้วเหรอคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะอคุณก้าวเข้ามาคุณวัตลาลอยก่อนดีก็เราจะพารูวศึกเดียว กลับนับสกสการหนึงตาครับกลับมามการหลวงพ่อเจ้าค่ะเป็นไงบ้างหลวงพ่อเจ้าค่ะช่วงเนี้ยมีกิเลสเข้ามาเยอะเลยเจ้าค่ะ <c oughs> แล้วก็เมื่อเช้าวันนี้นะจ๊ะค่ะก็คืออ่าเรื่องอาหารเจ้าค่ะก็คือมันอยากทานค่ะความอยากมันเข้ามาแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะมันก็ขึ้นมาอยากหรออยากฉันไม่ให้เธอทานเพราะว่าคําพูดหลวงพ่อเข้ามาในหัวค่ะแล้ว ได้ตัวหนึ่งอ่ะมันก็ขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยยูต้องทานยานะถ้ายูไม่ทานอาหารแล้วยามันแบบจัดกระเพาะต้องดูแลแล้วมันเหมือนกิเลสมันลบกันเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วลูกลูกก็ยังไงลูกจะต้องยังไงต่อเจ้าค่ะก็ต้องใช้เหตุผลไงก็จำเป็นจะต้องกินอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเป็นโรคกระเพาะเวลากินยาก็ต้องก็ต้องกินอนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะ แล้วมันแล้วตัวเองมีความเู้สึ่าไอ้หลวงพ่อบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลานะก็ดูก็มันคําพูดมันขึ้นมาว่าอยากเหรอฉันไม่ให้เุทานเท่าไหร่มันคําพูดมันขึ้นมากี่เลสนมันมันซึ่งมันถ้าเป็นปกติถ้าไม่มีเหตุผลจะต้องรับประทานก็ต้องไม่รับประทานแต่ถ้ามีเหตุผลเพื่อรักษาร่างกายมันก็ต้องมันก็ต้อง มันก็ต้องรับประทานเนี้ยเดี๋ยวกินยาแทนนี่จะไปรักษาร่างากายจะไปทาให้ร่างากายเจ็บเพิ่มเติมได้ไหม่เจ้าค่ะลูกต้องต้องปล่อยให้เป็นวางตัวให้เป็นกลางใช่ไหมเจ้าค่ะก็ต้อง ท, าทงงอําตามฤทธิ์ผลไงเจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะช่วงนี้ทานยาเยอะเจ้าค่ะหลวงพ่อช่วงนี้ก็วันพระก็เลยอตอนจะตองตองอนข้อนี้ไปงอนข้อหกไปก็แล้วกัน ้ลงอก็รักษาได้ก็รักษาต่อได้ไม่จําเป็นจะต้องไม่รักษาทั้งหมดเลยรักษาก้อไหนได้ก็รักษาต่อไปอ๋อค่ะเจ็ดข้อรักษาก็ไหนไม่ได้ก็อย่าเพิ่มมารักษาอ๋อค่ะก็คือเจ็ดข้อคือลูกรักษาได้ปกติแล้วก็สอนอาหารเพราะว่าลูกทานยาเยอะมากแล้วมันมียาตัวหนึ่งแรงมากแต่ว่าหมดละเมื่อ หมดแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวมันอาทิตย์หน้าอะไรคงจะเจะถือสินแบบกลัได้เจ้าค่ ะ, ดคะเดี๋ยวอย่าอันนี้หมดหมดของวันอันคอร์สนี้แล้วแล้วก็อาทิตย์หน้าพบหมอทิงแล้วก็ก็คงจะกลับมาวันนี้ความอาการเบาแสบท้องก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ามันแล้วมันมันแสบท้องมันทําให้เราต้องต้องต้องหาอาหารนะเจ้าค่ะหลวงพ่อใช่ แล้วต้องรักษาตัวไปด้วยรักษาใจไปด้วยต้องทำผัดกันช่วงไหนที่เรารักษาร้างใจ้วพัดการรักษาใจไว้ชื่อครับเจ้าค่ะกบันกกบน้องกับขอบพระคุณหลวงพ่อด้วยความขอบใจสูงเจ้าคขากับขอบพระคุณขอให้หลวงพ่อมีธาตุขันแข็งแรงเจ้าค่ะเป็นล้มโพลมไส้ลูกหลานเป็นนานๆ น, นะทุกค่านเรมีอะไรครับคุณกอ๊อฟก็คือก๊อฟสุราธาีครับ อ๋ออาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าให้รักษาสติครับก็รักษาสติได้แล้วก็ความทุกข์จากเรื่องภายนอกการงานมันเข้ามาแต่ว่าก็วางโอเบขาแล้วก็อะไรที่เราใช้ปัญญาในธรรมะแก้ได้ก็แก้ไปอะไรที่ยังไม่แก้เราก็โอเบขาไว้ความทุกข์มันถึงจะมีแต่มันไม่ได้แบบมามีอารมณ์เหนือจิตใจเราครับผมโอเคเบคาที่สาคัญมาก ครับก็ก็มาเต ich, ิมพลังให้พระอาจารย์เป็นเสาหลักครับจะได้ปฏิบัติต่อครับกับข้าพกลนครขอบคุณพญาวาสเชิญอยู่ที่ไหนพญานาสธรรมสการพระอาจารย์ครับอยู่กำแมงเพชรครับอาจารย์ครับมีคำถามอะไรไหมครับก็ตอนเนี้ครับโยก็เริ่มเริ่มปฏิบัตินะครับหลังจากฟังพระอาจารย์มาสักปีเลง เริ่มสมานเสมอขึ้นเป็นทุกวันทุกวันได้บ้างอย่างเงี้ยครับหรือมีวั น, วนที่ที่กําหนดไว้อย่างเงี้ยครับก็เริ่มไม่ต้องฝืกแล้วเออมีคําถามนะครับคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติในระยะแรกๆอย่างเงี้ยนะครับคือระหว่างชั่วโมงนะครับมันเริ่มนั่งนานหลายชั่วโมงขึ้นนะครับระหว่างชั่วโมงเนี่ยโยมมักจะแบบมีเหน็บชาแล้วก็เมื่อยก็เลยลืมตามาพักระหว่างชั่วโมง ประมาณห้าถึงสิบนาทีหรือว่ายืดเหยียดขาแล้วค่อยกลับมานั่งต่อแบบนี้สามารถทําได้หรือไหมครับได้แล้วลุกขึ้นมาเดินโยงกันพักก็ได้ไม่ตอนั่ง<ๆ>ตลอดเวลาสลับกันได้เดินกันนั่งสลับกันนั่งเช้ามองเดินเช้ามองใชง ไ, ไ ด, ได้ได้ครับผมคือคําถามต่อมานะครับตอนนี้โยงก็คือโยงก็แบบเอาปริมาณเป็นที่ตั้งอะนะครับ คือเน้นที่เวลาปฏิบัติให้มากขึ้นให้สม่าเสมอแล้วระยะเวลาก็ให้นานขึ้นแต่คราวนี้โยมไม่ทราบว่าคุณภาพของการปฏิบัติเนี่ยว่าการนั่งเนี่ยมันมีคุณภาพดีไหมแล้วก็มีความก้าวหน้าอย่างไรอย่างเงี้ยครับโยมจะจิตสติจิตสติแล้ต้องพยายามฝึกสติให้จิตเราไม่คิดตรงแต่ให้จิตเราอยู่กับร่างกายเวลาเรานั่งกราให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าออก ไ, ได้ครับแล้วถ้ามันสงบก็แสดงว่าเป็นคุณภาพดีล้ว่าสงบเจ็บนิ่งมีครับสุขมีครับสบายแบบนี้หมายถึงความก้าวหน้าทางชทา ง, ท า, งทางการปฏิบัติได้ครับอาจารย์ครับก่อนหน้านี้ก็คือคือได้ยินอาจารย์สอนเรื่องสมาธิทำให้เกิดปัญญา แต่โยมไม่เข้าใจว่าคําว่าปัญญาในที่นี้หมายถึง i อคิที่เราวัดกันทางโลกหรือเปล่าหรือว่าหมายถึงว่าปัญญาคราวนี้โยมก็เลยเข้าใจว่าการนั่งสมาธิเป็นการพัฒนาสมอง i อคิแบบนั้นถูกต้องหรือไม่ครับคือการนั่งสมาธิเป็นการอสร้างพลังให้กับใจใจเราถ้าไม่มีสมาธิมันจะอ่อนแอปวดเฟียดมันจะวนไว้กับอารมณ์ต่า แต่พอมีสมาธิแล้วอารมณ์ตัดสานี้จะไม่เข้ามารบกวนใจมันจะทําให้ใจสามารถศึกษาธรรมะได้อย่างจงอย่างอย่าง ย, ยาวนานและชัดเจนเห็นธรรมได้ชัดเินปัญญาทางทา ง, ทางธรรมนี้ไม่เหมือนกับปัญญาทางโลกนะปัญญาทางโลกเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเกีนน่ยวกับเร่องทองเป็นปัญญาเพื่อสนับสนุน สิเลตปัญหาต่างๆแต่ปัญญาทางธรรมนี่มีไว้เพื่อดับสิเลตปัญหาตัดความโลภความอยากปัญญาทางธรรมก็คือการเห็นทุกอย่างว่าไม่เทียบดีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามร้อยนเยินทรมเป็นร้อยลาน้ันละก็เป็นได้ชั่วข้าวใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องตายเอยนี่คือปัญญาทางทางธรรมจะมองว่าทุกอย่างไม่เทียบ แม้ว่าจะมีขนาดไหนจนใหญ่ขนาดไหนก็ตามเดียวว่าจบเดียวว่าตายนี่คือปัญญาทางธรรมันจะทําให้ตัดความอยากเั็นใหญ่เป็นโตอยากนั่งอยากรว ย, อ, ยอะไรไนดะ้เพรามันก็เป็นแค่ชั่วคราวในที่สุดก็ตายไปตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เข้าใจเข้าี่เลยนี่คือปัญญาครับ ทำาำคือเป็นการอหนปลายนาคเนี่ยเป็นปนัญญ า, าทำเห็นนาริยสัจสิสเห็นว่าทุกต่ตางๆของเราเนี่เกิดจากความอยากของเราเองครับผมคำถามต่อมานะครับเโยมมีบุตรชายสองคนคนแรกหนึ่งขวบคนที่สองสี่ขวบ ค, ครับคราวนี้ก็เกิดความต้องการอยากให้เขามีกรอบทางมีปัญญาทางพุทธศาสนานะครับ เอ่อโยมเห็นเขาฝึกสมามเณรนี่เขาฝึกกันเอ่อเริ่มนั่งสมาธิได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆ เ, เอ่อพระอาจารย์จะมีคําแนะนําสั่งสอนยังไงนะครับให้โยมไปสามเณรสอนลูกตอนนี้ก็เริ่มสดุดมในตอนนสอนสอ น, สอนขั้นตัำข่านรุ่นฐานก่อนสอนให้เข้าไปจัดคทำบิณฑบาตเข้าไปใส่บาตรเข้าไปบรยจาคเงิให้กับลองพยาบานลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจักการเสียสละหมายถึงแล้วก็สอนให้เขา รักษาสีเอข้อเอาข้อข้อที่สองกก็ได้ไม่ให้ไอ้าข้อไม่ใข้อรักซรัพไม่เอาของคนอื่นไม่อาโหกเอาสองข้อนี้ก่อนก็ได้แล้วข้อที่หนึ่ก็ได้สอนเขอยากไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่ไปตบยุงอย่าไปฆ่าวนวแมลงสอนเขาดีไปก่อนเขาเด็กยังไปไม่ถึงขั้นสติสมาธิปัญญาลงให้โตก่อนนี้ คำถามสุดขอใช้เขาเป็นคาถามสุดท้ายนะครับเอ่อเวลามีคนมาเอ่อต่อว่าวินทาหรือว่าคนที่เราเคารพหรือว่าคนที่เราศรัทธาศรัทธานะครับไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่ทราบได้แต่เรารู้สึ ก, กโกรธคราวนี้แต่บางครั้งมันก็เอ่ออาจจะมีความเห็นที่แตกต่างได้ก็เลยอยากรู้ว่าจะฝึกอย่างไรให้เราอยู่ร่วมกับ ความเห็นที่แตกต่างเหล่านี้ได้คือสึกใจเราไม่ให้โกรธได้อย่างนี้ยครับก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก้มันมีทั้งสารเสริงมีทั้งหนินท้าเราห้ามเข้าไปได้เหมือนกับอยู่ใต้ฟ้าเนี่จะหนีฝนได้ห้ามฝนไม่ใอ้กได้ก็ต้องยอมรับเวลาฝนอกก็ปล่อยใกไปหลอกได้ก็หลกไป เวลาใครดาเราเราก็หลอกมด้วยอุเบกขาไปเฉยๆไปตาใจให้เฉยๆเพราก็่าพวกเสรีนั้นมันก็ผ่านไปถ้าเราไม่เอามาใส่ใจไม่เราคิดมันก็ไม่มีกธรรมะอะแต่เราห้ามเขาไม่ได้อาจารย์นะเราต้อ ง, ของเข้าใจหลักนี้ว่าเราห้ามคนท่านมาสารเสด็จไม่ได้ห้ามให้เข้ามาด่าเราไม่ได้ดัเไม่รธรรมดาของโลกโลกก็ทำแป มีเจริญมีเสี่ออะไรคื่องโลกธรรมแปดจะมีการเจริญรากก็ต้องมีการเสียอรากมีเจริญยศก็ต้องเสียอยศและมีสาระแสงก็ต้องมีหลันมุนธามีศุขก็ต้องมีชุนมันเป็นของมาคู่กันเั็นโลกธรรมแปดสี่คู่ด้กันงั้นเรา็ต้องทําใจอย่าไปอย่าไปดีใจเสียใจกับการเจริญหรือการเสียอ ต้องมาฝึกทำใจต้อว่าฝึกทาใจคุณนั่งสมาีิทำใจให้ดีแล้วต่อไปมันม่จะเฉยได้มบผมโยงใจน้องนำไปปฏิบัตินะครับเน่อยเสร็จ้ใช่ไหมครัมขอบคุณครับมีใครไห้ที่เข้ามาคุณคนลามีคำถามต่อเลยมีคำถามใหม่เข้ามาหนึ่งคำถามเจ้าคะ่ะคำถามจากคุณวิมล นมัสการพระอาจารย์สัปดาห์หน้าลูกจะเข้าผ่าตัดสมองมีความกังวลอย่างมากกราบขอเมตตาขอพรจากท่านพระอาจารย์ได้ไหมเจ้าค่ะได้ก็ขอให้หายบ่เจ้าข้าปลอดภัยแต่จะได้ไม่ได้ไม่รู้เนี่ยพรจะให้ได้แต่ความจริงมันก็ต้องเป็นความจริงนื้อร่างกายมันเของไม่เที่ยงไม่แน่นอนมันจะหายก็ได้มันจะไม่หายก็ได้ เแล้วตงหักทำใจให้มันรับได้ทั้งสองอย่างแล้วเราก็จะไม่ทุกข์หายก็ดีไม่หายก็ดีพีอย่างี้เมื่อเห็นคุณนายคุณคุณคุณวัิดาเลยเปิดช่องเชิเปิดไม้ได้ไหมบัณิดาจะเป็นไหมใครช่วยช่กดปุ่มเปิดไมให้คุณบนณิดาไเเป็นคุ้มกิฟต์เลยไวครับโอเคอ่ะเอใหม่ครับกดกดใหม่ครับ Okay. Well okay. ก่อนนั้นมารพระอาจารย์ค่ะย ท, ที่ไหนเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีค่ะเป็ น, อนสองที่สมุทรปราการนะคะเคยไปที่เขาชีโอนสองครั้งแล้วค่ะอค่ะก็ของหนู่พอกลับมาก็มีบททดสอบใหญ่นะคะก็คือเรื่องคนใกล้ตัวที่เป็นคู่ชีวิตนะคะก็เอนอกใจ วันที่ได้รับรู้อะคะ่ะกออ็ดูใจตัวเองนะคะว่ารู้สึกยังไง hmm. ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ปุดขึ้นมาก็คือความพัดผ้ากับสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ทำให้หนูก็ตั้งสตินะคะว่าก็เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็เราเป็นเพื่อน ร่วมทุกกันเกิดแก่เจ็บตายวันนี้พัดภาคจากกันก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาะเจ้าสิสองการท่ากาคจากกันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะกไ็ไม่ไม่จากกันตอนไปนก็จากกันตอนตายใช่ไค่ะแต่ก็ยังอยู่ร่วมกันอยู่นะคะยังไม่ได้ว่าเลิกกันเลย ท, ทันทีก็ดีถ้าให้อภัยได้ก็ดี แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคุณแม่พอหนูกลับมาเนี่ยหนูก็เ อ, อคุณแม่อายุเจ็ดสิบหกแล้วนะคะแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีนะคะจากเส้นเลือดสมองตีเท่านี้เนี่ยหนูก็จะคุยกับคุณแม่ว่ามา ม, ม, ม้ามีเราจะคุยเรื่องความตายเป็นปกติอ่นะคะเพราะว่าก็บอกมาม้าว่าไม่รู้ว่า มาม่ากับกิ๊บเนี่ยใครจะไปก่อนกันเพราะฉนั้นแบบเออให้มันเป็นเรื่องธรรมดาคราวนี้เวลาก่อนที่จะหลับอ่ะค่ะหนูก็สอนคุณแม่ให้หายใจพุทธัะค่ะรแรกๆเขาก็ายังทําไม่เป็นก็สุกให้เขาหายใจช้าๆก่อนแล้วก็บอกมามะ้ามาม่ายังมีเรื่องไหนที่ที่ยังเป็นห่วงไหมยังมีเรื่องปิดขัดตรงไหนไหมบอกลูกได้นะเดี๋ยวค่อยๆทําให้จะได้แบบ บทกังวลทีละเรื่องก็จะพูดกับเขาก่อนนอนทุกวันเจ้าค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรอยากจะให้สอนบอกคุณแม่เพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะไม่มีแล้วถ้าสอนคุณแม่บอกว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องของร่างกายเชวันหนึ่งมันก็ต้องหลับแล้วไม่ตื่น็นธรรมดาค่ะานางกายไม่ยชดตัวเราของเราเป็น เ, เป็นของยีงนนำลงไปเจ้าค่ะ ก็มีคําพูดของพระอาจารย์นะคะที่เวลาทํางานเนี่ยบางทีมีสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เป็นบททดสอบอะคะ่ะ mm hmm. พอมีความรู้สึกปุ๊บเนี่ยหนุมก็จะกลับมาที่ลมหายใจเลยพุทธโทเลยอะ่ะ mm hmm. มันก็ทำให้ตัดเรื่องความคิดหรือว่าสิ่งที่แบบทําให้เศร้าหมองเนี่ยก็เลยรู้ว่าเออพอมีเหตุการณ์อะไรก็ตามเข้ามาเนี่ยพุทธโทที่พระอาจารย์บอกเสมอเนี่ยช่วยได้เลยค่ะ แน่นอนแล้วต่อไปเวลาเราทุกข์เครียดกับอะไรแล้วก็มไมนรู้จะทำอะไรครับพูดโธรไปก่อนผ่านช่วได้ทุกสถานการณ์เลยค่ ะ, ะทำที่สามทำทุกทันทีน ะ, อะตอนนั้นเลยค่ ะ, อะขอบคุณค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะโอเคยินดีด้วยนะที่รู้จักการใช้สติรู้จักการใช้พูดโธรครับขอบคุณค่ะคมีใครไมหมหมว้วใช่มัยที่เข้ามาใหม่คือ มึงไาเยนะมีเข้ามาหนึ่งคำถามเจ้าคะ่ะคำถามจากคุณเกตสุมลกราบเรียนถามพระอาจารย์อดีตเคยนั่งสมาธิจน จ, นจิตเป็นหนึ่งหูดับคำบริกรรมหายลมหายใจละเอียดแต่ตกใจอยากทราบว่าปัจจุบันกลับมานั่งสมาธิจะมีโอกาสจิตสงบอีกครั้งไหมเจ้าคะ่ะอ๋อมีมีแน่นอน แต่ว่าจะนั่งเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับสติของเราถ้าสติเราดีเนี่ยมันดีกัว่านั่งสิบนาทียี่สิบมันก็ง่วงได้ดั้นพยายามฝึกสติให้มากๆก่อนที่จะมานั่งแต่างมานั่งแล้วอยากให้มันเป็นเหมือนเมื่อก่อนนั้นถ้านั่งแบบนี้ครับไม่มีวันเป็นได้ต้องเว้มันดีเนื่องผลที่เราเคยได้มาในเพราะเราอยู่ในปัจจุบันกับพุทโธแล้วอยู่กับสมายใจเขาออกแบบเอย่างเดียวถ้าเดียวมันจิตมันก็จะเข้าสุขสมาธิได มีใครอยากไดคถามอะไรยังไม่มีเวลาเลยอยู่ยิ่งด่านประมาณสิบสองนาทีนะี่แหละแต่เรากลาให้ถามรอบสองได้ถ้านอบได้ ย, ยังไม่จุกใจยังไม่อยกจะถามอะไรก็เชยยกมือขึ้นมาแล้วจะเปิดกลมอยืดได้นะคุณฟังว่าอะไรก่อนอนะไรกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าข่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ฟังทันพระอาจารย์กับ อคุณหมอเวียค่ะที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของปิชชาธรรมที่หลวงตาอุ้มอุ้มหญิงชลาค่ำลํำทานแล้วก็ลูกศรริษย์บอกว่าเอเป็นเหมือนเหมือนมีคําถามนะคะแล้วแล้วแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าหลวงตาก็บอกว่าวางกวางลงตั้งแต่ที่ลํำทานแล้วอันนี้คือหมายถึงว่าวางวางความเครื่องนะคะวางเรื<า>่อง น, นั้นไปเรื่องนั้นท่านเรื่องนั้นไปเร้่องท่านไม่ได้มีอะไร ข้างๆอยู่ในใจเอ่าแต่ท่าใหม่นี่มันยังข้าง้างอยู่ในใจยังแบบอยูยังโกรธหลวงตา ย, ยู่ไปกล่าว่าหลงตาไปทําผิดเวิาไรเหมือ น, นคนไปโกรธหลงปู่แสงเนี่ยไปโกรธท่านมาท่านไปลูกคาไปจับผู้หญิงอะไรขึ้นมาเี้คระไม่รู้ท่านทำด้วยความเมตตาให้เห็นสงฆ์้าสงสารมาหาท่านหลายกท่านก็เลยมาจับให้เขามีความสุขหน่อย่ น, อยนุ่มว <ๆ S 2> ่า และท่านอยู่ตอนด้าธารกรรมนังไม่ได้อยู่ในที่รับที่อะไรน่ะใช่ไหมท่านทําด้วยความเมตตาแต่เราคนมีกิเลสต้อไปมาว่าท่านทําด้วยความอยากจะมีแท็กบ้าหรือเปล่าคนก<ม>ารนั้นนะน่าจะเป็นความผิดที่ลูกศิษย์เพราะว่าอย่างเช่นบางคนเขาอาจจะมองว่าไม่ผิดหรลูกศิษย์เขาไม่กล้าไปลูกศิษย์เขาไม่ไปกล้าไปห้ามอาจารย์หรอกอาจารย์ไหม<า>ลูกศิษย์ไม่กล้าไปห้ามอาจารย์ลูกศิษย์ก็พาลูกอาจารย์นี่เขาปล่อยให้เป็น เขาเชื่อในความบสุทใจของท่านเข้าใจไหมว่าที่ท่านทานี้ท่านทาด้วยความเมตตาท่านไม่ได้ทำด้วยกามารมณ์อะไรต่างๆค่ะก็ได้ฟังเอนวการที่น้อยฟังนี่ย่หมหลตาที่อ้มผู้หญิงนัข้า้วยก็สงสารเนี่ยเขาอยากจะกลับบ้านเขาไม่กล้าลุยน้ำหรือกลัวจะถูกน้าซัดใส่ท่าก็ะไรอุ้มพาก็ข้ามมาห้วยเลระทำนั้นเองค่ะที่ ถูกต้องเพราะพีนายห้ามผ้าไม้จับต้องมันถูกต้องแต่มันมีการยกเว้นสําหรับผู้ที่มีจิตที่สูแ ง, ามมางแล้วผู้จิตที่อุดจักรการบังมแล้วทําได้ค่ะละแล้วทีนี้หนูมีอีกอันหนึ่งคือเหมือนมีฆราวาสคนหนึ่งอะคะ่ะเขาเขาเขาบอกว่าในอนาคตเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะ แต่หนูว่าหนูก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่านี่หนูลองฟังทำพระจานทร์มาแล้วหนูลองไปฟังแล้วลองดูตัวว่ามันน่าจะไม่ใช่ก็คือถ้าเขาจะไปเป็นพระพุทธเจ้าในชาติในในชาติข้างหน้าที่จะถึงนี้แต่ว่าเขาบอกว่าไม่ต้องทําอะไรมากคือจิบวายก็ยังได้อะไรเงี้ยหนูก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ใช่ไหมครับถ้าเราใช่แล้วไม่ใช่ั็ไม่ใช่เราต้องไปสนใจอ๋อสนใจตัวเราจะเป็นหรือไม่เป็นดีกว่า ใครจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปด้านหน้าเขาจะเป็นควายก็เรื่องของเข า, เาก็ออา <c oughs> จะเป็นม้กาก็เรื่องของเขาเขาจะเป็นเจ้าเจ้าเรื่องของเขาแค่นั้นก็ฟังหูไว้หูอยากกลัมาสู่ใครก็พูดอะไรก็ฟังไว้ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องปฏิเสธก็จบเข้าหูซ้ายออกหูขวาไป <c oughs> ถ้าทําไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราไ ป, ไปเอามาแบงทํำไรเนี่ยแฝงมาเลยอีกชั่วงโมงคนึ่ค่ะ ได้ะค่ะขอบขอบคุณจะค่ะขอบคุณจีบจ้ะจอาจารยบคนมัสการอีกรอบค่ะคือโยมมีคำถามนะคะว่าถ้าสมมติเราเอามีเวลาแค่สิบถึงสิบห้านาทีหรือว่าประมาณระหว่างห้าถึงสิบห้านาทีแล้วกันนะคะถ้าจะต้องพระอาจารย์คิดว่าการนั่งสมาธิจะควรจะใช้เวลาไม่ไม่สั้นแบบนี้ถ้าหรือควรจะนั่งนานกว่านี้ใช่ไหมคะ ก็ได้มากไน้อยก็ทําไปเดี๋ยวม่เราไม่ทำคือถ้าเป็นช่วงสั้นเราเราทําแบบเดินจงกรมเพื่อฝึกสติดีกว่าหรือาจะนั่งสมาดีได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่างคือทําอะไรก็ได้ขอให้ทําทางอะไรก็ได้เลือกให้มันหยุดคิดก็เลิ่มขันให้มันคิดทําใจให้ว่าให้เย็นให้สบายค่ะค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะเมื่อกี้โยมก็ใช้แบบเห็นมีคนหนึ่งคนนั้นที่ะอาจารย์ที่โยมถามไปเออ เขาสง่งข้อความมายองก็อะพุโทโธพุทโธก่อนจะอ่านยงว่าพุโทโธพุทโธมันก็ดีขึ้นเลยลใช้วิธีการของพระอาจารย์ละค่ะค <Okay. S 1> ่ะคาราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะเจ้าคะ่ะคุณ้ากอน ใ, อนในค่ะกเวลาไหไได้กนอะไรนักงานพิธีกานอีกครั้งนะครับพ อ, ไ อ, ไ อ, ไอดีก็ได้มีโอกาสได้ฟังหลายๆท่านพูดในห้องนะครับก็พอดีว่าเหมือนกับ ชอบประโยชน์ที่แ อ, อาจารย์พูว่าเหมือนกับทุกอย่างในโลกมันเกิขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครับแต่บางกรณีเหมือนกับตัวผมเองผมก็ยังเหมือนกับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสงสัยมานามะนมากแล้วะคือเหมือนกับผมก็ยังเป็นคนที่ถึงแม้เราจะรู้สิ่งนี้ก็ตามแต่เราก็ยังเหมือนกับเรายังมีความอยากได้อยากมีอยากเป็ น, เ ร, น, นเรายังมีความอยากเจริญก้าวหน้าเรายังมีความอยากร่ํารวยครับคือเราจะสามารถแบบเหมือนกับทําไม่จุดนี้มันไม่ไม่ไม่เหมือนกับไม่ไปขัดการปฏิบัติของเราได้ไหมครับ ไ, ได้เนี <ผม S 2> ่ยเป็นความแบบเย็ดติด เ, ออเราต้องนึกถึงความตายอยู่บ่อยๆนึกถึงความตายนะเนี่ยนึกถึงความตายต่อไปคทำอย่างไรอะไ ร, รต่งางๆมันจะน้อยลงไปเรืนอยๆคือเราก็สามารถทํางาน <ไป S 1> ต่อไ ป, <บ>ไปได้ปฏิบัติธรรมขางเราการนึกถึงความตายก็เป็นการปฏิบัติธรรมเลยคือครับมรณะนัสสิตนะเนี่นยก็คือเราสามารถปฏิบัติธรรมาได้ด้วยแล้วก็สามารถทํำด้วยทางโลเปเดนเลยพร้อมๆกันใช่ไหมครัได้ได้จนกว่าจะมาเห็นว่าการปฏิบัติธรรมนึ่ย เป็นคนฆ่ากว่าแลว้วก็จะเปลี่ยนมาปฏิบัติธรรมมากขึน้นนะครับแล้วก็ขอยคำถัมได้ไหมครับพอดี ว, ว่าตะกี้เห็นมีพี่ท่านหนึ่งพูดเรื่องมกุฏเจ้าครับพอดีผมเคยอ่านเมื่อตอนเด็กเหมือนับเคยจําได้ว่าเหมือนเคยอ่านเจอว่าถ้าใครก็เป็นมกุฏเจ้าเนเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องจริงไหมครับแบก็ได้ความขยาดความนิดหนึ่งครับหมายถึงจะไปเป็ น, ป น, นพรนะมกุฏเจ้าใช่ครับ เ, เหมือนกับผมเคยไปอ่านมือนับใครๆก็สามารถเป็นได้ถ้าเราเป็ได้ถ้าถ้ามีบารมีเสก็เป็นมกุฏเจ้ า, น, านะ แล้วแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้านี่คือมีอยู่จำนวนมากมามายมหาศาลเลยใช่ไหครับก็พวกเรานี่แหละคือคนในคนหนึ่งถ้าพยายามบาเพ็ญานรรศีลได้แล้วไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้า่าเป็นพระพุทธเจ้านะครับก็กราบขอบพระคุณมากๆนะครับขอพัฒนาคุณประสงค์จ ใ, ให้พระอาจารย์มีอายุยนืยนยาวสุขภาพดีนะโอเคนะนี้ ป, ปีถัดไป้าถือในปีสองนันือขึ้นบานหลวงเ ครับกับมรดสการอีกรอบครับถ้าพอดีว่าดูประวัติของพระอาจารย์ครับล้วไปไปเจอชื่อเหมือนพระอาจารย์เลยครับจะอยู่วัดศิลาดอกไม้ครับก็เคยสงสัยว่าทำไมสิลคชื่อถึงตากันได้ครับได้เพราะเวลามาบวชในอุปชาเพราว่า ต, ตั้งไปตามตามกฎคนเกิดมาที่เขาปัน้นนั่นเรยตัว่าพี้พใด้่ ก็ถ้าเกิดชื่อเชื่อสุชาติเขาเลยเอาเป็นแบบพิชตาโตไปหรือสุชาโตไปใช่ไหมไม่แน่แล้วแต่ประชาชนเพราะคนชื่อสุชาตก็เยอะชื่อมาบวชเนี่ยครับพอดีชื่อทําชื่อทางทําเหมือนกันเรียกเลยครับใช่ก็ต้องดูวัดดูต้องดูว่าอยู่ที่วัดไหนหรืว่างที่อยู่วัดไหนก็ต้งองตองอ่านแล้วว่ามันพูดถึงวงไหนเพราะ่างที่ที่วัดที่เมืก่อนก็นกมีพระชื่อเชื่อสุชาติอยู่องค์นึง ที่มหาเราไปแต่จภพรุ่นนั้นแทนกันไป อ, อ, อีกคําถามหนึ่งครับอาจารย์พนดีว่ า, าก็ต่อเนื่องจากเ อ, อ จ, ากจากพี่ตะปีนะครับก็เรื่องเ อ, อผมปฏิวัติมันมนันเป็นเป็นเหมือนเฟซบุ๊กของเออเป็นเป็นยูทูบของอาจารย์คนนึงครับเขากล่าวถึงเรื่องของมหาสีหะหน้าสูตรครับร้อยเก้าสิบสองครับเขาจะพูดประมาณว่า พระพุเจ้าเหมือนในพระสมประมาณว่าในพระ ส, สูตรคือกล่าวว่าอ่าพระอริยะย่อมไม่มีไม่ไม่มีทางสมองเสื่อมได้ครับแต่ทีเนี้ยจากที่ฟังพระอาจารย์เมื่อวานนี้ก็ผมก็ยังคิดว่าในเมื่อสมองมันเป็นเรื่องของร่างกายกมันไม่เที่ยงสัญอาจารย์ก็ไม่เที่ยงสัญญาที่ไม่เที่ยงแต่ในสัจดี่มันไม่มันเป็นสัตรูธรรมไม่มันเป็นเที่ยงญญคร<ง>ับ ก็เลยเกิดความย้อนแยง้งว่าทาไมเขาไปยกพระสูตรมาผมก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนก็คิดตา ม, ตมเตพระารมาสูตรใครก็จะพูดอะไรก็ผ่านเข้าไปแล้วกันเราในที่สุดเราก็ทาเป็นผู้ที่ตัดตัดสินในการปฏิบัติของเราเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่อแคนีก่อนนเดี๋ยวมีคนรอยอได้ครับขอบคุณครับอขอบคุณอีอีกครั้งหนึ่งคจาันนะค่ะ พ ะ, ะอาาเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าไปทาบุญหรือว่าไปไหว้พระตามวัดต่างๆอยาเนี้ยคะ่ะมาจาเป็นไหมคะที่เราเควรจะต้องมีขอหรือว่าอธิษฐานอะไรไหมคะถ้าไหว้เฉยๆหรือว่าทากจะ ซาไปสอนลูกอะค่ะว่าควรจะต้องบอกให้เขาอธิษฐานอะไรไหมเขอให้หนูโตเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยได้ว่ห้นูเป็นคนดีให้หนขยันเรียนหนังสือให้เขาอธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลให้หนูขยันขยันเรียนหนังสือให้หนูเป็นคนเคนเารพพ่อเคารพแม่อะไรเงี้ยได้ค่ะอธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลเพราะผลมันเกิดจากเหตุไย มันไม่ได้เกิดจากผมท่ทานพิานให้ให้เก่งเนี่ยแต่ไม่ขยันเรียนหนังสือมันก็ไม่เก่งใช่มอ๋อค่ะกลับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอบ ค, คุณลาวอีกแล้วค า, าับสุดท้ายแล้วนะคุณลาวใครก็วันที่หลังก็จบแล้วถึงเวลามีมีทั้งหมดห้าคำถามเจ้าค่ะครัเลยครับสุดท้ายแล้วคําถามแรกจากคุณพันษาขอถามพระอาจารย์ครับ จิตไม่ใช่กายแล้วกายไม่ใช่จิตกับการแยกธาตุดินน้ำลมไฟอันนี้เป็นแบบเดียวกันไหมครับถ้าไม่ใช่อันเดียวกันแล้วจะต่างกันอย่างไรครับด้วยจิตเป็นธาตุสี่ประกอบด้วยธาตุาสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟกายร่างกายร่างกายเป็นธาตุสี่วนจิตนี้เป็นธาตุรวมคำถามต่อไปจากคุณวิมล หากเรามีความเจ็บปวดทางร่างกายจากอาการป่วยเราฝึกปฏิบัติที่ไหนอย่างไรให้ไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดทางกายนั้นคือฝึกหายใจเข้าออกสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาพุโทโธอยู่เนืองๆก็ไม่สามารถลดความเจ็บปวดนั้นได้เจ้าค่ะเพราะเรายังฝึกไม่ถึงขั้นถ้าเราฝึกถึงขั้นจิตรวมเป็นสมาธิได้แล้วมันก็จะ ไม่รับรู้หรือว่าถ้ารับรู้มันก็ไม่รู้สึกสะเทือนกับความเจ็บไข้นะเขาภาพเจ็บปวดของร่างกายเห็นพยายามไปปฏิบัติให้ไปถึงขั้นรูเบีขาให้ได้คำถามต่อไปจากคุณอรวันเวลานั่งสมาธิยังวางฐานจิตไม่ได้เลยค่ะขอคําแนะนําเจ้าค่ ะ, ะไม่ต้องวางฐานจิตให้วางฐานให้ให้วางไว้ที่จมูกนะให้ แค่ดูจมูกดูที่ลรหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกไม่ต้องไปวางจิตวางสติให้อยู่เราเราหายใจเข้าคำถามต่อไปจากคุณจิรพัฒน <c oughs> การเดินจงกรมทําอย่างไรคะก็เดินธรรมดามันเดินเราเดินไปทํางานเดินไปเดินมาเนี่ยเราเดินเดินเดินง่ายมีสติอยู่การเดิน หรือให้ให้กา ร, รบริกรรมพุทธพุโทโไปในขณะดที่เรา เ, เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหมดแล้วเหรอเหลือสามคำถามเจ้าค่ะสาคำถามคำถามจากคุณในวนากราบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมโยมสังเกตพฤติกรรมตัวเองว่าตอนไหนคือการคิด ตอนไหนคือการรู้โยมพยายามเดินปัญญาและแยกระหว่างความคิดตับรู้ด้วยปัญญายมปฏิบัติถูกทางหรือไม่เจ้าคะคจริง ม, มันจะว่าถูกก็ไม่ใช่แล้วไม่จะไม่ใช่ที่ว่ามันเป็นการปฏิบัติข้างขั้นตอนมากกว่าเมื่อตอนนี้เราควรที่จะให้รู้ร่างกายเร า, าก่อนดีว่ายังไม่ต้องไปรู้จิตคนไะกลเลย ให้เรารู้ร่างกายรู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงแต่แก่จิบได้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ไม่สวยไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่งานในสังคมนี้ค่ะคำถามต่อไปจากคุณกิติชัยกราบเรียนถามพระอาจารย์เคยนั่งสมาธิจนหลับไปแล้วอยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วเหมือนเห็นนิมิต ภาพตัวเองกัดกินเงาดำที่กําลังเคลื่อนมากลืนกินตัวเองจากปลายเท้าได้ยินเสียงชัดเจนมากแม้แต่เสียงเคี้ยวกระดูเสียงเนื้อของตัวเองแตกสลายจากนั้นโยมกลัวมากจนตกใจตื่นขึ้นมาสอบถามพระอาจารย์ครับว่าการปฏิบัติโยมแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับมีผิดพลาดสมควรแก้ไขจุดไหนบ้างครับกราบสาธุครับ พอเวลาเราหลังนี่มันจะฝันอะไรนี่เราก็ห้ามมันได้ได้ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมแล้ไม่ต้องไปกังวลรู้ว่ามันเป็นแค่ความฝมันทำลายทำลายเราไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วก็ผ่านไปมนไม่ต้องมากังวลกับมนคำถามสุดท้ายจากเ อ, อน้องหลินพระอาจารย์คะหลังช่วงหลังหนูผ่าตัดสมองเปิดกะโหลกมาสีรอบมีปัญหาเสียเลือดมากเจ้าคะ่ะ คือซีดมากเหลือ h อ t ซ6แต่ไม่มีอาการเหมือนผู้ป่วยซีดจุดนี้หนูคิดถูกไหมคะที่บอกผู้อื่นกายกับจิตแยกกันได้เพียงบอกว่ายืมร่างกายคะ่ะในการสร้างบา ร, รมีแบบนี้คนหัวเลาะเยอะเลยหนูพิมหนูผิดไหมคะหัวหนูหลบซ้ำทีตองไปพูดกับเขาไมมเราลูกของเราเราก็เจ็บไห้ของเราก็ฟอง ถ้าไม่มีคนก็ถามเราเราไม่ต้องไปบอกเขาเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะเข้าใจกันได้ง่ายพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราเป็นบ้ายิ่งเวลาเราจะพูดเรื่องอะไรนี้บางทีต้องระวังดูว่าคนที่เขา้าคนที่เราพูดนี้เขาเข า, เขามีปัญญาที่จะรับรู้เรื่องที่เราพูดใช่หรือเปาถ้าไม่ได้เราพูดไปเดี๋ยวเขาจะว่าเราเป็นคนบ้าเขาจะ หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเจ้าค่ะโอคัคงี้ก็คิว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรกกับครนนี้น ะ, ะขอให้ท่านจงทำกสิกาที่ท่านได้ยินได้ฟังแต่พียเจริงงานาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเ่าน